อันนี้คุณมอนาทูวก่อนเลยฮะคุณคนจ น, น, นหอนมอาทูวรนั่อมรเียมอันนี้ไมครอครับเป็นไงสบายดีนะส บ, บายดีครับช่วงนี้ก็หนักนิด น, นึงคนใช้เยอะมากาเต็มคงจะเต็มหมดแล้ว น, นะเต็ม ไปหมดเลยครับที่อาก็คนใช้ก็ล้นล้นไปหมดเลยอาการค่อนชั่งค่อนข้างนะครับแสดงว่าเชื้อเ ช, ช, ชื้อตัวนี้แรงมากนะแผลไดไงเชื้อแงรงแล้ว ก, แว ก, แวก็แล้วก็อาจจะเป็นมาตรการช่วงต้นที่อาจจะอาจจะไม่พอเพียงครับตรงที่เฟยล็อกดาวน์ไม่ได้ล็อกแล้วก็ที่สองการตรวจก็ ตอนแรกไปจำกัดว่าตัวเราต้องแอดมิดหลังปรโรงพยาบาลแต่มแต่งก็เลย under detect, ก็เลยอันเดอร์ดีเทคก็เลยอนร์ดีพอร์ตนครับออกซีนต็อมาน่อยเชื้อก็ดื้อยางว่าลบากนิดนึงครับเป็นไปตามเป็นตามคำอันนี้จาัางเราคงรอเดินคงมาแล้วพงไปล้วก็ทำให้ดีที่สุดในสว่วนของเราแล้วกันครับ มีคำถามอะไรไหมคุณหมอมีคำถามครับประเดี๋ยววันก่อนฟังเทศของหลวงตาครับก็เห็นคือฟังดูอย่างสมัยก่อนปฏิบัติทาพระตุ๊ดกัประฐานนี่กบบเข้มข้นกันมากเลยครับของหลวงตาเองท่านก็เคยเล่าถึงจะไปตุดตงหนาวมากจนกระทั่งแบบนอนไม่ได้อย่างครับแล้วก็จะเอามือจับจีวรก็แข็งแต่ท่านเจ้ายังไม่ยอมใช้เพราะผมก็เลยสงสัยว่าทาไมต้องทําต้องฝึกต้องทรมานกันถึง ขนาดอย่างนั้นมาทำไคือท่านไปทุดดงนี้ท่านเอาผ้าหไปไม่ได้อ่ะท่านอเอาของเท่าที่จำเป็นไปเพราท่านต้องเดินทุดดงไปมีสัมภาระอะไรไปนี้มันก็จะหนักเกินไปงั้นท่านก็มีกาผ้าสามผืนนะมีจีวรมีตามเหมือนกับในสมัยพระอุตตรการังั้นจะว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้น ว่าความทุกข์ยากลำบากนี่มันเป็นทำให้จิตต้องผลิตทําขึ้นมารับกับมันอืทำเกิดสติปัญญาขันติความอดทนอะไรเหล่านี้คือเครื่องมือที่จะไปใช้การทําลายกิเลสได้ต่อไปครับถ้าเราอยู่ในที่สุขสะดวกสบายมันก็ไม่ต้องผลิตเครื่องมือของทําขึ้นมาครับเราก็เลยไม่มีเครือมือไว้ต่อสู้กิเลส ในบางทีเราต้องอาศัยความทุกข์ยากลำ บ, บเพื่อที่จะเป็นตัวกระตุ้นเหมือนกับวัคซีนใช่ไหมกระตุ้นให้ธรรมที่มีในใจของเรานี้ออกมาทํางานถ้าเราอยู่กับสถานที่สะดวกสบายอย่างญาติโยมอยู่เนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีความอดทนไม่มีความจำเป็นมมทนี่จ ะ, จะต้องใช้สติใช้ปัญญาสอนใจให้ทําใจให้สงบให้รับกับ ความทุกข์ยากลำบากต่างๆ เ, เพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนใจก็เลยสบายสบายครับนั่นคือไซทำไมท่านต้องไปหาที่ที่มันทุรั์กันดารที่มันทุกข์ยากลาบากเพื่อจะได้กระตุ้นสติปัญญาขันติวิริยะกระตุ้นพละหานะวิริยะสติสมาธิและปัญญา ที่จะเป็นเครื่องมือต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากต่างๆได้คือจะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อสู้กิเลสที่จะสร้างความทุกข์เวลาเจอความทุกข์ยากลำบากต่างๆความอยากสุขอยากสบายเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญตัวไหนต้องใช้ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาระงับมันในการทาใจให้สงบ พอใจสงบแล้วความทุกข์ยางลำบากมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแล้วก็ได้ผลคือได้ประโยชน์คือได้ระงรับกิเลสตัญหาความอยากสุขอยากสบายทำให้เราสามารถอยู่กับอะไรก็ได้ไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ก็เลยสงสัยต่อและอย่างนี้ถ้าในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมันก็มีความสะดวกสบายเยอะมีอะไรเยอะอย่างนี้เราจะปฏิบัติให้มันถึงมรรคผลนิพพานอย่างครูบาอาจารย์ท่านที่ต้องไปทำแบบอย่างนั้นได้ไหมจะถึงไหมครับคือก็ยังมีวัดป่าวัดอะไรอยู่ที่อยู่แบบทุลักทุลานะแบบน้าไฟไม่มีอะไรทำนองนี้บนเขาก็เป็นที่นบนเขาที่อยู่ก็เป็นที่ พอที่จะสุดได้อาจจะไม่ถึงขั้นแบบครูบาอาจารย์ที่ท่านไปทุ่ดงในป่าแต่ก็ยังพอที่จะกระตุน้นให้เกิดธรรมต่างๆเสมอได้เป็นผู้ปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งแล้วจะเห็นคุณประโยชน์ของความทุกข์ยากลำบากทางทางร่างกายทางปัจจัยสี่ ก็จะได้กระตุ้นให้เกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิกันมาคือกระตุ้นให้ปฏิบัติให้สร้างสติให้สร้างสมาธิให้สร้างปัญญาคือไม่เกิดขึ้นเองสติสมาธิปัญญาแต่พอมีเหตุการณ์ความทุกข์ยากลาบากมาคอยกระตุ้นให้กิเรสสร้างความทุกขให้กับใจก็ต้องแกง้กับด้วยการจเจริญสติสมาธิปัญญา งั้นก็ผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้เองว่าที่ไหนมันมันกระตุ้นนึงไม่กระตุ้นถ้าอยู่ที่ไหนไม่กระตุ้นก็ต้องเปลี่ยนที่ครับอที่มันยากหรือถ้องเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องใช้มาตรการาแทนเช่นอดอาหารครับเดินชมกลมหลายๆชัวออ่วโมงเนี่ยเป็นการสร้างความทุกทางร่างกายแล้วก็เป็นจะทําให้เกิดกิเลสความ ความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปก็จําเป็นนี้เราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญามาดังับความยากให้ได้กระจายไปนั่นไม่ทุกข์กับความทุกข์ยากลําบากของทางร่างกายในผู้ปฏิบัติต้องพยายามเสริมมาตรการต่างๆมาทุกข์ยากต่างๆทางร่างกายมาเป็น ตัวคอยกระตุ้นให้มีทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็จะต้องมีมั่งคือสติสมาธิปัญญามาแก้ถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่ต้องมันก็ไม่มีจำจำเป็นที่ต้องมีสติสมาธิปัญญาแน่คือที่พระปฏิบัติท่านต้องอ่าต้องอยู่กับความทุกข์ยากลำบากเพื่อกระตุ้นให้เกิดอ่า เกิดธรรมะมาแก้เกิดเกิดมันความทุกข์ยากลำบากทางกายจะมาสร้างความทุกข์ทางใจด้วยเพราะใจไม่ชอบความทุกข์ยากลำบากชอบความสบายความสะดวกความสบายพอเจอความทุกข์ยากลำบากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความอยากให้ความทุกข์ยากทางร่างกายนี้หมดไปหายไปดัง เมื่อเราบังคับให้มันเกิดมันก็ไม่หายนะดนั้นทีเ่เรามาแก้ปัญหาทางใจด้วยการเจริญมรรคคือสติสมาธิปัญญาทําใจให้สงบให้ปล่อยวางกับสภาพของความทุกข์ยางลําบากของร่างกายหพอใจสงบปล่อยวางความทุกข์ยางลําบากตองกลายเป็นเล็งเล็กไปเมืใจไม่เดือดร้อนแนละ้ว ใชจมีความเบิกาใจมีความสมบุบอยู่กับความทุกข์ยากลําบากได้เหมือนปรับตัวได้พรเราเวลาเราไปอยู่ที่ที่มันแปลกใหม่นี้เราจะรู้สิง่งจะไม่ค่อยชอบมัน ท, ที่มันทุกข์ยากลําบากกว่าเก่ามีแต่เมื่อเราจําเป็นจะต้องอยู่แล้วก็สักตัง้งแล้ก็ปรับตัวได้แต่นั้นอาศัยการปรับตัวแบบใช้เวลาอันนี้เราใช้ใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิ ซึ่งมันจะตับได้เร็วกว่าการผลิตทำขึ้นมาใช่ไหมใช่ความครับนี่คำถามสุดท้ายครับก็อันนี้ฟันของเทศของหลวงตาอันนี้ก็ท่านบอกว่าความสงบมันก็มีสามขั้นขั้นแรกก็จะเหมือนกับเรามีใจอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างเช่นพุตโถหรือลมหายใจอยู่แนบแน่นตรงนั้นที่สองก็เหมือนกับวิตกวิจารณ์ตรงนี้ก็หายไปเหลือแต่ ความสงบตัวรู้การกระเพื่อมของใจก็หายไปถึงั้นขั้นที่สามก็เหมือนกับใจทุกอย่างในโลกหายไปทั้งหมดร่างกายก็หายไปเหมือนกับล่องรอยอยู่ในากาศเราเราจะเป็นปฏิบัติให้ไปถึงชั้นที่สามอะไรนี้ได้ไดอยังไงมันก็อยู่ที่กำลังสติของเราเนี่ยนครับถ้าสติของเรา <ๆ S 2> มีกำลังมากสามารถคุมแม่จิตไปคิดอะไรได้เลยมันก็จะเข้าไปสวนขั้นที่สามได้ ได้วิธีหนึ่งก็คือการผ่านทุกข์ทรมานเช่นทุกขเวทนาอย่างนี้เราสามารถใช้สติปัญญาพิจารณาปล่อยวางทุกขเวทนาได้มันก็สามารถเข้าไปสู่ในขั้นที่สามได้ถ้าเราอย่างอย่างก็ถ้าเราอยู่บ้านก็คงหาความลําบากได้ยากกว่าจะต้องนั่งปฏิเวทนาใช่ไหม <อะ S 2> สู้แบ บ, บนั่งให้มันนานแล้ก็สู้ปฏเวทนาให้มัน เป็นการทรมานแล้วก็ใช้ใช้ปัญญาพิจารณาผ่านถ้าผ่านมันน่าจิตก็จะเด่งเข้าสู่ความสงบได้มีคำถามแค่นี้ครับโอเคขอบคุณอาจารย์กลับไปที่คุณเป็นการไม่ยช่คุณเป็นใช่คุณเป็นอยู่ที่ไหนอยู่อุรอเจ้าขาพลาอาจารย์มีอะไรไหย อ่าพอดีว่าอาทิตย์ที่แล้วได้มากับพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะมารายงานการปฏิบัติเจ้าค่ะว่าทำตามที่พระอาจารย์บอกคือนึกพุทโธเท่าที่จะนึกได้เจ้าค่ะเวลาไม่ทำงานก็นึกพุทโธเจ้าค่ะหรือว่าพยายามมีสติให้มากที่สุดก็ปรากฏว่าความท้อถอยที่มีหรือความเมื่อยในในการปฏิบัติก็ลดลงความคิดที่ปุ่งไปเรื่องต่างๆก็ลดลงเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ถูกต้องนะวาตหมายของการใช้พุโทโธก็เพืลล่อระงับความคิดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นของความคิดทางกิเลส้นนระมาณครับพ <Okay. S 1> ยายามฝึกไปเรื่อยๆทั้งวันแต่เวลาเยอะเวลาที่เราตื่นเนี่ยควรจะมีสติมีพุโทโธควอคํากับใจยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการงาน <Okay. S 1> และกับธุระอะไรต่างๆแล้ค่ะ ก็<ต>ไม่มีคำถามเจ้าค่ะมาถ้ามีเวลาว่างก็ต้องนั่งสมาธิต่อเรื่องยิงดี ก, งก็ปกติจะตื่นตอนตีห้าเจ้าค่ะพารันถ้านั่งถ้า<ม>ถ้านั่ ง, น, ง, น, งนั่งได้บางทีก็นานสุดหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะถ้านั่งไม่ได้ก็ครึ่งชั่วโมงถ้าวันไหนฟุ้งมากก็สิบห้านาทีเจ้าค่ะตอนเย็นก็จะเดินจงกรมนี้เจ้าค่ะ ช่วงกลางวันถ้ามีช่วงไหนว่างๆสักสิบนาทีสิบห้านาทีนั่งก็ยังก็ยังดีอเราไป<อ>ไม่ต้องมารอถึงตอนเย็นตอนอะไรที่ทํางานช่วงไหนรู้สึกพร้อมว่างเอาสักสิบนาทีสิบห้านาทีเก็บแต้มไปก่อนก็ยังดีโอ้แล้วถ้าอยู่ที่ทํางานเราเราจะนั่งไงเจ้าค่ะต้องนั่งทำงานนั่งก็อี้นี้แต่โยมอยู่กับเด็กตลอดเวลาี้เจ้าค่ะ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าท่านได้แล้วมีถ้ามีมเวลาใช่ไหมถ้าเป็น<ร>ช่วงที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องทําอะไรแทนที่จะไปอ่านหนังสือพิมพ์ติดตามข่าวสารอะไรก็มาําใจให้สงบดีกว่าเจ<ร>้าค่ะถ้าเราอยากจะไปก้าวหน้าทางธรร ม, มเราต้องพยายามหาเวลาปฏิบัติให้มากที่สุดถ้าที่เราจะปฏิบัติทําได้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของวนันของวนัน อยู่ที่ไหนพออยู่ว่างๆคนเดียวนั่งสมาธิไปนั่งในเก้าอี้ก็ได้เราไม่ได้นั่งนานอย่างน้อยก็แบบช่วยบรรเทาความกินปวดแต่งอะไรต่างๆให้มันเบาลงทำให้ใจเย็นลงให้สบายขึ้นก็รู้สึกว่าตั้งแต่ทำตามที่พระอาจารย์บอกก็คือว่าพุโทโธระหว่างวันให้มากที่สุดเวลานั่งสมาธิ ความคิดที่จะไหลไปก็น้อยลงเจ้าค่ะคือสติมันจะแน่นอยู่กับลมแล้วก็คำบริกรรมมากกว่าเดิมเจ้าค่ะก็ดีดีพยายามทำไปเรื่ อ, อยๆพยายามควบคุมความคิดนะอย่าท้อแล้วกันอย่ายหยุดนะบางทีก<ๆ>ิเลสก็ลากไปอยู่เจ้าค่ะ อ, คอยากได้นั่นอยากได้นี่วันนี้ก็ได้ฟังเทศน์พระอาจารย์พูดเรื่องการไปทำตามความอยากถ้าทำตามความอยากมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดใช่เจ้า่ เป็นของสวยงามก็อยากได้บ้างอนะเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเห็นของใหม่ก็อยากได้ขึ้นมาอีกใช่เจ้ค่ะต้องใช้เหตุผลนะนับความอยากจำเป็นไหมเราต้องมีไหมถ้าไม่มีเราจะตายไหมถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นไม่ต้องไปมีม้เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะขอบคุณคพระอาจารย์มากเจ้าค่ะที่เมตตาโยมเจ้าค่ะ ลถลาตัวไปที่อาจารย์สายทิพ์ต่ออาจารย์สายทิพอันนี้อยู่ที่ไหนแอบนวัต ก, การพระอาจารย์ค่ะวันนี้อยู่ขอนแก่นค่ะอืมค่ะมีคำถามไหมเอ่อจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเออนั่งสมาธิช่วงช่วงเมื่อวานค่ะนั่งแล้วก็เราได้ตามดูลมหายใจค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าช่วงแรกลมหายใจมันจะหยาบ แล้วเราก็พยายามดูลมหายใจอยู่ที่จมูกอยู่ค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามันค่อยละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงถึงไม่มีค่ะแต่ว่าคําว่าพุทโธมันก็ยังมีอยู่เราก็คิดในใจว่าเอาไงดีเราจะเลิกเข้าพุทโธดีไหมหรือว่าเราจะทํายังไงต่อไปดีค่ะพระอาจารย์ก็ลองดูถ้าเราอยู่พุทโธแล้วใจเราไปคิดหรือเปล่าถ้าใจเราไปคิดก็ต้องใช้พุทโธเยอะนั่นไหมก็ พุทโธใหม่ใช่ไหมคะอ่ถ้ามันไม่คิดก็ดูลองไปอย่างเดียวก็ได้ถ้ามีลองไม่ดู <G ül> ถ้าไม่มีลองไม่ดูไม่มีพุทโธก็ดูความว่างไปอยู่กับความว่างไปให้ใจอยู่กับความว่างอย่าปล่อยให้ใจคิดพอใจเริ่มคิดก็ต้องใช้พุทโธอีกหนึ่งก็คือถ้าถ้าสมมติว่าเราลมหายใจมันเหมือนแบบเหมือนแบบมันมันน้อยมันน้อยไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะลองปล่อยพุทโธได้ใช่ไหมคะแล้วก็ลองมาอยู่กับความว่าง คือจะยังดูลมได้ก็ดูต่อไปถ้ายังพูดโธได้ก็พูดโธต่อไปอ๋อให้หหให้มันหายไปเองเหรอคะให้มันหายไปเองเวลามันตกลุมตกบอลนีม่มันจะหยุดเองอเราอย่าไปหยุดมันถ้าเรายังทําได้ค่ราะถ้ า, าหยุดบ้าเดียวมันก็เริ่มคิดผูกแตกกันมาอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าตั้งใจให้มันแบบเลิกเลิ ก, เลกพูดโธเองนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ควรจะให้มันหายไปเองให้มัน หายไปเองเวลาที่เหมือนมั น, ม, นมันเลื่อนหกล้มแล้วมันหายไปมันเหมือนจะตกหลุมตบบกบ่อของมันเนี่ยแั้มันก็จะหายไปค่ะใคยังพูดโทรได้พูดโธรตามไปค่ะเมื่อเมื่อวานนี้ตั้งสัจจะเดินจงกรมสามสิบนาทีค่ะพระอาจารย์แล้วก็ปวดหัวไมเกรนแล้วก็กินยาละเวียนหัวมากค่ะแต่ก็เดินไปเรื่อยๆตั้งสัจจะว่าต้องเอาให้ได้สามสิบนาทีค่ะแล้วรมมันกรตีขึ้น จนเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะพระอาจารย์มันจะอาเจียนค่ะก็เลยคิดในใจเอาไงดีสัจจะก็คืออาเจียนในห้องนอนหรือจะไปห้องห้องน้ําก็เลยเอคราวนี้ขอเสียสัจจะก่อนละกันค่ะพระอาจารย์ก็เลยไปห้องน้ํา <laughs> คือมันหนึ่งนาทีสุดท้ายคือจะแบบไม่ไหวแล้วค่ะมันขึ้นมาถึงที่คอแล้วก็เลยถ้ามันจาเป็นจริงๆก็ถึเรืๆๆ่อง <c oughs> สุดวิสัยก็เลยคิดว่าโอ้เ<อ>สียสัจจะซะแล้วค่ะพระอาจารย์ มาต่อหลังจากเสร็จแล้วกรรลัมาต่อให้เพื่มาห้นาทีได้กลับมาชดเชยค่ะชดเชยได้หน่อยกลับมาชดเชยห้านาทีแทนหนึ่งนาทีค่ะพระอาจาร์ดีค่ะแต่ตอนนี้ก็ที่เคยปรึกษาพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วค่ะเรื่องเรื่องเรียนสมาธิค่ะพระอาจารย์ก็ไปแจ้งเขาว่าทําแบบของโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าเรานั่งสมาธินานกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะขอลาออกเขาก็เลยบอกว่า ไป่ต้องลาออกถ้ทําแบบที่เราทํานี่แหละดีแล้วดีมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่าโอเคนั้นก็ไม่ขัดกันเราก็จะได้แบบบังคับตัวเองว่าเดินจงกรมอย่างน้อยเวละครึ่งชั่วโมงค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิก็นั่งในแบบของเราเลยค่ะพระอาจารย์ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะดีอยู่ค่ะพระอาจารย์ดีทําให้มากๆทําไปเรื่อยๆนะผลจะเกิดจากการกระทํำค่ะ เหมือนพอธรรมแบบนี้จิตเราพอมันว่างก็อยากจะนั่งสมาธิบ่อยๆขึ้นค่ะพระอาจารย์เหมือนว่างปุ๊บเอ๊ะทําอะไรดีแค่นั่งสมาธิก็แรับกันถ้าไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เออ<ะ> ด, <ะ>ดีดีที่สุดน่ะการนั่งสมาธินี้ให้ความสุขที่ดีที่สุดเหนยวกับความสุขทั่วปวงนะนัตติสันติพลังสุขังเึื่อยที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบจะเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธินี้ อาารคะขอถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะสงสัยเรื่องของคําว่ารูปประชานกับอรูปประชานประโยชน์ของสองสองสองฌานนี้ยมีความแตกต่างกันยังไงคะมีความสุขมากขึ้นรูปประชานี้มีความสุขน้อยกว่าความสุขของว่ารูปประชานพ<ม> อ, อจิตมันสงบละเอียดมากขึ้นไปกว่าระดับรูปประชาน<ม>แต่สําหรับการเจริญมรรคนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปสู่อรูปประชาน เข้าสู่แค่รูปฌปานสี่ก็พอเพียงต่อการที่จะไปเจริญปัญญาต่อแต่บางท่านมีพมีความสามารถจะเข้ า, ารูปฌปานได้ก็ไม่ห้ามเข้าได้บางคนสติ ด, ดีสามารถกาหนดจิตให้นิ่งให้เรีวกว่าระดับรูปฌานได้ก็เขาทำไปอันนี้ไม่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นสิ่งที่จะต้องทำทุกคนเป็นออปชั่นพิเศษเนี่ย มันซื้อลอตมาแลอยากจะติดลอ้อแม็กนี้ก็ถ้ามีปัญญาจ่ายเ ง, งินติดลอ้อแม็กก็ติดไปแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นไรไม่สียลอ้อธรรมดาก็วิ่งได้เหมือนกันก็คือไม่ได้เป็นข้อห้ามหรือว่าข้อที่จะต้องพยายามใช่อแล้วแต่ถ้ามีความสามารถเพราะมันสงบกว่ามันเ ม, ม, มีความเด้งกว่ามันเมีความสุขมากกว่า ค่ะมีคําถามเพียงเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบพระคุณค่ะคำถามต่อไปคุณหมอแอันเชิญคุณหมอแอ น, อ, แ อ, นอันนี้ว่านูอาว่ามามีคําถามไหมมีสามข้อเจ้าค่ะพระอาจารย์อาว่ามาเลยก็ <c oughs> ข้อแรกก็คืออยากจะเรียนกลับเรียนพระอาจารย์ว่าที่หนูปฏิบัติก็คือว่าหนูนั่งสมาธิค่ะในหนึ่งชั่วโมงแล้วหนูก็ เออสวดมนต์ดูลมไปด้วยมันก็อยู่นิ่งดีเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็พอพอมันนิ่งแล้วหนูก็ดูลมที่ปลายจมูกอย่างเดียวแล้วก็พุทโธกำกับค่ะก็นิ่งสบายเวทนาก็ยังยังมาน้อยนะเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็พอพอหลังหนึ่งชั่วโมงไปแล้วอ่ะค่ะเวทนาก็เริ่มมาพอพอเริ่มมาหนูก็พุทโธที่ดูลมปลายจมูกแล้วเออมันมันมันเอาไม่อยู่แล้วเจ้าค่ะหนูเอาเลยอย่างเดียววพุทโธอย่างเดียว เจ้าค่ะมันก็แรงขึ้นหนูก็เลยใช้วิธีเอ่อเอ้าแยกๆเลยแยก <c oughs> แยกกายแยกเวทนาแยกจิตแต่ว่าก็ทําได้อยู่แค่ประมาณเอ่อช่วงหนึ่งเจ้าค่ะหนูก็เลยเปลี่ยนเกียร์อีกแล้วก็เลยเอาเอวยิ่งแล้วกันหนูยังไม่อยากลุกแล้วค่ะ ห, หนูก็จะต้องนั่งไวเรื่อยเวทนามาหนูก็ก็จะไม่สนใจเขาแล้วหนูก็เลยใช้เปลี่ยนเกียร์ของหนูเองคือ หูก็มาทบทวนการปฏิบัติของหนูเลยค่ะตั้งแต่อธิบัติ4ศีลห้าศีลแปกรรมบท10ไล่ไปเลยเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็ไล่บารมีสิบของหนูว่าหนูขาดเกินอะไรต้องเพิ่มอะไรไม่เจ้าค่ะแล้วก็ไล่ไปเสร็จหนูก็ไม่ได้สนใจเวทนานะเจ้าค่ะแล้วก็ดูก็ไล่อาการ 3.2 แยกผ ม, มกองขนกองไล่เรื่อยๆกองกองออกไปให้ดูว่ามันไม่สวยไม่นามในตัวเราเนีเจ้าค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็ แยกไอ้ไม่ใช่แยกค่ะดูศพสิบต่อเพราะว่าชอบดูศพเจ้าค่ะดูศพสิบให้มันอืดทองเขียวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วมันก็อยู่กับมันได้ไปประมาณเข้าชั่วโมงที่สองเข้าชั่วโมงที่สองเนี่ยจิตมันก็จะแบบมามามามีเหมันก็ว่ามันก็มีสติเจ้าค่ะแต่มันก็จะบอกว่าอ้าวแล้วเวทนาหายไปไหนเจ้าค่ะหมายว่าเวทนาเราอ่ะที่เคยป่วยอ่ะมันมันหายไปแล้วอะค่ะมันไม่ได้มันไม่มีแล้วหนูก็เลยแบบ กลับเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าอย่างเงี้ยหนูจะใช้แบบนี้ได้ไหมเจ้าค่ะได้ก็บอกว่าเป็นอนิจจังเลยจารณาเวทนาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงค่ะแล้วก็ดับได้ตอนนี้มันดับแล้วตอนนี้มันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้อีกเจ้าค่ะนิรัตการนี้มันเป็นนิรตการแบบใช้ความคิดเปลี่ยนเบงแม่้ไปคิดถึงเวทนาเวทนาเพื่อจะได้ไม่ได้สร้างตัณหาความอยากให้เวทนาหายไป ใช่เจ้าค่ะมันยังไม่ได้ไปไปพิจารณากับตัวปัญหาโดยตรงอืมเจ้าค่ะปัญหาโดยตรงก็คือความอยากอยากให้เวทนาหายไปค่ะด้วยการพิจารณาว่าถ้าเราไปบังคับให้มันหายไปได้หรือไม่นะมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนันตาเต้องไล่ถามอย่างนี้อยูอ่าถ้ามันเป็นอัตตาเราสั่งมันได้มันก็ต้องมันก็เปิดไฟได้แล้วก็ต้องปิดมันได้ ถ้าปิดไม่ได้ก็แสดงว่าเราก็ไม่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับได้มันจะมามันจะไปเราก็ห้ามมันไม่ได้เน้นถ้าเราไม่อยากจะทุกกับมันแล้วก็อยากไปห้ามมันมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปให้มันได้ข้อสรุปอย่างนี้แล้วใจก็จะได้ปล่อยวางได้อะยอมละเธอจะมาก็มาเธอจะอยู่ก็อยู่เธอจะไปก็ไป ถ้าใจมันได้ข้อสงบแล้วมันจะนิ่งมันจะไม่ต่อท่าอหมือนยอมหยุดเย็นอพิจารณาจนกระทา่งใจยอมรับความจริงของเวทนาเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราก็ควบคุมบังคับไม่ได้อถ้าเราไปอยากให้มันถ้าเราอยากไปควบคุมมันเราจะทุกข์ถ้าเราไม่ถ้าเรายอมรับมันยอมให้มันอยู่กับเราเวลามันมายอมให้มันไปเวลามันไป เราก็จะไม่ถูกข้ามันใจจะหยุดต่อต้าน ต, ต่อสู้กับเวทนายอมหยุดแล้วก็ใจก็จะเย็ยนสบายมาก็มาอยู่ก็อยู่ไปก็ไปอันนี้คือการพิจารณาที่จะแก้ตัวปัญหาที่เกี่ยวกับเวทนาโดยตรงแถ้าเราไปคิดเรื่องนู้นอะไรแบบนี้อาการ32อาการ32ศพ10ประการนี้เป็นการดึงใจให้ไปทำงาน เพื่ที่ได้มไม่ไม่มาคิดถึงทุกขเวทนาจะได้ไม่เกิดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไป <S s> <gn> ค่ะแต่มันยังไม่ได้ไปแก้ที่ร่างเหง้าของปัญหาคือเรายังเรายังอยากให้ทุกขเวทนาหายไปค <S 's> <ขา S 2> เราต้องหยุดตัวนี้ให้ได้หือดตัวความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเวลามันปะกดขึ้นมาค่ะต้องยินดีต้านรับมันเพราะเราไม่มีทางเลือก คือให้แยกเลยใช่ไหมคะคือจะเห็นแข็งแยกกันชนจิตไปเลยนะคะแล้วก็พี่นาลงว่าเออมันคนละส่วนกันแล้วมันก็ละส่วนกันเหมือนฝนตกแดดออกเนี่ยมันคนละส่วนกันอแเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้เราสั่งให้ฝนไม่ตกแดดไม่ออกไม่ได้อแย่าไปสั่งให้เวทนามันไม่มาไม่ได้เมื่ะมันมาก็ต้องยอมรับมันยอมอยู่กับมันให้ได้อย่าไปรังเกียจมันอย่าพยายามหนีมันอย่าไปอยากให้มัทนาให้ไปเท่านั้นเอง เรากนใจลังนี้แล้วว่าทุกของเราเกิดจากความล้ำเกียดทุกเวทนาทำอย่างให้มันหายไปเราต้องพยายามฝืนใจสอนใจให้รักมันให้ไดให้ชอบมัน้ได้คือถ้าปวดมาก็ยินดีต้อนรับให้รู้ว่าปวดก็ไปให้วางให้ได้ใช่ไหมครับดเดียวกับมันไปไม่ใช่เบียงเบนไม่ต้องบิดไม่เบียงเบน อ๋อแล้วก็ถ้าถ้าพี่ไหนได้คือไม่ต้องไปพูโทสู้ไม่ต้องก็ดูธรรมะดูใจรักของอันนี้ของเมตนามันมันของไม่เที่ยงใช่ไหมมันมามันไปด่านตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้นะค่ะมันจะมาแล้วจะให้มันไปมันก็ไม่ไปแต่ควบคุมบังคับมันไม่ได้เพิ่มบังคับมันไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันเท่านั้นมันเอาไปอยู่กับดินฝ้ากันใช่ไหมแล้วก็บังคับดินฝ้ากันไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันไป เราอยู่กับมันได้าเราก็ไม่ถุกนะ้็ค่ะก็เคยก็เคยฝูแบบเนี้ยค่ะแยกแยกกายวิทยาจิตอย่างเงี้ยค่ะเจ็บปวดกันอยู่กันอยู่เดือดตอบนจ้ะค่ะแล้วก็แล้วก็มันก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะแฮปปี้นะคะมันก็หน้าเขียวหน้าเหลืองอะไรค่ะว่ามันทรมานเจ้ะค่ะมันมันยังไม่เห็นโทษของความน้ำเกลือน แต่ตัวความลังเกียจวั<ม>ตถุกัวภิทนานี้ทําให้เราทุกข์ <c oughs> ถ้าเราเลิกรังเกียจมันได้เราก็จะหายทุกข์คือต้องชอบมันด้วยใช่ไหมจ๊ะค่ะไม่าเราชอบว่ได้เฉยๆก็แล้วกันแต่ถ้าชอบชอบก็เพื่อเป็นเหมือนเป็นยากแก้ชัว่วคราวถ้าชอบมันนะมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราเจออะไรที่เราชอบเราจะไม่ทุกข์ใช่ไหมจ้จาคื อ, อยังไงก็ต้องให้เขาอยู่กับเราให้ได้แหละก็คือเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ไม่ใช่เขาอยู่กับเรา อ อ, อย่าไปตัดเขาทิ้งเลยเพราะว่าเขาต้องขอบเราอย่าไปอย่าไปผักสเข้าไม่รัเข้ามาอย่าไปลังเกียจเขาเข้ามาก็ตอนรับเขายินดีต้อนรับแสดงว่าต้องทําแบบเดิมเจ้าค่ะเพราะว่าที่แบบใหม่นี่คือมันเป็นการเบี่ยงเบนเจ้าค่ะมันก็เลยหายไปโดยโดยเราไม่สนไม่ไม่สนใจแต่มันยังไม่เข้าไปถึงความจริงว่าเรายังไม่ได้ไปหยุดความรังเกียจหยุดความอยากให้เวทนาหายไปเจ้าค่ะ เราต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ตัวนี้ทำให้เราทุกข์ใจว่าเราไปอยากในสิ่งที่เราอยากไม่ได้ะคะอยากให้เวทนาหายไปนี่อยากยังไงมันก็ไม่หายเราต้องยอมรับทุกเวทนาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วกันก็สรุป คือต้องแยกแยกแล้วก็อยู่กับเขาเนาะเจ้าค่ะทำแบบเดิมผู้ที่ทุกจริงๆก็คือร่างกายไม่เช่อใจนะความทุกขเวทนามันเกิดจากร่างกายเกิดจากสัมผัสที่นั่งไปนานๆ ม, มันก็เกิดอาการเจ็บปขึ้นมาแต่ร่างกายมันไม่เดือดร้อนปะดุบมันไม่เดือดร้อนเนื้อมันไม่เดือดร้อนไม่เจ้าค่ะแต่พู้รู้เคิดนี่เป็นผู้เดือดร้อนตอแต่ตั้งแบบเนี้ยต่อกันสามวันถึงห้าวันนี่คือคือเราก็จะปวดหัวเขามากเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ ก็เปลี่ยนระยะบทถ้าถ้ามันมากกกินไปก็ต้องเปลี่ยนระยะบวชมันเดียวมันเกิดอาการพิการพ่กนพิการขึ้นมาไดก็คือเราไม่ได้ต้องทําแบบนี้ทุกวันก็ได้ใช่ไหมไม่ไม่ทำไปเพื่อเป็นการฝึกสอนใจให้รับมันแล้วค่ะอ๋อโอเคคือบางวันเราอาจจะเบี่ยงเบนก็ได้ใช่ไหมคะยืดหยุ่นได้ได้อหรือถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินแทนก็ได้แล้วค่ะ อ๋อก็คือยืดหยุ่นให้เขาบ้างไม่ใช่แบบใช่ไม่ใช่เอาทุกวันทุกคืนสู้มันอย่างนี้แล้วค่ะบางครั้งร่างกายบางทีมันมันมันรับไม่ได้ร่าวกายมันมีขอบมีเขตด้วมันก็เกิดเหมือนกันค่ะถ้าถ้ามันทําทุกวันแล้วมันทุกทรมารเนี่ยมันก็จะเกิดมีความรู้สึกมันไม่อยากทําแล้วใช่แล้วจะมันก็นอ่างมากมากผ่อนดูแลเหนื่ยค่ะข้อสองเจ้าค่ะคือ คือคือหนูอะพิจารณาขันห้าเจ้าค่ะแล้วพอดีว่าหนูไปฟังเทศเทศหลวงพ่อไว้เจ้าค่ะหลวงพ่อบอกว่าเอวิญญาณรับรู้อัตนามาปุ๊บเนี่ยมามามามาเมมโมรีแบงค์อยู่ที่สัญญาเนี่ยเจ้าค่ะก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบงค์ของเราเนี่ยค่ะสัญญาเก่าให้เป็นไปรักษณ์แล้วแล้วการที่เราจะไปไปสต็อปตรงสัญญาตรงเนี้ยค่ะคือเราต้องฝึกสติให้ให้แน่นพอที่จะไป เบรกตรงนี้ใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าแต่ว่าตามหลั ก, กจิตของเราเนี่ยมันจะไปปรุงเออไปเบทนาแล้วแล้วก็ไปปรุงไปแล้วเนี่ยเจ้าคะก็เราก็ต้องสอนสอนจิตให้ใ ห, ให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนี่กาจรจิตมันก็เป็นเป็นภาวะของธรรมชาติประสมปรุงแต่งคือดินน้ำลมไฟผสมปรุงแต่งมันไม่มีสา์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตอน เขามสมมติเกิดขึ้นใหม่เห็นร่างายคนนี้แล้วก็ว่าเป็นพ่อเห็นร่างกายคนนี้ก็เป็นแม่มันเป็นเราเป็นของเราเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเรามันก็เลยเกิดอุปทานอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เขาก็ไม่เที่ยงก็เป็นอนิจจังก็ต้องมาสอนให้มันเห็นทุกอย่างเป็นตายักอนาตตาก็คือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในสิ่งต่างๆที่เรารับรู้ที่เราเห็น เจ้าค่ะเป็นร่างกายของทุกคนนี่มันไม่มีมันไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมันเป็นอาการ3ื2แต่เราไปสมมุติว่าเป็นแม่เป็นพ่อเป็นมาทั้งนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเราต้องสอนจิตของเราให้ให้เห็นไตรักษณ์ให้ได้เพื่อที่สัญญาเก่าของเราเนี่ยเจ้าค่ะจะได้จะมาแก้สัญญาเก่าที่ไปเห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเราของเราอะไรงนี้มันถึงจะเบรก เบกันปรุงแต่งก่อพบก่อชาติใหม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะมันก็เบกความอยากเนี่ยความอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไป น, นานๆอะไรอยากได้เขามาของอะไรที่เราเห็นแล้วชอบก็อยากให้ได้มามันก็ทําให้เราเสกติดของพวกนี้ไปทุกพบทุกชาติเนี่ยนะลอะพิจารณาให้เราของเรานี่มันเป็นทุกข์เพราะไม่เทียมได้ไมาล้เดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา มันเป็นอนัตตาเราไปบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้บังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เราจะได้เริ่มความอยากที่จะเสพ ส, สิ่งต่างๆต่อไปมไม่มีความอยากจะเสพไม่มีความอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรมันก็ไม่มีการากลับมาเกิดอีกต่อไปเจ yeah. ้าค่ะข้อสามสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะจิตก่อนตายเนี่ยถ้าหนูพุดโธเอาไม่อยู่นี่หนูดูอาการสามสิบสองไปได้ไหมเจ้าค่ะ คือเวลานั้นเน่ยมันมั น, ม, นมันเหมือนกับว่าเราขึ้นขึ้นเวทีชั่วโมงแล้วโค้ชสอนเราไม่ได้แล้วอันนั้นเราจะเป็นไปตามที่เราได้ฝึกฝนมาเราฝึกฝนแบบไหนเราถนัดแบบไหนมันก็จะมาแบบตัวตโนม้มมากอ๋อคือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาได้แล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ช่วงนั้นมันเหมือนกับเข้าห้องสอบนะมาเขาห้องสอบแล้วด้วยเกี่ยวกับการฝึกฝนอแบรบมที่เราได้ทํามาเนี่ย ว่าเราฝึกฝนน้นเท่าไหร่มันก็จะออกมาแสดงอาการแสดงฟีมารายมือในช่วงนั้นอ่ะอ๋อจิตจะไม่เลือกไม่ได้ว่าจะเอาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วมันจะเอาอันนี้เลยก็แล้วแต่เราเราถนาดวิธีไหนเราก็จะเอาวิธีนั้นนะเพราะเพราะว่าหนูแบบมีความคิดของหนูเองว่าถ้าถ้าหนูแบบผู้โทรไม่อยู่ด้วยความเจ็บปวดมากเนี่ยสิค่ะหนูก็จะจะเบียงเบีอีกแล้วเจ้าค่ะเบียงเบียงไล่ยงไงก็แล้วแต่เพราะถึงเรามันก็จะทําไปตาม ้็วิธีที่เราทำที่เราซ้อมมานะซ้อมหลายแบบแล้วค่ะก็ถ้าวิธีนี้ไม่ได้หนูก็ต้อง พ, พีกเป็นวิธีนี้อะไรอย่างเง<ๆ><ร>ี้ยเจะครับพุทโธไม่นาก็เบ่งเบนไปคลิปเรื่องหนึ่งก็ได้ถ้าทําได้หรือมันพิจารณาธรรมชาติของความเจ็บปวดว่ามันเป็นอลายลับไปก็ได้ตแต่ถ้าดูอการสามสิบสองแล้วเห็นความไม่สวยหกไม่งามหกร่างกายรู้จิตมันจะไม่ไม่เป็นอกุศลแลเจ้าค่ะตอนก่อนตายเจ้าค่ะ นั่นเป็นเ่ามันเป็นปัญญามันสอนให้ใจปล่อยวานแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ไปแก้มัน ม, มันเหมือนกับกินยาแก้ปวดท้องแต่เราไปปวดหัวเนี่ยมันไม่มันไม่ได้แก้โรคภายในข้าจิตอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจิตเราแข็งฝึกมาดีๆเนี่ยเราก็ดูการเจ็บปวดของเราไปเลยนะเจพิจารณาให้เป็นตายละไปเลยจิตมันจะได้ประโยชน์มากกว่าการไปเบี่ยงเบนใช่เอิมเป็นตอนนี้นพยายามฝึกพิจารณา ธรรมชาติของเมตนาว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนควบคุมบังคับมันไม่ได้อืมเจ้าค่ะแล้วต่อไปเวลาถึงเวลาเจ็บปวดจริงๆมันก็จะพิจารณาแบบนี้ไปแล้วพอปล่อยพอมันปล่อยวางได้ครั้งเดียวแล้วมันไม่ต้องพิจารณามันดูจากวิธีปล่อยวางอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็จะไม่ต้องคือเราฝึกเบี่ยงเบนนี่ไม่ดีเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ได้เป็นมันก็ทําพูดโทนี้ก็เป็นการเดี่ย ค่ะมันไม่ดีเป็นการควบคุมจิตแม่ไปคิดถึงความทุกข์เพจะได้ไม่ผลิตความอยากขึ้นมาอืมต้อค่ะแล้วต้องมาแก้ที่ต้นเหตุคือความนี้ความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากให้เวทนาหายไปอืมออาการพิจารณาว่าเมตตาแล้วว่าอยากไม่ได้ออย่างไงยมันก็ไม่ไปเวลามันเจ็บอืมต้องค่ะอย่าไปอยากดีกว่าอยู่กับมันดีกว่า เจ้าค่ะการเปลี่ยนใจอยากให้มันไปอยากให้มันไปเปลี่ยนแล้วอยากให้มันอยู่ก็แล้วกันทำไม่ไปก็อยู่เจ้ค่ะพอเปลี่ยนใจได้ตอนรับมันได้มันก็หายถุกเจ้าค่ะแต่มันก็จะยอมรับมันไม่ได้ทุกวันเจ้ค่ะเพราะว่ามันจะเจ็บปวดทุกวันมันก็ต้องมีบางวันที่ต้องเบี่ยงเบนกันก็แล้วแต่แล้วแต่สักวันหนึ่งมันอาจจะยับมันอาจจะยอมรับได้ อ๋อถ้ายอมรับได้แล้วมันก็จะดุกับมันได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะ เ, เ, เพราใจจะไม่ต่อต้านใจจะไปดูเบรคคาเฉยๆไม่มีความอยากให้มั น, านม้ายไปใจก็จะอยู่อย่างสบายไม่ทรมานไม่ต้องไปเปี่ยนเดิไม่ต้องไปหนีไม่ต้องอะไรอืมถ้าเป็นวิธีแก้ปัญหาจบจุดไงเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะแต่ขอบอกคเจาค่ะโอเค อ, อ, อาจาราย์พรมพิราอาจาร์ เป็นยังไงมีคําถามไหมอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะไม่มีคําถามค่ะรับฟังค่ะวันนี้ค่ะโอเคเป็นไงเพื่อนกูอยู่ด้วยรึเปล่าครับสวัสดีค่ะอยู่ค่ะฟังด้วยกันค่ะโอเคทางด้วยค่ะเน้นไปที่ท่านตอบไปนะค่ะโอเคคุณแดนอยากกุดรเหมือนกันไหมคุณแดนใช่ค่ะกล่าวธรรสการค่ะมีคําถามไหมไม่มีคําถามค่ะ โอเคเี่เราไปคุยนนทภาพจต่อเลยคุณนันทภาพเชิญกลากกา่าวนมัสกุลเจ้าข้าพเจ้าอยากุูเทพไหมคุณนันทภใช่เจ้าค่ะโอเคคาถามได้ไหมมีมีเจ้าข่าพระอาจารย์อันแรกก็คือขอทบทวนนิดนึงเจ้าข้าที่ไปจากที่ได้เข้ามาสูงกับพระอาจารย์แล้วก็มีการได้รับคําแนะนํามาเรื่อยๆนะคะก็ลูกก็ไปทวนอันที่เคยสูงอันเก่าแล้วก็เอามาเป็น การปฏิบัติที่ที่พระอาจารย์บอกว่าต้องลองปฏิบัติกับตัวเองอะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วดูว่าไหนอไหนที่ที่มันมันทาให้เราสงบหรือว่าเราได้ได้ความทุกข์น้อยลงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่ลูกลองดูก็คือตอนนี้เท่าเท่าที่ลองทํานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือถ้าอันแรกคือทําใจว่าในขณะทํางานก็ให้เป็นการฝึกสติแล้วก็ถ้ามีเวลาก็มาฝึกสมาธิบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ แล้วในระหว่างทํางานก็คือลูกก็ใช้พุโทโธเหมือนที่พร ะ, านะนพอจ า, าะจารย์แนะนําพอได้เจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันเหมือนกับว่าลูกเป็นคนที่ใช้ชอบใช้ความคิดใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้วพุโทโธมันแทนแทนความคิดอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ลูกจะถามนิดนึงเจ้าค่ะว่าอย่างเวลาที่พระอาจารย์บอกว่าให้คิดเฉพาะเท่าที่จําเป็นเราใช้เกณฑ์เกณฑ์อย่างเช่นเป็นงานหรือว่าเป็นความคิดที่วางแผนงานอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นความคิดที่ไม่ทําให้เกิดกิเลสใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่มันเป็นความคิดทางทางทางวิชาการเหมือนว่าธรามะกินเราจะต้องวางแผนจะต้องติดตอ่อเพราะฉะนั้นติดตากันนี้่แต่ไม่ได้ไปคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีซื้อบ้านใหม่ซักหลังดีไหมหรือ ไ, ไปวิญาวคอนโดใหม่หรืออะไร อ, ไรอันนี้อันนี้เป็นความคิดทางกิเลสความอยาก ถ, ถ้างั้นลูกขออนุญาตใช้ การดูกิเลสว่าเป็นความคิดไปเชิงกิเลสไหมได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันจะไม่หยุดนะสิมันจะไม่หยุดใช่ไหมเ้าคะก็อย่างถ้าถ้าถ้าจะบอกว่าเป็นกิเลสปั๊ถ้ามันหยุดปั๊บก็ใช้ได้อ๋อหยุดหยุดเจ้าค่ะถ้าหยุดก็ใช้ได้ถ้ามันหยุดคิดก็แบบนนี้กํำลังไปสร้างพบสร้างชาตินี่คือตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหรือการมัทหาถ้าเราสามารถชี้ ช, ชี้โจ้นี้ดานชี่บอกว่ามันเป็นกามนตนาัญหาอยากไปเที่ยวอยากไปดูน้ำฟังเพลงนับเป็นในการมตัญหาเนีนยนะไม่หยุดนะครับอยากอยากได้ตําแหน่งใหม่อันนี้ก็บอกภาวนะตัญหาอยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรืออยากจะหนีอยากคนนั้นหนีอยากสิ่งนี้ก็เป็นวิภาวะตัญหาค่ะถ้าถ้ากลับเรียนพระอาจก็คือ เท่าที่ผ่านมาความคิดแบบนี้ไม่ค่อยมีเ mm hmm. จ้าคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นความคิดที่วางวางแผนการทํางานว่างานแบบนี้จะเป็นสเต็ปนี้สเต็ปนี้ถ้าเป็นแบบ mm hmm. จะเป็นแบบไหนพอคิดเสร็จค่อยค่อยมาเข้าเข้าการคิดที่เป็นพุทโธอย่างเงี้ยเจ้าคะอาจารย์ส่วนใหญ่แต่ถ้าคิดเหมือนที่เคยกับเรียนพระอาจารย์ว่าความอยากกินก็ตอนนี้ก็เหลือมื้อเดียวแล้วแม้กระทั่งวันทํางานอย่างเงี้ยเจ้าคะอาจารย์ mm hmm. มันทางานก็กินมื้อเดียวแล้วก็ไม่มีอาการอ่อนเพลียรหรืออะไรแล้วเจ้าค่ะพรอาจารย์อยู่ hmm. ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คื อ, อความคิดที่จะอยากได้ของข้าวของที่ไม่จําเป็นเหมือนที่เคยกับเรียนพระอาจารย์ว่าแต่ก่อนซื้อรองเท้าคู่ล้วสามพันหพันหลายคู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือความคิดนั้นก็แทบจะไม่มีแล้วเจ้าค่ะพรอาจารย์คือเป็นแบบใช้เงินแบบกินกินหรือว่าซื้อของเท่าที่จําเป็นอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหรือทําบุญอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพรอาจารย์ ก็ดีก็ดีเป็นยังไงทีเนี้ยก็ก็ก็พอดีก็มีความสงสัยในเรื่องใช้ความคิดแต่ไม่ไม่เป็นไรเจ้าค่ะอาจารย์ก็คือถ้าอย่างนั้นก็คือลูกก็คิดเรื่องงานแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็ฟุตโทรไปตามที่อาจารย์แจ้งแล้วก็แล้วก็เวลามีการหยุดพักการทํางานก็ให้สวดมนต์เข้าสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ได้หรือว่าถ้ามันไม่คิดอะไรก็ให้รู้เฉยเฉยก็ไดเวากำลังทำอะไร ก็เราเดินก็เรานั่ก็ได้ถ้ามันไม่คิดปรุงแต่งทายทางทีเด็ดเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดโทก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้อ๋อค่ะเพราะว่าเพราะว่าความคิดปรุงไปจักแต่ว่ารู้ไปอ๋อโอเคถ้างนั้นได้เจ้าค่ะคือก็บางทีถ้าไม่พูดโทแล้วมันยังนิ่งอยู่ก็ก็ไม่ต้องไปพูดโทก็ได้ใช่ไหมเจ้าใช่ใช่อ๋ออ่าอ่าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็ก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงพูดโทนี่เป็นเหมือนเบรกถ้ารอดมันนิ่งเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกนี่แหละรอมันจ้าเราก็ไม่ต้องเหยีบบ เดี๋ยวพอมันเริ่มไหล้วก็ต้องเหยียหม่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ที่ลูกเคยกล่าพระอาจารย์ว่าลูกเคยใช้ปัญญาแล้วได้ผลก็คือเข้าไปเห็นตัณหาสภาพตัณหาอย่างเช่นเวลาเกิดความทุกข์แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้ใช้วิธีนี้อีกทีหนึ่งก็คือถ้ามีความทุกข์ให้เข้าไปดูว่าเราอยากอะไรแล้วพอเราเห็นความอยากมันจะหยุดเหมือนที่ลูกเคยบอกพระอาจารย์ว่า บางทีนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้มีการเข้าสมาธิหรืออะไรแต่พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาลูกจะเข้าไปเห็นเห็นสภาพของความอยากไม่อ ย, อยากอย่างเช่นเวลาเกิดเจ็บปวดร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเห็นความไม่อยากให้หายปวดอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่อยากให้ปวดแล้วเงี้ยมันก็หยุดอย่างเงี้ยเจา้าข่พระอาจารย์<ม>ก็ก็ยังใช้วิธีนี้ในการต่อเนื่องในการใช้ปัญญาเวลามันขึ้นมาอย่างเงี้ยได้ตลอดใช่ไหมเจ้าข่ า, า, าไ ด, ได้ถ้าเราสามารถรู้ว่าความอยาก เป็นส่วนไหนเราหยุดกันได้ก็ใช้ได้เพราะพอเราหยุดความอยากแล้วความไม่สบายใจมันจะหายไปอ่าใช่เจ้าค่ะอาจารย์ทั้งทั้งความอยากในแง่ที่ว่าเอเรื่องคนคนทําให้เราไม่พอใจด้วยเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างใช่้วจะเป็นคน เ, เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุเป็นสิ่งของหรือเป็นอารมณ์อะไรเหมือนกันถ้าเราไปอยากก็ามา น, นเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาไม่ได้ดังใจอยาก ค่ะทั้งเรื่องการเจ็บปวดร่างกายอะไรเงี้ยลูกก็ใช้ใช้เข้าไปดูความความเป็นตัญหาค่ะพอดีพอดีลูกเช่าสวดธรรมจากแล้วไปอ่านคําแปลธรรมจากมันมีว่ามีมีว่าถ้าเป็นทุกข์เนี่ยให้กําหนดรู้แล้วก็ตัญหาเนี่ยให้ละไงเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีพอดีลูกไปจับตรงนี้ได้แล้วพอมันเกิดความทุกข์ลูกก็เลยเข้าไปจับว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วพอเห็นมันก็หยุดได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ, อะพอดี ถ้าหยุดไม่ได้มบางทีก็ต้องพิจารณาตัวตัวที่ที่ตัวตั้หาอยากว่ามันมันเที่ยงไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์บาเช่นถ้าเราเลุกเลยเราอยากได้สิ่ง น, นี้อยากได้คนนี้แต่เรายังอยู่ความอยากไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาสิ่งนี้คนนี้ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงมันก็ต้องทุกข์ใช่ไหม <bons dann. S 1> ถ้ามันทุกข์ก็อย่าไ ป, ปอยากดีกว่า แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นความคิดที่ที่คิดแล้วสงบเร็วก็คือเหมือนกับว่าคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลืออย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์พ่อแม่พี่น้องคนสัตว์อะไรที่เรายึดไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ต้องจากเราไปอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ก็ได้ด้วยได้ได้พี่อะไรเพื่อ น, ใ น, ในใจินในในใจจ์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีวันสิ้นสุดค่ะพอคิดอย่างนี้บางทีความที่อยากจะไปทา ทำไม่ดีหรือว่าความที่อยากจะไปเอาอะไรกับคนอื่นมันลดลงอย่างเงี้ยเจาะถือว่าใช้ได้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องทําะไรเยอะทุกอย่างมันจบของมันเองค่ะเจ้าค่ะพรอาจารย์แล้วก็อีกข้อนึงเจ้าค่ะเออลูกลูกยังทํางานอยู่อ่ะนะเจ้าค่ะพรอาจารย์ลูกลูกไปสมัครคอร์สออนไลน์ของภาษาอังกฤษเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ขัดใช่ไหมเจ้าค่ะพรอาจารย์ได้ยังทํางานอยู่เพื่อเสริมประสิทธิภาพของการทํางานก็ มันก็จะว่าขัดไม่ไม่ขัดมันก็เป็นเรื่องของการงานว่าให้ให้มองเป็นเรื่องการงานได้ใช่ไหมเจ้าค่ะไ ด, ได้แต่มันก็อาจจะมีความอยากแสงอยู่อยากจะทำงานให้ดีขึ้นอยากให้ได้ได้รายได้ดีขึ้นอะไรต่างๆนี้ อันอันนั้นไม่มีเจ้าขาพอดีลูกที่ผ่านมามีช่วงหลังๆเนี่ยลูกต้องฟังพรีเซนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วบางอานลูกแคชอัพไม่ได้อะเจ้าขาอาจารย์มันเป็นเพนพอยมันเป็นเพนจอยในการทำงานของเราลูกก็เลยมองว่าถ้าเราไปฝึกมันก็จะทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นแบบว่าเราไม่ต้องไม่ต้องแบบ<า>เกิดอาการที่เราทํางานได้ไม่ดีอย่างเงี้ยเจ้าขาอาจารย์ได้เพื่อเพื่อเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เสริมความอยากจะเลื่อก้าวหน้าลูกในหน้าที่การงาน อันนั้นลูกไม่ค่อยมีแล้วเจ้าค่ะมันผ่านจุดนั้นมาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ที่ที่เคยอยากได้ตําแหน่งอยากได้อะไรแล้วเขาไม่ให้แล้วเกิดอะไรคือถูกวัดตรงนั้นมาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. นี่ก็คือทํางานเพื่องานเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ให้คนที่เขารับงานต่อจากเราหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเราเนี่ย mm hmm. เขาเขาไม่เดือดร้อนเพราะเราหรือว่าได้รับ พ, พอเรา ตั้งใจทํางานแล้วงานเราคอมพีเอร์ค่ะอาจารย์เราก็สบายใจแค่นั้นเองเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราอย่างเงี้ยนะะก็ดีก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเห็นแต่ว่าเราอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คงจะทุกทุกอาจจะเกิดนิดหน่อยตรงที่แบ่งเวลาไปเจ้าค่ะพระอาจารย์มไม่ได้เวลาปฏิบัติน้อยลงอันนี้อาจจะเกิดนิดหนึ่งเหมือนที่เหมือนที่เคยมีปัญหากับการทํางานว่าอยากปฏิบัติมากกว่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นทํามเลยก็ได้แต่อย่าไปทุกข์กับสิ่งที่เราทําแล้วกันอ๋อเจ้าค่ะะจได้เจ้าค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ ก่อนหน้านี้ลูกเคยสวดมวนออกเสียงยาวๆแต่ระยะหลังพอพอพระอาจารย์แนะนําให้พุโทโธมันมันไม่อยากสวดออกเสียงแล้วมันไม่ผิดใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันไ ม, ไม่ผิดแล้วไม่ผิดให้มันอยู่ในใจนะดีที่สุดค่ะเพราะว่ากลายเป็นว่าเราสวดในใจคือพอดีลูกก็เลยเลือกบทที่ลูกสวดในใจได้มาสวดก่อนอนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเจาา้าค่ะอย่างเส้นธรรมะจักอย่างเงี้ยนะก็เป็นเหมือนพุทโธนะแต่ว่ามันมีหลากหลายเหมือนอาจจะทําให้แม่เบื่อ มันกับพุทโธที่มันรู้สึกเบื่อซ้ำๆนะใช่เจ้าค่ะเพราะลูกสวดยาวๆมีตลิทในการชอบสวดยาวๆมาใช่ค่ะค่ะแล้วก็ออีกอันนึงเรื่องเป็นเรื่องของเพื่อนขออนุ ญ, ญาตนะเจ้าคะ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนที่สนิทกันแล้วเขามีพี่สาวที่ชอบปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วพี่สาวเขา มีเคยมีดตำรีแต่แต่เรื่องมันจบไปแล้วเจ้าคะแต่ลูกอยากจะทราบ ว, ว่าถ้าเกิดกรณีนี้มันจะทํำยังไงก็คือเขาอะอยากจะลาลางานแบบไม่เอาเงินไปบวชสมเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอะมีลูกมีลูกมีมีสามีคือเขาอ่ะลูกสาวเขาเนี่ยก็คืออยู่มปลายแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็มาขอให้เพื่อนของลูกเนี่ยช่วยดูแลลูกสาวเขาให้แต่เพื่อนของลูกไม่ไม่พร้อมที่จะรับดูแลแล้วเขาก็ ไม่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วสามีของเขาก็มีภาระคือพ่อของสามีนี่ป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นสภาพอย่างเงี้ยเขาควรไปบวชไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่รู้มองว่ามันมีหน้าที่ทางโลกอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นเรื่องของเขาคือ <c oughs> จะมองในแ ง, ง่ทางไปทำธรรมด้านมันก็ดีแต่มองอีกแง่หนึ่งถ้ามันทําให้เราบกพร่องในทางโลกมันก็ยังไม่ดี มันมันถือถือว่าเพราะลูกมองแอบมองคือเหมือนกับว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะ้ค่ะถ้าไปแบบแบบมไม่แช่มน้าไม่ฝุนได้จะดีกว่าเลยถ้าบ้านก็มีคนดูแลรับผิดชอบต่อเราไปก็เหมือนกได้ไปแล้วก็จะสบายใจด้วยจะไม่มีอะไรข้างทางอยภายในใจถ้าไปแบบทิ้งภาระไว้ด้านหลังเราไม่รู้ว่าใครจะดูแลหรือไม่อย่างไร ก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคหัวใจก็อาจจะไปมีความรู้สึกผิดในใ น, ในภายหลังก็ได้ให้เราทิ้เข้ามาหรือเปล่าเราปล้อยเเดือดร้อนเราไม่รับผิดชอบหรือเปล่าอะไรต่างๆเรงทางที่ดีคนที่จะเครียรปัญหาให้มันเครียรก่อนดีกว่าถ้ายังมีปัญหาข้างๆอยู่มันยังไม่ควรไป เพราะจริงๆถ้าเราไปเหมือนเราจะไม่สงบด้วยใช่ไหมเจ้าคะพ่อใช่มันมีความอ่อนมันกมความติดทางใช่ไหมต้องคือตอนที่คิดตัดสินใจมันาจจะคิดแบบมุมแคบๆมาอยากจะไปอย่างเดียวใช่แต่พอไปแล้วมันมีเวลามานั่งที่อีกทีนั้เราที่เรามันไม่ดีนะเราทิ้งทุกอย่างไปเราใครจะดูแลเขาเพราะเพื่อนของลูกก็ก็ถามลูกไหครับเพราะลูกเป็นคนปฏิบัติใช่ไหมเจ้าคะเขาก็บอกบอก เขาก็ถามลูกๆ ก, ก็ให้กับความคําแนะนาํากลางๆไปแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ไปถามพี่สาวว่าคืออันนี้คือคุณหนีทิ้งไปแล้วคุณมั่นใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ, อาจารย์แล้วเหมือนกับว่าหนีปัญหาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขามองมองประมาณค่ะเ응ขาลูกก็เลยไม่ไม่ได้ยุ่งนะเจ้าค่ะแต่แล้วแต่เขาขอ่ะเจ้าค่ะแต่ลูกแค่แบบว่าถ้าสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นกับใครแล้วมันควรมันจะยังไงอย่างเงี้ยควรจะไม่ทให้ครหนึ่งก็ เ, เดือดร้อนทนนี่สุนเวลาเราตัดสินใจทําอะไร เือเดือดร้อนในทาภาระหน้าที่ที่เราบวชพ้อง<ฆ>แต่เขาเดือดร้อนเพราะความไม่อยากในใจเขาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้บ<ฆ>างทีเขาไม่อยากให้เราบวชเราไปบวชนี้เขาเดือดร้อนอั<ฆ>นนี้เดือดร้อนทางทางทางที่เลนนี่ก็ช่วยไม่ได้<ฆ>แต่ละเรายังมีหน้าที่เลี้งดูเขาอยู่พอเราไปบวชเขาก็ไม่มีใครดูแลเขาเพราเดือดร้อนเขาอดอยากขาดแคลนนี้ก็ไม<ๆ>่ถูก ค่ะแล้วพอดีแฟนเขาก็มีภาระที่คุณพ่อป่วยด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือเหมือนกับว่ามันขาดคนน่ะเจ้าค่ะแสดงว่าเขายังเขายังไม่พร้อมที่จะไปร้ภาระหน้าที่เขายังมีอยู่ก็ต้องหาคนอื่นมารับช่วงไปให้ได้ก่อนเพียงแค่ไป เหมือนที่พระอาจารย์เคยแนะนำลูกว่าถ้าสมมติในบ้านไปพ่อแม่ยังต้องให้เราดูแลก็อาจจะหาเงินจ้างคนมาดูแลแทนแล้วไปเยี่ยมผังอบบนั้นคือเราเสร็จแบบเราขาดใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มีคนทําหน้าที่แทนเราได้ก็ไปได้ค่ะอ๋อโอเคเจ้าค่ะแล้วก็สุดท้ายลูกลูกอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าสมมุติว่าถ้าลูกอยากถ้าหมดโควิดแล้วลูกอยากไปปฏิบัติที่วัดพระอาจารย์นี่ต้องทำยังไงอ่ะเจ้าค่ะที่วัดอาจารย์เาก็จะให้มาทักอยู่เป็นหอทักบงนี้ แล้วก็นุ่งขาวหกขาวถือสิงแต่แล้วก็เขาไปก็จะให้ลงบสถเช้าเย็นไปพระส่วนวนั่งสมาธิส่วนเวลาอื่นแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในที่พของเราแต่ที่ที่พเป็นเป็นไม่ใช่กคนเดียวใช่ไหมถ้าต้องการคนเดียวนี่มีที่หนึ่งก็อยู่ที่บนเขาเชียงอ่ออยู่หางจากวัดประมาณ3กิโลเป็นที่ของป่าไม้แต่เขามีบ้านพับให้เราไป อาศัยใช้ได้แต่เราก็ต้องช่วยจ่ายค่าน้ำํำค่าไฟค่าค oh. ่าใช้ใจ่ายเป็นบ้านเดียวมีอยู่ในในป่าแต่ก็มีทุกอย่างพร้อมมีน้ํามีไฟมีตู้เย็นมีมีไมโครเวฟพ่า oh. ที่นั่นเขาจะให้เร า, าหาอาหารของเราไปเอง oh. เตรียมอาหารของเราไปเองอ๋อก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลย oh. อันนั้นก็ดีจ้าขาพัชสนใจก็ ต้องติดต่อคุณคุณคุณหล้าก็ได้คุณห้าก็เคยไปทําอยู่บ่อยบ่อยอ๋อเจ้าค่ะเดี๋ยวมีมี ม, มลายส่วนตัวคุยกับคุณหล้าอยู่แะ่ะถามคุณหล้าก็ได้ไ่องจาก <ๆ S 1> ที่ปีกวิเวก็ได้ใช่ไหขาเขาเาว่าอยากอยากอยากดูว่าคือมีที่พระอาจารย์แนะนาว่าให้ไปปีกวิเวกค่ะอยากปีกจริงจริงเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่นแหละก็ต้องไปที่บนเขาใช่ค่ะ แต่ค น, คนที่ยังกลัวอยู่ยังต้องอยู่กับกลุ่มก็ อ, อยู่ที่บ้านไปก่อนอย่างนั้นพว ก, พวกที่ถือศีลแปดนี้มาบวชชีภาพอันนี้พวกนี้ก็ยังเพิ่งเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่รู้เรื่องนภะาวนาก็ต้องอาศัยจับกลุ่มนั้นไปก่อนเจ้าค่ะค่ะของลูกหมดแล้วเจ้าค่ะมีขอโอกาสของคุณป้าที่อยู่ทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคือคุณป้ากับ ฝากกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะมีสองท่านมีสองสภาวะเจ้าค่ะสภาวะแรกคือท่านเนี่ยขณะนั่งสมาธิเนี่ยบางทีมีขึ้นมาว่าเมื่อย้อนกลับไปว่าเมื่อวานพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปพิจารณาก็พูดผิดจริงๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วอีกสภาวะหนึ่งคือระหว่างวัน พอจะคิดไม่ดีก็มีความคิดหนึ่งขึ้นมาเตือนเช่นว่าอันนี้จะเป็นการปา마ดพระพอริยะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านถามว่าความคิดที่มันขึ้นมาอันนี้มันเป็นสัญญาความคิดปรุงแต่งของเราหรือมันเป็นการเตือนจากสภาวะธรรมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์เป็น น, น, นี้จํารย์ทกข์กันนะแต่เป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดดับเกิดแล้วกดับไปถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจแนั่นเอง แล้วงไปไม่ต้องไปคำว่เ <c oughs> ญญาเป็นสัญญาแล้วเป็นร่างฐานไม่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ปฏิบัติชมัน้ยทีปฏิบัติก็คือมันไม่เท่เป็นไตรละัะษณ์ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะขึ้นมามันขึ้นมาก็ปล่อมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นอนิจจเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเป็นความคิดที่ดีก็เอาอไปใช้ประโยชน์อย่างเนี้แถ้าถ้าเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้ก็ข่าขพาดจัง ถ้าเป็นความคิดไม่ดีก็อย่าไปใช้มันเจ้าข่าเจ้ขาข่พระจันทร์สำหรับลูกวันนี้มีเพียงเท่านี้เจ้าข่าพราะจันร์กราบขอขอบคุณเจ้าข่าพระโอเคคุณก็กาแฟจักสุราชมีคำถามไหมเปิดไหม่ก่อนยังไม่เปิ ด, ดนักมรดการครับเอ่อม า, มาเลย ครับวันนี้ก็รักษาสิ่งแวดล้ครับรอที่จะถามคําถามเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามีที่พักคือปกติผมจะไปภาวนาที่วัดหลวงปู่จเรียนนะครับวัทําสหายครับอถ้าถ้าสะดวกยังไงหรือว่าคือผมเป็เพื่อนอยู่พัทยาครับผมอาจจะแวะไปอยู่บนเขามีที่พักผู้ชายไหมครับผมก็พอมีบ้างแต่ไม่มากต้องแล้วแต่จะร่วมงานช่วงว่าช่วงไหนมีถ้ามีคนมายเยอะลงทีมมันก็เต็ม ครับถ้ามีโอกาสครับเดี๋ยวจะขอไปครับก็ตอนนี้ถือศีลก็ไม่มีอะไรครับก็คือกำลังจะหาตอนนี้มีศีแล้วมีศีนเป็นพื้นฐานแล้วก็กำลังจะหาวิธีเข้าสมาธิอยู่ครับเพราะเมื่อก่อนเข้าได้เยอะแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ครับก็แต่ว่าเวลารักษาศีนนะครับจะมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาต่างๆในแต่ละวันนะครับมันมันมีอยู่ครับก็พยายามฝึกสติบ้า พยายามจะก้าวสมาธินี่ต้องมีสติคอยควบคุมคอยหยุดความคิดไว้ให้ได้ครับวันนี้ก็ปรึกษาปรกเพื่อนนะครับสนทนาธรรมกันนะครับก็ได้ได้ยินว่าเพื่อนนะเอ่ะได้เห็นอสุภานิมิตคือเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกครับก็พยายามให้กําลังใจ ว, ว่านั่นแหละดีแล้วบอกว่าให้พาวนาต่อไปเพราะว่าเป็นบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยเคยทํามาก่อนเพื่อนก็คิดว่าตัวเองมีอนุบาลแต่ก็คือให้กําลังใจเพื่อนไปนครับ คือความจริงการดูสะ้านนี่ส่วนใหญ่ต้องดูคนที่เรามีการมาหลงด้วยใช่ครับเขาเขาเขาแฟนเขาเห็นเขากับแฟนเป็นโครงกระดูกครับผมดูตัวเขาเขาป็นโค้งกระดูกว่า ไ, ไม่เป็นหลักการมารักครับของเขาต้องเห็นเค้งกระดูกในแฟนับแฟนหรือคนที่เราเปหลงมากข้างขใค่อยากจะมีอะไรด้วยอย่างนี้เราเห็นว่าเป็นโค้งกระดูก ใช่ครับพี่เหมือนเขาเขาทำบุมาเยอะแล้วแต่เขาไม่มั่นใจผมก็บอกนั่นแหละดีแล้วให้ให้เอาไตตัวนั้นจับเป็นนิมิตแล้วก็ทำเป็นเผาไปเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยได้อสุภาษณนิมิตเหมือนกันครับแล้วก็พิจารณาครับแต่ก็ไม่ได้ควนรู้ทำนะครับอาจารย์ดีก็ทำไปพิจารณาว่าร่างกายเรามันก็เป็นแค่อาการสาอุสมีโครงกระดูกมีน้ำวุนหอบครงกระดูกมีอวัยวะต่าง ที่ในที้สุดก็จะต้องถูกเผาตายเป็นเท่าฐานไปก็ได้ขนานี้ก็เป็นการเจริญมอนานวิสติไปครับตอนนี้ก็คิดถึงความตายครับผมเพราะว่าถอาจารย์บอกคิดถึงความตายคือผมได้มีโอกาสแบบว่าไปขอตอนแรกปเป็นจอวัคซีนที่แบบว่าเขา ของรัฐเขาจะฉีดกันนะครับจองแล้วจองไม่ได้โมเดอร์นาครับจองแบบได้ได้สิทธิ์แล้วแต่ว่าก็จองไม่ทันคนก็แย่งกันที่เนี้ยก็เลยไปขอวัคซีนของสารสุขได้ซิโนแวคบวกแอสตราครับแล้วก็โทรไปถามเออไลน์ไปถามอาจารย์หมอที่มอ อ, อมอสงขาครับว่ายังไงหมออาจารย์บอกว่าไม่รับรองผมก็รู้พอๆกับพวกคุณเลยเนี้ยผมก็บอกว่าเออฉีด ก, ก็ได้วะอย่างตายอย่างน้อยเรามีศีลเรารักษาศีลอย่างน้อยเราก็ได้ไปสวรรค์ครับอาจารย์ ก็พิจารณาอย่างนี้ไปครับได้ก็พิจารณาเพื่อควอามวางคำถามอื่นผมก็ไม่มีแล้วครับเดี๋ยววันพักเดี๋ยวฝาบเพื่อนไปแล้วครับว่าตักบาตกับพระอาจารย์ครับได้นะสาธุครับ <c oughs> คุณหมอภาะสนาต่อเลยคุณหมอค่ะนมัสกัดจากพระอาจารย์สวัสดีคุณบอยคุณหลาคะ่ะวันนี้มีสามคำถามกับพระอาจารย์ค่ะคําถามแรกนะคะพระอาจารย์ก็คือว่า อืจริงๆตอนช่วงนี้พอเราดูเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตเนี่ยเราก็ทําข้อสอบในชีวิตประจําวันทุกวันใช่ไหมครพระอาจารย์ก็คือดูว่าเวลามีอะไรมากระทบแล้วจิตนิ่งอันนี้เป็นคือการทําข้อสอบของขอ ง, ของการดูวัดของจิตหรือเปล่าพ ร, พระอาจารย์ก็ดูว่าจิตเราเนี่ยงหรือจิตเราหงุดหงิดหรือรำคาญอะไรอย่างเงีถ้ามันหงุดหงิดรำคานก็แสดงว่ามันทุกข์ก็ต้องพิจารณาว่ามันหงุดหงิดเพราะอะไรอยากได้อะไรอยากให้เป็นอะไร เราหยุดความอยากนั้นเราเงินหยมันก็จะาหายไปเป็นการทดสอบว่าแสดงถ้าเรานิ่งขึ้นเรื่อยๆคืออย่างอาทิตย์นี้ก็คือจะนิ่งขึ้นเวลามีอะไรกระทบมันเจอเหมือนกับว่าไม่ไม่รู้สึกอะไรจักเติมที่มันแปลว่ามันก็คือดีขึ้นเราก็ดูจิตตรงนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เราก็ละเอียดแล้วก็ดูค่ะคือหรือว่าจิตเนีดีขึ้นแล้วก็ความโลกความข้อสอนะครพระอาจารย์ความโลบความโกรธความลงเนี่ยจริงๆคือถ้าเกิดว่าจะให้มันมอ ง, มองก็คือถ้ามองตัด ปรทธางขันท่าแล้วก็ค้นหาความยากเนี่ยท่านเราละไอขันท่าทั้งนามขันรูกขันเนี่ยมันจะทำให้โรกปวดลงเนี่ยมันมันคือมันจะเหมือนกับว่ามันไม่มันไม่ยติดแล้วอ่ะมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์คือเหมือนกับลังหายวิธีที่แบบทําให้มันหายไปจริงๆก็ต้องคอยดูว่าเราอย่างนอบอย่างอยากได้อะไรอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไปดูตัวชื่อเมตนาสัญญาสังขาร ดูของจริ ง, งเจวลาเวลาเราเห็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นคนนั้นก็มีอย่างนั้นมีอย่างนี้เรายัางอยากได้มันคำว่าอะไรดังนั้นก็ความโลภ ก, ก็ไม่ไม่มีแล้วพระอาจารย์โลภโกรธก็คือดีขึ้นเยอะเลยก็คือสิ่งนิดน mm ึง hmm. ก็เหลือความหลงก็ความหลงก็คือยังใช้อุปทานขันธ์หาใช่ไหมควาหลงนี่คือใช้สมาธิทิศใช่ไหมคะพระอาจารย์ดูว่าคือให้ลองพิจารณาสมาธิฐิตอนเดินจงกร ม, มตลอดมันจะได้ตัดละได้หมดเลยให้เห็น mm hmm. ทุกอย่าง คามหลงก็คือเห็นวอาทุกอย่างไม่มีตัวตนสเปชั่มานะจ๊ะไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอันนี้คือเราเราเข้าใจตรงนี้เราเห็นแล้วตรงนี้แล้วมันจะทดสอบว่าเราเห็นเพราะมันมีมีข้อสอบอะไรไหมอาจารย์คืออเนี้ยรู้สึกว่ามันเราเข้าใจหมดเลยแต่ว่าเอ๊ะมันมันยังไม่เจออะไรจริงๆก็เลยไม่รู้ว่ามันยังหลงอยู่น่าจะยังหลงแน่เลยก็ อ, อย่างที่บอกว่า แต่เราไปอยู่แบบนอนกระเด็นกิกระส่ายนูสะพัดมาเหนืออาจารย์น อ, อ, อนไวยนอนกระเด็นกินกระสายถ้าเราทำไม่ไปถ้าไปานั่นเรายัางกลับมาอยู่ที่บ้านอ๋อก็มันออกหรวยมันชั่วข่าวไปแล้วแล้วเวลาราอยู่แบบแบบรยาวดูบ้างเรากลับมาบ้านเนี่ยแสดงว่ายังติดบ้าน ติดบ้านก็เดินชมกลมแลพออาจารย์ทำบ้านเป็นวันนะคะมาตอนนี้ยพอะออกไก็้แหก็ก็ถึงบอกก็เล่าให้ฟังได้เลยเข<ช>้าใหมออยายอมรับการจริง้วยไหมก็อีกเรื่อง่ได้เ้าใจแล้วพระอาจารย์แล้วก็อันสุดอันสุดท้ายอ่ะพระข้อสุดท้ายพระอาจารย์คือช่วงหลังๆอ่ะบางทีพอเรานั่งปุ๊บ ยิ่งถ้าเกิดสมมติช่วงเช้าหรือว่าช่วงที่นั่งตรงใต้ต้นไม้เนี่ยบางทีนั่งแล้วมันมันสงบมันนิ่งมันมันไม่มันไม่เห็นลมแล้วก็สามารถที่จะนิ่งไปก่อนได้เลยใช่ไหมพระอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราคิดอะไรเราเข้มาดูลมใช่ไหยครพระอาจารย์เพราะมันเหมือนกับมันมันมันนิ่งไปตั้งแต่พอตอนเริ่มนั่งปุ๊บมันก็นิ่งอย่างเงี้ยครัพระอาจารย์แล้วนิ่งมันก็ไม่ต้องดูอะไรก็ได้ถ้ามีสติคอยควบคุมให้มันนิ่งถ้ามันไม่นิ่งก็ใช้บุตรแล้วดูลมหายใจไปให้มันกลับไปนิ่ง ได้เนี่เข้าใจแล้วคะก็ก็ทำอย่างนี้สลับกันกับปัญญาค่ะอาจารย์ได้กับอาจารย์รอวันเพรว่าตอนนี้โควิดกระจายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปถ้าไม่อยากได้อย่างๆมันมันต้องอยู่แบบไม่มีอะไรเลยอนนี้มันยังยังมีสามียังมีลูกยังมีบ้านยังมีอรอย่างยมันก็แสดงว่ามันอยากในสิ่งเหลนี้อยู่มันถึงมีอันยังหลงอ๋อคือยังหลงใช่ไหมฮะถ้ามันอกีที่เขาบอกว่าเราก็ต้องดูแลคือยังคือลูกเนี่ยถ้าเกิดสมมติจบแล้วเนี่ยเราโอเคเลยนะครับอาจารย์คือถ้าลูกจบเนี่ยเราหมดละ เพอย่างของสามีเนี่ยถ้าเกิดพอเสียณปุ๊บเนี่ยก็คือการปฏิบัติทําไปด้วยกันคือจริงๆตอนเนี้มันคือเหมือนกับว่าเราลอลูกให้ให้ยืนด้วยตัวเองได้ก็พอจบปริญญาก็น่าจะโอเคแลหละก็ยังเยึดติดอยู่ความลูกเอย่างยังอยากให้ลูกจบปริญญาอยู่อ๋ออ๋ออ๋อท่คนบอกคุไม่มีความอยากไม่จริงแ ต, แต่คุณมองไม่เห็นนะความอยากของคุณนี้เป็นยังไงคุณมองในส่วนที่คุณไม่อยากแต่ส่วนที่คัณอยากคุณมองไม่เห็นนะอืมอ่ะก็เลี้ให้เห็นนั่นึอง คำต่อไปค่ะพระอาจารย์นะค่ะใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่อยากจริงๆริงมันต้องอยู่กับความว่างได้อยู่กับความไม่มีอะไรทั้งหมดได้ไม่มีสามีไม่มีลูกไม่มีบ้านไม่มีอะไรเป็นคนลเอเียเล่นร่อนพนพนิพนจรในภาพนี้ท่านเป็นคนแบบลเอีร่อนไม่มีที่ที่อยู่เป็นหลักก็แล้วถ้าแทะท่านจะอยู่แบบนั้น อ, อยู่ตาม คนมาอยู่ตามอะอะไรต่างๆเนี่ยที่อันนั้นแหละเป็นคนที่ไม่มีความอยากจริงหลายคนที่ยังมีอยู่กับรถยังอยู่กับบ้านอยู่กับทีวีอยู่กับนู่นอยู่กับนี่แล้วก็ยังบอกฉันไม่มีความอยากเพราะมันมีพอแล้วมันก็ไม่อยากใช่ไห ม, ไม <laughs> อันนี้พูดเราให้ฟังให้เปรียบเทียบให้ฟังจะได้คิดมุมกลับบ้าง เราไม่มองแต่หน้าเดี๋ยวว่าเราไม่อยากได้นู่นเราไม่อยากได้นี่แล้วสิ่งที่เรามีเติมไปหมดนี้มันเป็นของอะไรก็มันมีอยู่แล้วอค่ะเข้าใจแล้วพ่อจานแต่นี่ก็คือสินแปะแล้วนะคะพาอาจานทุกวันแล้วนะคะแล้วก็กี่ครั้งก็คือยอมอดกับมือเดียวแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วด้วยพ่อจานคือสบายได้แล้วโอเคมีอะไรไหมหมดแล้วไหมของเตาโอเคค่ะ คุณมาเล็ตตามาเล่นกล่าวธรรสารครับหลวงพ่อหลวงพ่อคมตลอดเลยครับวันโอเคเก่งได้ยินวันนี้ได้ฟังเทศของหลวงพ่อว่าความสุขจากการไม่มีอะไรแล้วหลวงพ่อก็อธิบายว่ามันสุขยังไงผมก็เลยเออใช่ผมก็เลย เ, เ, เอามาพิจารณาตัวเองแต่มีคำานึงขึ้นมาบอกว่าเรามีสมบัติอย่างหนึ่งคือสี่ลักษสมบัติคิดอย่างนี้ได้ไหมครับหลวงพ่อ ได้เงิงก็เป็นสมบัติของเราทานก็เป็นสมบัติของเราภาวนานก็เป็นสมบัติของเราเงิงทานศีลภาวนานจะให้ความสุขของเราเหมือนกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินธรรมที่ให้สให้ความสุขกับคนที่เขายังมีความต้องการทรัพย์สมบัติเข้าของเงินธรรมผมรู้สึกพราะว่ายิ่งเราถือศีลเท่าไหร่เรายิ่งมีความเป็นความกล้าหาญในจิใตใจมากขึ้นเท่านั้นเกี่ยวไหมครับหลวงพ่อเกี่ยว ก็เมื่อเราไม่ทำผิดอะไรผิดเราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปหลบไปซ่อนไปอะไรไปปกปิดอะไรปีนั้สมบัตินี่มีอนุภาพมากเลยใช่ไหมครับผมงพ่อถ้าเป็นเป็นสมบัติที่จรักษาความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเบื้องต้นทำให้เราไม่ไม่ไปเกิดในอบายแล้วก็มีเรื่องหนึ่งคือ เวลาคิดถึงความตายแล้วผมจะมีความสุขเพราะเพราะบางทีเรารู้สึกความอยากคอกทมผิตใจแต่เมื่อนึกถึงความตายปั๊บความอยากนั้นมันเหมือนกระเทาะออกไปไหลายตัวเลยรู้สึกเบาขึ้นเลยอย่างนี้นใช่เพราะควา ม, ว ค, วามความอยากทําความหนักอกหนักใจให้กับเราพอเราพิจารณาความตายความอยากหมดหายไปใจก็เบาขึ้นมาสุขขึ้นมา ก็เลยนึกว่าเมื่อก่อนภาวนาต้งแบบยี่สิบกว่าทีจะได้รับความสุขกับสมาธิทุก ว, วันนี้ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีก็ถือว่าเราคุ้มค่าการเหนื่อยในการฝึกมากกว่าจะใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆเลยทำให้เรามีกำลังใจในการฝึก ข, ขึ้นไปครับผมแล้วก็จะถามขอสอบถามเรื่องการคิดทางโลกยิ่งคิดเท่าไหร่ก็ยิ่งฟุ้งไม่สงส่วนทางธรรมยิ่งคิดยิ่งสงบลงมาสู่ใจ แล้วคนที่เขาบอกว่าทางโลกกับทางธรรมให้ทําเป็นเรื่องเดียวกันนี่มันคื อ, อยังไงครับผมอันนี้เราก็ไม่รู้ต้องถามก็กอยู่คมันโคจรเรื่องเนี่ยว่าเป็นเรื่องเดียวกันได้คือก็สงสัยว่าทําเป็นขอ ง, ของโมหัมันเป็นอาจจะเป็นโลหันะอือะ การที่เรามีกัลยาณมิตรแล้วเราพยายามหวังดีกับเขาแล้วแบบเหมือนเขาไม่ค่อยฟังเราเราควรหวังดีกี่ครั้งหรือเกมอะไรถึงจะเลิกขอหวังดีหวังดีได้ตลอดแต่เราไม่ต้องดําเนินการอะไรทั้งนั้นเองถ้าก็ไม่ต้องการรับความปรารถนาดีของเราเราก็หวังดีภายในใจไปครับขอหวังดีเรื่ไม่ต้อง ไ, ไม่ต้องไปตัดเขาใช่ไหมครับหนุ่มไม่ต้องตัดเขายัางเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราตัดการดําเนินการของเรา ในเมื่อเขาไม่ยินดีรับการเสนอนะอะไรของเราเรื่อคอนมเชื่อของเราแล้วก็นับส่วนนั้นไปแต่ความยินดีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมความมัธยนาดีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคำว่าเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียใจนี่เป็นของหลวงตาใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราจะโกรธจะเกลียดใครจิตใจของเรามันมีค่ามากกว่าที่จะไปโกรธหรือเกลียดใครมากกว่านั้นเพราะใจเรามีค่ามากที่สุดคี่เย่นงถูกไหมครับหลวงพ่ใช่เพราะาเราไปโกรธเกลียดใครเราเป็นคนทุกข์ไม่ใช่เขาคนที่ถูกเราเกลียดเขาไม่ได้ทุกข์อยากการเกลียดขเขาแล้วก็คนที่มีเมตตาความรับเต็มเตี่ยมในหัวใจจะไม่สามารถมีความเกลียดเข้ามาใ น, ในใจิตใจได้เลยอันนี้จริงไหมครับ ถ้าเป็นความเมตตาที่แท้จริงก็ใช่เพราะคนที่มีความเมตตาจะให้อภัยกับทุกคนความเกลียดชังจะเข้ามาแทรกไม่ได้เพราะว่าเมตตาและสมาธิดิดใจจะเต็มความเมตตากละความเกลียดชังมันอยู่ในคนละด้านไงเหมือนเมือม่อยกสว่างนี่ถ้ามันสว่างมันจะเมื่อยได้ไหมอ๋อครับข้อสุดท้ายครับทําไมความอยากในการปฏิบัติธรรมอารมณ์ถึง ่านจากการไปทําทีสิทธิ์ให้เสร็จอะไรแบบนี้ครับหลวงพ่อต่างยังไงดีือไม่รู้เหมือนเหมือนทำยังไงดูเวลาปฏิบัติทำแลรู้สึกมันเป็นสงบแต่พอไปทําทีสิทธิ์ให้มันสําเร็จรุ่นล่วงอะไรแบบนี้มันรู้สึกกังวลใจแทนอะไรก็รู้สางพามเป็นจริงแล้วตอนเป็นอย่างไง เหตุพุดโทลเป็น ญ, ญาวิเศษจริงๆครับหลวงพ่อไม่ว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ใช้พุดโคลโอเคแข็งใจคุณเอกเชิญเชีย ง, งรายการรำมรสการพาระจังครับเป็นยังไงมีคำถามไหมด้เหมือนเดิมยังไม่ได้เปิดไมคเพิ่นไม่ได้ เ, เปิดไหม้ไหน อันนิ้วอ่านนิ้วคำว่าอันนิ้วอ่ากล่าบนวัตการมพระอาจารย์ครับผมอ่าครับวันนี้เอ่อเข้ามารับฟังพระอาจารย์ครับก็ไม่มีคํำถามครับแต่ก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันครับพระอาจารย์เหมือนเดิมครับได้คนจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นได้ไม่ดีถ้าทําเดิมมันก็อยู่ที่เก่าประหยัดใช้เงนก้าวหน้าก็ต้องเพิ่มครับผมก็ที่จริง ที่จริงัวตั้งใจว่าเข้าพรรษานี่จะไปนอนวัดแต่ว่ามาติดที่เป็นโควิดเนี้ก็เลยก็เลยก็เลยปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะครับอาจารย์ปฏิบที่บ้านอาจจะเพิ่มมาตรการการปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้นก็ได้ครับผมเพราะช่วงนี้ก็ก็นั่งตอนเช้าก็อยู่กับเวทนาก็อยู่ได้แต่ก็มันก็ไม่ไม่หายเลยก็อยู่กับมันได้ครับอาจารย์อืก็อยู่อับตัวครับไปเวลาจะคไายเรื่องป่จะได้ไม่ทุกข์ ครับผมก็ก็อยู่ได้แต่ว่ามันยังมันยังไม่หายไปเลยนะะก็ก็รู้ว่าเป็นเวทนาก็รู้รู้อยู่อ่ะครับเวทนาไม่หายนะแต่ที่ความไม่สบายใจหายเราต้องการตัวนี้แหะครับโอ้คผมครับผมครับเออมันมีแบบพระอาจารย์ครับเวทนานี่มันเกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจใช่ไ้มพระอาจารย์ก็เกิดขึ้นทางกายนั่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ทางใจก็เกิดจากกิเลสตัณหาของเราอืมแต่ถ้ามันเกิดทางกายนี่เราก็พิจารณาลงที่ภระไตรลักใช่ไหมครับอาจารย์ได้ว่าเราไปไปควปบคุมบังคับไปสั่งให้มันหายไม่ ไ, ได้มันจะอยู่ก็ต้องให้มันอยู่ไปนั่นเป็นทาให้ความความทุกข์ทางใจหายไปเพราะใจเราไม่ไปอยากให้มันหายโอ้ครับผมแต่แต่ถ้าเกิดทางใจนี้เราใช้อริยสัจสี่เหรอครับใช่เราก็ต้องพิจารณาว่าเราเราเร า, เราอยากกับอะไรอืมครับ Holy, ความอยากมันทำให้เกิดทุกข์ใช่ไหมใช่อยากให้โควิดหายไปนี่ก็ทาให้เราไม่สบายใจนครับผมครับผมครับผมโอถ้ามันอยากมันเกิดทุกถ้าเกิดทุกมาล้วก็ใช้มักใช้ศีงสมาธิปัญญาเข้าไปเข้าไปเพ่อะมาว่าเราเราสั่งให้โควิดมันหายได้หรือเปล่าครับสั่งไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปก็ปล่อยมันอยู่ไปครับผมเราก็จะไม่ทุกข์กับโควิดครับผมครับผมครับผม ครับเข้าใจแล้วนะเข้าใจครับเพราะอาจารย์ครับกับผมคุณอาจารย์อย่างสูงครับครับเจอคนเวรยาเชิญเวรยาอยู่ที่ไหนใครเข้ามาแล้วยังไม่ทันอ่าเข้าเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วค่ะอยู่ออสเตรเลียค่ะมามนามัสการค่ะก็เอืมอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์แนะนําว่าให้พยายามอยู่กับอสมาธิให้ให้ให้ดี สิ์ก็ฝึกทุกวันเลยค่ะนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับพยายามฝึกสติตั้งแต่เช้าแล้วก็นั่งสมาธิก็อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆพยายามให้ได้นานที่สดุดค่ะแล้วรู้สึกสงบขึ้นไหมเบาค่ะสงบค่ะก็พยายามจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะความคิดความอยากเป็นตัวทำให้เราหนักอกหนักใจ พอเราใช้ฟุตโทรหยุดมันได้ใจก็เบาใจก็สบายขึ้นมาค่ะใช่ค่ะก็การนั่งทุกวันเลยค่ะฝึกทุกวันเลยค่ะทำให้เป็นนิสัยนะทำให้เป็นนิสัยแล้วมันจะติดไปกับเราทุกภพทุกชาติต่อไปค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะถือศีลแปดค่ะอยู่บ้านเพราะว่าที่นี่ล็อกดาวน์ได้ดีใช่ค่ะล็อกดาวก็จะถือไปเลยอยู่เมืองไหนอยู่แมวเบอร์นัชิน อยู่ซิดนีย์ค่ะก็จะเข้ามาฟังพระอาจารย์ตลอดค่ะจะได้ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยได้ในเพจก็มีทำมาให้ดูให้ฟังให้หนอยู่ทุกวันค่ะฟังฟังตอนอ่าตอนตอนเทปทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะเข้าทุกวันเลยก็ไม่มีอะไรค่ะแค่กรมมกาบ รายงานได้สาธุสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์คุณบริสจากบะยองนะคุณบริสเชิญเก่าวนมัธยการพระอาจารย์จเจค่ะค่ะอะไรไหวันนี้ก็ขอถามต่อนิด น, นึงเรื่องเวทนาเจ้าค่ะใช่พระอาจารับว่าแค่ให้เราไม่ทุกกับเวทนานะคะพรอาจารย์หก็ปฏิบัติตาม มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ผ่านให้มันสงบลงอีกรอบใช่ไหมคะแค่ทุกไม่ทุกก็พอเขาอยู่กับมันได้อย่าประยาดให้มันหายเราไม่สั่งให้มันหายไม่ได้เมื่อมันไม่ยอมหายก็อยู่กับมันไปเช่นยังเป็นไข่อยู่ก็อย่าประยาดให้มันหายไข่มันจะได้ทุกด้านเดียวไม่ทุกทางร่างกายแต่ทางใจเราก็จะไม่ถูกกับความกับความคำอาการเป็นไข่ของร่างกาย แต่ถ้าอยากให้ใครมันหายไม่ต้องไม่หายใจก็ทุกข์กับใบชั้นหนึ่งนี่ยมันก็สั่งใจให้มันหยุดความอยากนี้ได้หรือป่าเท่านั้นเพราะว่าหนูชอบตรงที่พระอาจารย์บอกว่ามันเหมือนฝนฝนตกแดดออกอะค่ะพระอาจารย์เออเหมือนกันมาว่ามันเป็เหมือนธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราบกกวบคุมไม่ได้เพราะว่ า, น, า, านับตานีนกระบายเป็นธรรมชาตินีงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตน ทุกอย่างเป็นธรรมชาติค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วค่ะมีแค่ไปทำการนั่งนั่งแล้วอยู่กับมันได้นะอยู่กับเมือนกับเราอยู่กับฝนตกฝนตกแลาก็อยู่กับมันได้ใม่ค่ะพระอาจารย์เวามันปวดร่างกายมันเป็นไข้ก็อยู่กับมันไปค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันมันมันถูกน้อยลงมากเลยค่ะใช่แบบว่าเราไม่ได้มีความอยากให้มันหายค่ะ ก็แต่ว่าไม่ไม่มันก็ยังไม่ถึงกับว่ามันหายไปแล้วสงบอีกรอบหนึ่งก็ใช้พื้โทช่วยก็ได้พื้นทรพื้โทรพื้นโทรมันอย่ามาันเน้นสมองมันก็จะหายไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณพระคุณพระรุดาคุณอ้อมอยากสาธิติข่าวแล้วราชการค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ โ <Okay. S 2> อเ<อ>คการปฏิบัตินำเดิมนะค่ะครอาจารย์อย่าย่อหย่อนนะอย่าปฏิบัติต้องรักษาระดับการปฏิบัติไว้ค่ะถอยหลังไม่ได้แต่เดินหน้าได้เดินหน้าเพิ่มได้แต่ลดไม่ได้นะได้ค่ะพระอาจารย์จะนําไปปฏิบัติค่ะเงินเดืนะอนเงินเดือนเพิ่มได้ใช่ไหมแต่ลดไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องคิดว่า คิาเหมือนกัหาเงินนะหาเงินสร้างบ้านนะการปฏิบัติเราก็ต้องนะเราเพิ่มไปเรื่อยๆบ้านจะได้เสร็จเร็วๆถ้าอย่างนี้บ้านเสร็จเรวก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะว่าทำทำโอทีสาววันย่างจ้าค่ะขอบคุณนคุณเจค่ะคุณพีดีต่อเลยคนณพีดีเชิญกทํามอให้คนณพีดีครับ ออกาบนมัตการครับพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมวันนี้คําถามเออวันนี้ไม่มีครับมาร่วมฟังกับพระอาจารย์เฉยๆครับโอเคงั้นเราไปที่ท่านต่อไปนะคุณอ้อมจากบอเวีนคุณอ้อมได้ยินไหมนมัตการค่ะพระอาจารย์ อ, อมีคําถามไหมวันนี้ อ, อวันนี้จะถามเรื่องอริยสัจสี่ค่ะ ทุกสมุทัยก็คือสมุทัยนี่คือเหมือนล า, า ย, า ม, ยามันทุกอย่างมันเป็นไจรักใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สมุทัยคือความอยากมีสามชนิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสในวิปภาวะทันหาแต่ว่ า, าอา ค, ความอยากมีอยากเป็นเรื่องของภาวะันหาตามอยากไม่มีอยางไม่เป็นเรื่องของวิภาวะทันหาถ้ามีสามตั ว, ว, รรวนี้ปรากฏ ข, ขึ้นมาตัวใดตัวหนึ่งจะสร้างความไม่สบายใจให้ตับเราทันที เราต้องมองมันเป็นไใจรักด้วยไ้ยคะไม่เราต้องเราต้องมองในสิ่งที่เราอยากได้เป็นใจรักเช่นอยากได้ลูกเย่างี้ทำใติ<ม>เราไม่มีลูกผลิตลูกไม่ได้อยากได้ลูกมันก็เกิดความทุกข์ว่าอันนี้ยถ้ายังไม่ได้ลูกนมันก็ต้องพยายามดิน้นหาวิธีสร้างลูกขึ้นมาให้ได้แต่ถ้าเรามองว่าพอได้มาแล้วมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ในดูมาก็ต้องเป็นฐาละะต้องเลี้ยมันนะอ นี่ใ้เป็นสุขไม่เป็นทุกข์แล้วเป็นไงถ้าอะไรที่เราไม่อยากเราก็ไม่ต้องมองเป็นไตรักรหรอคะพระอาจารย์ก็แน่นอนก็ถ้าเราไม่อยากก็ไม่มีปัญหาของมันอ๋อค่ะใช่ไหมแต่สิ่งนนี้มันมันอยากมันก็จะเป็นปัญหาเพราะมันจะทําให้ใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ยะะายกังวลกังวลแต่สิ่งที่มันไม่ได้มาทําให้เรากระสับกระส่ายกังวนกังวลเราก็ไม่ต้องไปพิจารณาอ๋อค่ะ เลือกเฉพาะที่ทําให้เรามีปัญหาใช่โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหนะ้าเช่นตอนนี้อยากจะมีความวกังวลกังวลไม่สบายกับเรื่องเงินทองนะ่ะเงินทองไม่พอใช้อยากได้เงินทองเยอะๆอันนี้ก็เป็นตัณหาแนละ้วแล้วก็พิจารณาความเปจริง ก, ก็หาได้หรือเปล่าหาไม่ได้ก็ต้องอยู่ตามสภาพยอมยอมยอมยอมยินดีตามดีตามเกิดไปมันก็จะไม่ถูก เพรเงินทองมันเป็นขาที่เราก็ปูบังคับไม่ได้นะคะหน้าตาไปสั่นั่นมาถูกหวยทุกม้วนนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วเจ้นาก็ต้องยอมรับว่าอมันมาบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาถ้าไม่ยากมันมาเราไม่มาก็ทุกข์ไม่อยากก็อยากอืมค่ะอันี้ต้องพิจารณาตายร่างในสิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่เลยพิจารณาตัวตัณหาว่าเป็นตายร่าง ค่ะการพิจารณาตายนักก็เรีว็วมากเนี่ค่ะเอ่อนี่โรดนี่คือนี่ผ่า น, นไม่ใช่<อ>นี่โลดคือทุกข์หายไปอ๋อพอเราพอเเห็นตายรักแล้วเ ก, ก็หยุดอยาพอหยุดอยากความทุกข์ก็หายไปเอาไม่เอาก็ได้แต่เงินในกันนี้ก็หักอยู่กอง ม, มันไปทั้นนี้ท้ายขงมันไปค่ะเราต้องใช้แนวทางของมัค ทุกข์ค่ะใชใช้มาเป็นเครื่องมือที่จะรับความอยากได้อืแนวทางของมั่งก็คือตายรักเนี่ย<ๆ>ต้พิจารณาตายรักในสิ่งที่เราอยากได้วาเป็นไปได้หรือเปล่าเป็น อ, อัตตาแลือเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราสั่งได้มั้ยเหมือนเราไปร้านอาหานสั่งก๋วยเตี๋ยวปั๊บมันก็มาพวกงี้ง เ, ง dorm, เราสั่งให้เขาขึ้นเันเดือนให้เราปั๊บนี่เขาแจ็ขึ้นให้เราหรืปลไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นก็อย่ายไปสั่งอย่าไปอยากให้ขึ้นก็น<พ>ไม่ทุกข์เนี่ นี่คือมากเราเห็นตายรักในสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้พอสั่งไม่ได้มันก็ทําให้เราทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้ในบางเรื่องบางอย่างฉะนั้นนี่โรดก็คือแค่ทุกหายไปแค่นั้นแค่ดับทุกข์แห่งกานเฉพาะเฉพาะเฉพาะในภาวะนะั้นเฉพาะที่ช่วงนี้มีทุกข์เกิดปับ๊บแล้วใช้ปัญญาพิจารณาปับ๊บมันก็ดับได้ นั้นดับไฟเป็นจุดๆไปมันมีไฟขึ้นรถขึ้นไปในห้องน้ําก็เอาไฟที่ดับไฟ ม, มาฉีดมันพอฉีดมันเสร็จไฟที่ห้องน้ํามันก็ดับไปอืมแต่เดี๋ยวมันไปทุกที่ห้องนอนก็ดำไปไปว่าใจเรายังยังมีความอยากหลายเรื่องอยู่ก็ต้องดับมันไปทีละเรื่องทีละเรื่องไปอืแต่ถ้ามันไม่มีความอยากน้องเลยู่ในใจแล้วนี้มันก็มันก็ดับไปอย่างถาวรไม่มีไฟอีกต่อไปไม่มีทุกข์อีกต่อไป อย่างนั้นก็เรียวกว่าหนีผ่านถ้าถ้าถ้าเหมือนยกตัวอย่างให้เห็นภาพทุกนี้สมมุติว่าเหมือนเราอยากถูกรางวัลที่หนึ่งเราก็เลยมีความทุกข์แล้วก็เห็นแห่งทุกนี้คือเพราะว่าเราอยากได้เงินเราอยากรวยอย่างเงี้ยแล้วแล้วทีเนี้ยมาร์กเราใช้มาร์กโดยการอ่าเราก็ไปทําทานแทนอย่างนี้ไหมคะพระอาจารย์ไม่ใช่มาร์กก็ถือว่าเราเราจะได้ไหมล่ะรางวัลที่หนึ่งที่เราตามที่เราอยากได้ เราสั่งมาได้ป่ะแต่แต่ว่าเครื่องมือของมร ก, ก็จะมีไตจศีขาศีน ส, สมาธิทางตอนนี้ตอนนี้เราพูดถึงปัญญาอย่างเดียวอศีน ส, สมาธิเป็นตัวสนับสนุนให้เรามาันเกิดมีปัญญาได้ถ้าเรา ย, ยังไม่มีศีนสมาธิเราก็จะคิดทางทางตายรักไม่เป็นยิ่งถ้าเราคิดทางตายรักไม่เป็นก็ต้องไปทําไปสร้างสมาธิขึ้นมา ก, ก่อนการจะสร้างสมาธิก็ต้องถือสีแปดให้ได้ พยนยามเตะสิบแปด้านก็ต้องละความอยากหาเงินหาทองที่นี้ก า, การแก้ของตัวที่เราอยากถู ก, การากวัที่หนึ่งแล้วเร า, เร า, เรามันทำมันทาให้เราทุกข์นี่คือเราต้องแล้ว เ, เร า, เราจะถูกหรือเปล่าเราอยากได้แล้วมันได้หรือเปล่าไม่ได้คะ่ะไม่ได้แล้วไปอยากทำไมเร า, เาต้องรับความจริง่ไหมคะ เราต้องใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาบางอย่างก็คือมันมันมันเป็นไปได้หรือเปล่าชื่อมากี้ว่าแล้วมันถูกมั้ยเปล่าไม่ถูกค่ะมันถูกร้องที่เดินก็เปล่าไม่ถึงคือเราก็ใช้ปัญญาค่ะอใช้ปัญญาือว่าความมันเป็นไปได้หรือเปล่าตามความอยากของเราอยากเป็นนายกยี่เป็นได้ปะ มันเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันอย่างนี้อยากทัวร์อันที่หนึ่งก็เรื่องเพ้อฝันอกันชอบเพ้อฝันกันเพราะเผื่อว่าเผือมันถูกอฝันจะเป็นจริงขึ้นมาค่ะพเวลาตรวจลอตเตอรี่แต่ละครั้งไม่ถูกก็เศร้าใจ หมดกำลังใจแล้วพอพอม้วนใหม่ขึ้นมาก็เกิดกําลังใจขึ้นมาเกิดความเพ้อฝันขึ้นมาใหม่เจ้าเพราะว่าต้นทุนเยอะโอเคนะเข้าใจยังค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะอคุณจอยตายอยู่ที่ปทุมไปอยู่ที่พัทยามาก่อนนนทบุรีค่ะ นอนตะบุรีอ่ะนอนตะบรีนอนพูดกล้ๆน่อยเสียงเบา่อยได้ยินไหมคะได้ยินแลวมีอะไรไ้ยวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีก็ไม่มีแต่ก็ปฏิบัติแต่ก็ได้ว่าไม่ได้บ้าขอช่วย่งนี้ดีแค่ไหจิตใจอยู่กับอยู่กับสภาพได้นะรับสภาพกับชีวิตของเราได้นมันบางครั้งมันก็ได้บางครั้งมันไม่ได้อะค่ะ มันไม่ได้ก็ราะมันยากใช่ใช่ค่ะมันพอมาเจอแบบชีวิตจริงๆแล้วมันเหมือนมันไม่เหมือนที่เราอยู่ที่พัทยาไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยได้ฝึกจิตอันนี้มันแบบได้ฝึกก่อนเลยพยายามนะเด็กสะพานอย่าไปอยากทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้มันจะทําให้เราทุกข์ทำเท่าที่เราทําได้ พยายามแบบพยายามคิดิ่งทำสอนของหพ่อตอดพยายามฝึกิจให้ให้เฉยยินดีตามมีตามไปตามสภาพงนที่สันอยู่าไว้อนอยให้มันแบบอยากให้มันมันเข้าเยอะๆแต่มันก็ยังแบบเดี๋ยวมันก็ไปๆแล้วเดี๋ยวมันก็มามาแบบมันไม่ไปให้สุดมันไม่เที่ยงเยมันยังไม่เที่ยงับ เอที่เราจะทำนันมันยังไม่ต่อเนื่องก็เลยไปไม่สุดแล้วถ้าเราจะทำให้ต่องเนื่องคือเราต้องก็ต้องทำอย่างเดียวไม่ทําอย่างอื่นเลย yeah. ไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปทําอย่างต่อเนื่องไม่ทําอย่างอื่นเลยเราต้องเรียนดู<ต>ไม่ไมเรียนก็ก็อย่าประหยะัดอยากให้มันอยากอยากให้มันไปถึงที่สุดนึ่งสุดไม่ได้ก็การทําของเราไม่ถึงที่สุดันก็ไม่ถึงที่สุด เราก็ต้องอาศัยความเพื่อจะเรียนรู้กั่อยู่กับมันที่ได้ใช่ไหมคเอออยู่กับตามสภาพของเราไปก่อนในวันเราจะปรับเปลี่ยนสภาพของเราให้ดีขึ้นได้แล้วค่อยปรับไปอแล้วแล้วพ่อาจารยังบินทบาทกันเติเมใช่ไห ม, ม, มยังเดิมยังเดิมอยู่เหมันแต่คนน้อยนอ่อยทุกวันนี้เราช่วงสามสี่วันมานี้คนน่าขายขายไปเกือบครึ่งแม่หนูบ่นว่แบบ ไม่มีใครพาเขาไปใส่บาทเขาอยากไปแต่แบบเขากลวโควิด ก, กันไม่มีใครไปตอนนี้อย่าไปเลยคนกลัวกันหเพราะว่ามันแรงขึง้น<ฮ>แต่ต ว, ตวงศิลปนี่ยังไม่ได้ฉีดเลยเค่ะยังไม่ฉีดก็ยิงต้องระวังใหญ่อย่าไปเอาไปเจอคนก็พยายามไม่ออกจาบ้านอโอเคนะตอนนี้ น, นะหะะนึ่งอนนาคุณสุภาพร อมาทำอะไรเนี่ยวสับนิทรรศการค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมเห็นเดียวค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามนะ <c oughs> โอเคเดี๋ไปที่คุณกรณ์มาสียนอยู่ที่ไหนคุณการณาเคยเข้ามาหมจังหวัดเคยแล้วเจ้าค่ะอาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะอยู่จังหวัดแพ่เจ้าค่ะแพ่มีคําถามไหมวันนี้โ๋อ <c oughs> ครั้งที่แล้วท่านอาจารย์ให้เอให้คําแนะนําว่าเอให้ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็อย่าอย่าไปยุ่งกับเ อ, อเรื่องเรื่องคนอื่นนะเจ้าคะทีนี้เนี่ยใจมันอดไม่ได้เจ้าคะ่ะแล้วก็พละงํารทงตัวเองมันยังไม่พอเจ้าคะท่านอาจารย์แผ่ไม่ตายด้วยนะเจ้าคะต้องแผ่ด้วยสติเมตตาใช้ไม่ได้ต้องใช้สติแผ่ ก็ก็ฝึกอยู่เจ้าค่ะท่านอาจารย์แต่มันกดไม่ได้จริงๆเพราะว่าพอไปที่ทํางานปุ๊บเนี่ยพอเห็นนู่นเห็นนี่แล้วมันก็แบบมันกรอุ๊บขึ้นมาแล้วมันก็กว่าจะเอาสติประจับนี่ก็เรียบร้อยแล้วใช้ปัญญามากก็ได้เหมแล้วมันดีไหมล่ะเวลาไปยุ่งของข้าวก็ก็ก็ดีบ้างเสียบ้างเจ้าค่ะแล้วมันคุมมก็ก็คิดในใจว่าทําดีที่สุดแล้วเจ้าค่ะ ก็ก็คิดว่าถ้าอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งลาออกทีนี้เนี่ยก็เลยมันก็เลยขัดกับความรู้สึกตัวเองที่อยากจะลาออกเจ้าค่ะมันก็กำลังสู้กันอยู่ว่าจะออกหรือจะไม่ออกจะลาออกหรือจะไม่ลาออกเนี้ยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็อยู่ที่เราพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็ไปเลยถ้าไม่พร้อมไม่อยากไปไม่ได้เราพร้อมหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยลาออกได้เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ ก็ลองดูไปเลยถ้าผมออกได้เลยจะไปรออะไรล่ะอ๋สาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์จะได้ไม่ไม่ต้องสู้กับความรู้สึกตัวเองว่าจะออกหรือจะตัดของเราดีกว่าอย่าไปสูชื่อคนอื่นเลยอ๋อเจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะท่านอาจารย์ชนะตนเป็นการชนะที่ดีที่สุดชนะคนอื่นก็กลายเป็นเมีนเป็นคำไปอืมเจ้าค่ะท่านอาจารย์ เพราะว่าครั้งที่แล้วท่านอาจารย์บอกว่าเ อ, อมันมันแย้งแย้งกับความรู้สึกกับคําแนะนําของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าในเมื่อเรายังมีประโยชน์อยู่ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราลาออกไปเนี่ยคือทางนี้มันก็จะไม่มีคนดําเนินการประกาศรับสมัครผู้มนการไปแล้วมันก็ยังไม่มีคนมาสมัครถ้าเกิดเราออกไปจุดตรงเนี้ยมันก็จะทําให้ส่วนรวมตรงนี้อาจจะเสียไปได้จ้ะค่ะ ก็อาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะพอเขหาคนใหม่ได้เขาก็เดินต่อไม่ได้ถ้าสมมุติเราตายแล้วนี้เขาจะทํำยังไงใช่เจ้าค่ะเขาก็องหาคนใหม่าแล้วคิดอย่างนี้เจ้าค่ะถ้าคิดอย่างนี้ก็สบายใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์ได้ <c oughs> คือถ้าอยู่ได้ทําประโยชน์ได้เราปฏิบัติทำ ม, มีความสุขได้ก็อยู่ไปถ้าอยากจะอยู่แต่ถ้าอยู่แล้วคิดว่า ไปไปปฏิบัติธรรมจะได้ประโยชน์กว่าก็ไปปฏิบัติธรรมดีกว่าอันนี้เราต้องตัดสินใจเราเองเราไม่ทราบว่าคุ จ, าจะเลือกทางไหน<ม>แต่การ<ม>ไปทำธรรมเนี่ยดีที่สุดเราพร้อมที่จะไปรึเปล่าโอ้เจ้าค่ะท่านอาจารย์สาธุเจ้าค่ะโอเคนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม เจ้าค่ะท่านอาจารย์กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านอาจารย <Okay. S 2> ์ไปที่ <ไป S 2> <า>ท่านต่อไปคุณยินดียินดีจากเซาทาลายน่าเป็นยังไงปดแล้วเป็นกวใหม่ยังไม่ปิ okay, <ผ>ปดโอเคผ่านเลยค่ะผ่านเลยเหรไม่มีอะไรเลย อ๋อได้กินแล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์ได้กินแล้วใช่พอดีคอมพิวเตอร์มันเสียค่ะนี่หนูเลยใช้โทรศัพท์ก็เลยแบบทําไม่ค่อยเป็นก็เลยแบบช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ค่ะไม่มีอะไรค่ะก็เข้ามาฟังทําแล้วมักหนูกับเดวิดก็เข้ามากับท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์เซฟโหลกับเดวิดด้วยนะค่ะขอบพคุณมากค่ะทองจบองจูบชูค่ะค่ะแล้วก็บอลสองเตะค่ะท่านอาจารย์ ค่ะกับขอค่ที่มีสูตรแค่ได้จังคุณแปลว่าอะไรต่อคุณแปลว่าอะไรไม่มีคําถามไม่มีคำถามในวันนี้อ่าเนี่ทางไปได้คติอะไรก็เาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เอาไปใช้นะพวของที่เป็นท่านขอที่โรงพยาบาลนะคะก็เอามารู้กับการจัดการการทํางานเหมือนกันเจ้าค่ะอ่ โอ okay. เคเน้นไปที่คุณตนศนพนต่อคุณทนศนพเชิญกรรมการประครับอาจารย์ครั บ, รรบมีคำถามอะไรไหมก็เดิมก็ไม่มีครับแต่ว่าพอดีไ ด, ได้ได้ฟังสารยานามิตรท่านอื่นถามก็เลยได้ได้มีคำถามขึ้นมาแต่ก่อนอื่นก็คือมีมีเรื่องหนึ่งที่โดนนะครับที่อาจารย์บอกบอกคุณหมอว่าคุณหมอท่านหนึ่งว่าความอยากเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มี แต่จริงๆมันก็มีของมันอยู่ตรงนั้นน่ะจริงแต่ตอนนี้เรายังไม่เจออะไรที่มันอยากมันก็เลยยังไม่ปรากฏขึ้นมาแต่มันก็อยู่รอบตัวเราตลอดนะครับคออือความอยากความอยากในในกับสิ่งที่เรามีอยู่นี่ก็เป็นความอยากแต่ไม่ต้อว่าเราอยากใช่ครับก็เลยว่าอืมเน่ได้โดนเคาะบาลมาหนึ่งทีครับส่วนคํนาถามที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเออเมสโกมีมีท่านหนึ่งถามเรื่องเรื่องนิโรธใช่ไหมครับคราเนี้ยก็ คือก็เคยได้ยินว่าจะมีม hmm. ีมีมีพระที่ท่านท่านเอหมือนกับว่าพระไปเข้านิโรธสมาบัตินี้่ครับอันนี้การนิโรธสมาบัตินี่คือคือคือการหยุดหยุดจิตชั่วคราวการหยุดทํางานของจิตชั่วคราวเข้าฌานเข้าฌานขั้นสูงสุดอ๋อเท่านั้นเองแต่การด้ชั่วคราว บางคยก็เจ็ดวันสิบห้าวันแล้วก็ต้องออกมาโอ้แต่ไม่ได้เป็นการดับของของความทุกข์ดับความทุกข์แต่มันไม่ได้เป็นดับแบบในอริยสัจ ส, สี่ว่ะมันไม่ได้ดับด้วยปัญญาอืเป็นการดับชั่วคราวใช่ไหมเจ้าคะด้วยสติด้วยสติใช้สติเป็นตัวควบคุมความคิดปุ่นแต่งให้มันหยุดทํางานก็เหมือนกับเข้าไปพักไปพักในสมาธิก็เป็นสมาธิาทั้า อันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าการฝึกฝึกพักสมาธิเนี่ยด้วยฌานนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เ อ, อช่วยให้ให้ให้มันดับทุกข์ได้ถาวรไหมครับต้องใช้ปัญญาถึงจะดับทั้งได้ถาวรเพราะว่าต้นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์คือความอยาก ค, ความญยาก็เคยจากความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ความสุขกับเราแต่ปัญญาก็จะบอกว่ามันมันเนขาไม่เที่ยม ยิงอยู่มาให้ความสุขแต่มันเป็นความสุดเดียวเดียวหรือไม่ไม่ใช้ก็เลยมันก็ต้องมีวันหมดไปมันอมหมดไปมันก็ทุกคนแต่งงานกันพอคนหนึ่งตายไปในสุดไหมสุดตอนที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมเแล้วดว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดหรือเปล่าหรอใครจะตายก่อนใครเนี่ยคิดบ้างหรือเปล่าครับ เราไม่คิดกันนั่นนะแหละถ้าถ้าคิดมันก็จะมันก็จะมีปัญญามันก็เห็นว่าการมีคู่นี่ไม่ดีกีปัญญาอันนี้แต่อันนี้รถสมาบัติมันไม่ได้ใช้ปัญญามันเป็นแต่ใช้สติเพ่งดูลงหายใจก็ออกอย่างเดียวเลยก็อยากที่เรียกว่าหินทับยาก็น่าจะเป็นอะไรกันได้ดับแบบคนละอย่างดั บ, บ, ดบแบบชั่วคราวด้วยสติ ถ้านับด้วยปัญญาเนี่ยดับดับดับถาวรถ้าไม่มีคู่ต่อไปถ้าไม่มีคู่ก็ยังไม่มีทุกข์กับการมีคู่ถ้ามีคู่ตามได้ต่อให้สุขขนาดนั้นมันก็ต้องมีทุกข์ะสมอยู่นั่นนะแต่เราไม่ไม่ใช้ปัญญาก็เลยมองไม่เห็นเห็นแต่สุขอย่างเดียวได่มีคู่มันได้แต่ความมีราถึงบอกบอกคู่รุ่งนี้ไม่มีดีกว่าใช่หไหมบางที ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไปด้วยกันอยู่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปคือก็อาจจะแบบพระอาจารยแบบ์ไก่พุดครั้งหนึ่งว่าเออต่อไปบางทีอาจจะคนหนึ่งไปค น, นไปเป็น อ, อไปเปถัมภ์เขาไม่มีอะไรแน่นอน <c oughs> ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไครับไอ้พระอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องทําสมาธิเราใช้ปัญญาอย่างเดียวได้ไหเจ้าค่ะคือมันปัญญาอย่างเดียวแต่มันไม่มีกําลัง หรือว่ามันหรือว่ามันทุกข์แต่มันไป็นอย่างคนติดยาเสพติดเนี่ยก็ารู้ว่ามันทุกขเสพยาแต่ไมามีไม่มีสมาธิไม่มีเบิกขามก็อยู่ความอยากไม่ได้ก็ต้องคุ้คู่กันไปต้องมีทั้งสองอย่างอาจารย์เจ้าคะมีคําถามหนึ่งค่ ะ, ะปฏิบัติมาตั้งนานัน่งสมาธิมันนานนะคะแต่มีตัวหนึ่งก็คือในระหว่างวันการที่มีสติกํากับอะาะชอบลืมสติลืม มจำลืมตลอดเป็นธรรมดาของพวกเราไม่มีสติกันต้องพยายามฝึกอยู่เรื่ก็ ๆ, ๆต้องพยายามฝึกอยู่างเงยอย่าไปท้อคิดว่าเป็นเรื่องปกติของเราล<ช>้วไม่ใครฝึกการมีสติม่ตั้งเลยมันก็ชอบเผลอสติอยู่เรื่อยชอบเผลอสันใช่ค่ะพอรู้ก็ไม่ได้ก็ลยไปทั้งหลายชั่วโมงกับมันกลับมาอตั้งสติใหม่่ะค่ะ ให้มีสติอยู่ข้างๆอยู่อย่างนี้ยค่ะไม่สามารถทําได้ทั้งวันนะเจ้าค่ะใช่มันเหมือนเด็กอ่ะตอนต้นจะได้เด็กที่ขาดนี้ลุกก็มาเดินเดินแล้วยืนยืนแลเดินไม่ได้เราแบบนมลูกกุการยืนขึ้มาเดินได้สองข้างนมเราใหม่สติของผู้ฝึกขาดใหม่ก็เป็นแบบนี้แบบนมลูกกุกคานไปก่อนถ้าพยายามทํายู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นไปตามลำดับเลยครับจะจะจะอยู่ตลอดตอนที่อยู่ได้พระอาจารย์นะเจ้าค่ะ แต่ถ้าไปอยู่กับทางลบๆมีลืมทุทีเลยเจ้าค่ะทาแต่ก็อยู่ไน้แค่ที่หละชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ระหว่างวันเขาเขาก็จะเปิดเปิดฟังเปิดอยู่ตลอดนะเจ้าค่ะก็าการฟังทำทำนี่ก็เป็นเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่หนึ่ให้เราไม่สติตพราฟังทำเราก็ต้องคิดตามเลยจิตเราก็จะไปคิดเท่าไหร่ไม่ได้ครับนี่ก็พยายาม วิธีไหนทำให้เรามีสติได้ก็เอาวิธีนั้นไปพุทโธได้ก็พุทโธไปทำาทําได้ก็ทำไปดูลงได้ก็ดูลงไปตอนนี้ใช้มาในโทรศัพท์เตือนนะเจ้าค่ะหมดคาถามแล้วค่ะหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะไปขอที่ท่านต่อไปคุณสบัตนาจากบอกเวนเช่น มีคำถามไหมเ อ, อ่อวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์มากราบพระอาจารย์แล้วก็มาขอฟังธรรมเจค่ะได้เป็นไปที่คนอะไรค่าสิบเก้าเนี่ยอะไรพาดเนี่ยอาจาติดภาดนี่รัาสกากนครับพระอาจารย์วันนี้เข้ามาร่วมฟังพระอาจารย์ครับผมมาจากสานฟานอยู่ที่ซานฟานไม่อยู่ที่ไหน อยู่ที่เมืองไทยยังไงครับอยู่บางคับครับก็ทมอครับอาจารย์ภาพสะท้านในด้านหลังก็มีประเด็นเรื่องขึ้นเนื่องจากช่วงนี้ก็ทํางานออนไลน์ไปสะส่วนใหญ่ครับรอาจารย์ก็จะมีเรื่องของการสื่อสารการประสานงานซึ่งมันก็ลําบากอยู่บ้างนะครับอาจารย์อาจจะสื่อสารไม่ตรงกันเท่าไหร่ก็มีเรื่องขุ่นเครื่องบ้างมันก็เป็นปมเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในใจก็อยากจะให้พระอาจารย์ช่วย ให้สติว่าเราจะาแก้ไขมันแบบง่ายๆ ย, ยังไงครับอาจารย์ง่ายๆคือเราอย่าไปหวังอะไรมากจากคนอื่นไงยินดีตามมีตามเกิดบองที่เราพูดอย่างหนึงเขาฟังไปอีกอยาก่างมันก็เลยไม่เข้าใจกันก็เลยต้องยอมรับว่าคนเรานี้ทํางานร่วมกันบางทีมันอาจจะมีความเห็นความเข้าใจไม่ตรงกันมันก็เลยทําให้การประสานงานนี้ไม่ราบรื่นนี่ ก็ต้องปล่อยวางไปใช่ไหมครับอ่าครับ ก, ก็ปล่อยวางแล้วก็พย า, าพยามก้าพยายามทำความเข้าใจแต่อย่าเป็นมีอารมณ์เท่านี้มีแค่นี้ครับอาจารย์โอเคนดีไปที่คุณแข่งต่อนะคุณแข่งเชิญอยู่ที่ไหนคุณแข่งพุดได้เลยเชิญ ถามนักการผู้ อ, อาจารย์ครับอยู่ที่ไหนสกลนครครับ อ, อาจารย์มีคำถามไหมมีครับมีมีอยู่1นึ่คำถามกับอาจารย์เช่อคือคือตอนอันนี้ผมไม่ได้ทำได้นะแต่ผมมีข้อสงสัยก็คือว่าตอนที่เรา บริกรรมพุทโธพุทโธไปนเนี่ยเมื่อ จ, จิตมันรวมลงแล้วเนี่ยรวมลงเป็นสมาธิแล้วเราจังเราจังดูในคําบริกรรมนั้นอยู่ไม่คําบริกรรมจะหยุดไปถ้ามันรวมเป็นสมาธิจิงตนี่มันจะนิ่งเฉยไม่ต้องทํำอะไรพอพอนิ่งเฉยแต่เรายังเพ่งมองอยู่ก็ดูเฉยเฉยนะฉัดจากนั้นถัดจากนั้นเราละวางจากการดูตัวนั้นจิตจะว่างเต็มเต็มกําลังก็แน่นอนจิตก็จะดูสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในจิตในขณะนั้นสักแต่วาซึ่งซึ่งก็เป็นความว่าง คำรู้เป็ขานครับเพราะว่าพอจิตมาถึงตรงจุดเนี้ยเราละจากการดูดูตรงนั้นนะ่มันจะว่างลงไปมันจะเข้าไปสู่การจิตจิ้มตรงนั้นจะถึงจุดที่พู้อาจารย์บอกว่าแบกมาตั้งนานจิตมันจะทานออกมาเองว่าแบกมาตั้งนานอมันเบาครับเพราะว่าพลังของจิตก็คือ เรื่องของการแบกทางอารมณ์ทางอะไรเนี้ยมณ์แบบอารมณ์แบบควแบบามคิดต่างๆตลอดเวลยะครับตรงนี้มันวางลงตรมที่ไ ป, ไปมันหายไปอารมณ์หายไปความคิดหายไปครับจิตจิตเข้าถูส่วนการจิดยิ้มตรงเนี้ยเวลาฝึกฝนอบรมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราออกมาไปพบปะกับผู้คนส่วนใหญ่มันจะอสามารยได้มันสามารถ รู้สึกว่ามันจะสามารถจเจริญเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาได้เลยไหมครับเพราะว่ามันมีอุเบกขาเนี่ยมันมีอุเบกขาเมตตากรุณามุติตามันจะตามมาตรงจนนี้ผมมีคําถามคําถามคําเดียวก็คือว่าตรงนี้มันถึงชา้นสี่หรื อ, อยังครับอาจารย์ถ้ามีอุเบกขาก็ถึงชานสี่โอ้ขอบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับโอเคหมดหมดคําถามครับอยู่ยไปที่ท่านตอบไปคุณสุทัศนีจากปฐุมธานี หอมอวันนี้ค่ะหมอสาธารณสุวันนี้ลูกมีคําถามเจ้าคะ่ะพี่ตันค่ะอ่าเชิญเลยอ่าการที่เราเห็นอ่าการที่เราสามารถปล่อยวางทุกขเวทนาตามใได้ <c oughs> ค่ะอ่าโดยที่เราเห็นทุกขเวทนาตอนนั้นกําลังเกิดขึ้นค่ะแล้วก็อ่าพิจารณาสอนใจว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะจะเป็นลังเกียดมันวันนั้นปวดท้องมากเลยคะ่ะเราเรา ก็อยู่กับมันไปอใจไม่ทุกข์ใช่ค่ะใจไม่ทุกข์พอใจไม่ทุกข์สักพักหนึ่งเราก็ทําอะไรตามปกติอยู่ๆมันก็หายตัวเองก็ค่ะอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นอนิจจังเหนยอถึงกระามันก็หายเหนยอถึงกระามันก็เกิดมันไปๆมาๆอย่างนี้แสดงว่าเราเริ่มใช้ปัญญาได้ใช่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวทนาที่เป็นตายรักไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหนยอสุขเหนยวทุกข์เหนยวไม่สุขไม่ทุกข์ เราอย่าไปอยากให้มันเป็นสุดอย่างเดียวเราก็จะไม่เดือดนอนอ่ะถ้าเป็นแต่ก่อนต้องรีบไปหายามาทานเลยลค่ะใช่เ่ยก็ดูไปก่อนบางทีมันหายเองไม่ต้องไปกินยาเสียเวลาอ่า อ, อย่างนี้เราสามารถอ่าเจริญปัญญาควบคู่กับไปกับการเจริญสติแล้วก็ฝึกปฏิบัติสมาธิไปด้วยได้ใช่ไหมเ้าคะก็ถ้าได้ปัญญาสติสมาธิมันตามมาเองถ้าเราสามารถ ทำให้ใจเราไม่ทุกได้ก็ถือว่าเรามีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาสามตัวไปพร้อมๆกันเเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่เราก็อยากถ้าเราอยากจะให้ให้ให้ปัญญาเรากว้างกว่านี้เลือกกว่านี้เพราะมันยังมีเรื่องที่อาจจะหนักกว่านี้เราอาจจะต้องเสริมสมาธินำสมาธิให้ ม, ม น, หนิ่งนานๆเพราะมันอาจจะมีความอยากที่มันมีกำลังมากกว่าความอยากในเวทนา ก็ได้เราก็อาจจะต้องใช้สร้างเสริมสร้าง ส, สติสมาธิให้มีกําลังมากขึ้นเพื่อจะได้สู้กับความอยากที่มันมันมันมันแรงกว่าความอยากที่เราหยุดได้ในตอนนี้ <S <S ก็ไม่ควรจะทิ้งสมาธิถึงแม้จะมีปัญญาเราก็ต้องเนี่ยหาเวลามาพักจิตมามาเติมชัดเพราะถ้าเราใช้ปัญญาบ่อยๆจิตมันก็จะอ่อนมันก็จะหมดแรง ก็ต้องมาชาดด้วยสมาธิค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวพิจารณาทิ้งสมาธิไม่ได้ต้องต้องมีการชาดแบดเนื้อเรื่อยปัญญาก็เป็นเหมือนการใช้ใช้ใช้แบดบเพราะแบดหมดกำลังก็ต้องกลับมาชาดแบดด้วยสมาธิพอแบดเต็มแล้วก็ทีนี้ก็ไปใช้งานพิจารณาตายรับตัดอีเลตัดความอยากต่า ง, างๆไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะ มีประโยชน์มากเลยเจ้าค่ะเดีปัญญาน้นดีที่สุดแต่ัญญามันก็เหนื่อยน้มันเหมือนมีดฟันไปบ่อยๆเดียวมันก็ทื่อก็ต้องไปรับมีดในในสมาธิให้มันคงแล้วค่อยออกมาใช่ใหม่ค่ะวันนี้ลูกหมดคำถามแล้วค่ะโอเคดีขอบคุณอาจารย์มากค่ะอ่าเห็นไปที่คุณสตาร์เตอร์อไสตาร์เตอร์อยู่ที่ไหนสตาร์เตอร์ไดยินไหม เปไิดไมโรโฟนก่อนอ่าพูดได้เลยพูดได้เลยสตาร์เตอร์เสียงไม่ได้ยินแต่ไม่ทราบเป็นพ่า อ, อะไรไม่ทราบว่าเวลาเข้ามานี้เขาให้กดตัว m u วส์คอมพิวเตอร์ไว้นี่ไม่ทราบกดมันหรือปล่า คุอนอาจจะต้องออกไปใหม่แล้วกลับเข้ามาใหม่เวลาเข้ามามันจะถามมันจะบอกให้เรากด use computer audio ใช้ใช้โอเคออกไปแล้วเดนไปที่คุณคุณจอมนอคุณจอมเชิญคุณจอมครับอาจารย์ อ, อ, อยู่ที่ไหนูการจนะบรีครับการจนะบรีมีคำถา ม, มอะไรไหมก็มีคำถามใด้ก็ถามมา นั่งการ น, นั่งสมาธิยังไงให้เกิดปัญญาครับอาจารย์อ๋อไม่เกิดหรอนั่งสมาธิก็ให้เกิดสมาธิเฉอ๋อจะให้เกิดปัญญาต้องไปพิจารณาตจละใช่พิจารณาร่างกายแล้วว่าไม่เทียมเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอันนี้ยจะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายเพราะตอนนี้เราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราลราอยากให้มันเทียมมันก็เลยทําให้เราทุกข์ว่ามันไม่เทียม มันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับมันแต่เราไม่รู้เราก็เลยทุกข์เข้าใจนะเข้าใจครับดังนั้นต้องศึกษาสอนใจให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราใช้มันเป็นเครื่องมือมันเราใช้มือถืออนี้เราใช้มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารเราก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับโลกเสียงถิ่นนต่าง เพราะร่างกายมีตาหูจมูกนิ้งกายแต่เราเป็นใจผู้สัว์ผู้คิดผู้รู้นี่ไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้คือปัญญาต้องคิดต้องศึกษาถึงากถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาครับผมผมมากครับอาจารย์โอเคทอนนี้นะครับผมโอเคนะคุณสุภัตราจากด a l l a s t ท x a s เชิญกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามาร่วมฟังเข้ามาหลายครั้งไม่มีคําถามเลยนะแสดงว่าเข้าใจหมดแล้วนะปฏิบัติเรื่อยๆเจ้าค่ะดังที่พระอาจารย์สอนดูทางแล้วนะดูวิธีดับเจกาคนนะ่ะเจ้าค่ะก็เหลืออยู่แต่ว่าแค่ให้ขยันมากขึ้นมากขึ้นนะเจ้าค่ะได้ที่ต่อไปเนี้อาจจะต้องค้นหากิเลนละกิเลนมันหลบซ่อนในตัวยายาที่มันออกมาท้าทายเรานี่มันไม่กล้าโผล่ขึ้นมา เวลาเราอาจะต้องวิเคราะห์ถามกันวว่าตอนนี้เรายังมีอัตราตัวโตหรือเปล่าเรายังอยากได้อะไรหรือเปล่าที่เป็นละเอียดเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบคุณเจ้าได้จะได้มาเคลียปัญหาได้ทำไปในอยากไม่ได้แล้วนะเจ้าค่ะมันซ่อนเยอะเจ้าค่ะกบคุณมันเรื่อยๆเจ้ค่ะกลับขอบคุณเจ้าค่ะครับนะคนรุ่นที่มาต่อ ที่ว่าอยู่เทีใช่ไหมย่เที่เค่ะเพ่เียมีคำถามมันเดนไม่มีเราามมันเดินนะในคนเชลิงจนจากเมเบิร์นเมเบิรน USA ค่ะนวัฒการพออจาร์เทอาค่ะพ่อจารยเช่อค่ะทำยังไงให้มีปัญญาเกิดขึ้นเร็วๆอะค่ะอาจารย์คิดสไตายลักบ่อยๆเห็นอะไรก็เป็นไตร์ลักเห็นลูกก็เป็นไตายักได้ยินเสียงก็เป็นไตายลัก มันไม่มันไม่มันไม่ใจรักอย่างแท้จริงใช่ไหมคะพระอาจารย์พูดว่าก็ต้องก็ต้องนึกไปก่อนเซอนไปก่อนเพราอมันเป็นตายรักแต่แท้จริงมันก็จะมันก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่เถอะไม่ถือไม่ถือสาพราะใจใจโยงเวลาที่เหมือนกับตอนเนี้ยมันมีเรื่องห่วงเรื่องกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่เป็นห่วงอย่างนั้นอย่างนี้เวลาที่มันเป็นใจรักจะเห็นตายรักก็จะ่งไม่งแล้วโยมต้องกําหนดก่อนไหมคะว่าเออนี่ ความฟุ้งซ่านมันพุ่งขึ้นมาแล้วเราต้องกำหนดโดยโดยใช้สติก่อนหรือว่าเดินปัญญาไปเลยขอพระอาจารย์เดินปัญญาเลยก็ได้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ไดถ้ามีปัญญา<ม>เข้าใจว่าเป็นตายัล้ว ก, ก็จะหายทุกข์หายกังวลได้ อ่าแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์โยมเริ่มเริ่มงงๆอะค่ะก่อนที่จะก่อนที่มันจะรวมลงเป็นสมาธิอะค่ะพระอาจารย์เรากําหนดอยู่ที่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันจะมีบางบางจุดที่โยมย้อนกลับมาว่าเอ๊ะหรือเราควรจะดูตัวพุทโธด้วยอันนี้โยมอย่าไปคิดเวลาทับพุทโธก็มีแต่พุทโธอย่างเดียวเอาแต่พุทโธอย่างเดียวใช่ไหมคะจนนั้นเดี๋ยวเวลามันจะรวมมันพุทโธมันจะหายไปมันจะเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันก็จะนิ่ง ค่ะเพราะว่าช่วงนี้โยมรู้สึกว่ายอมปฏิบัติได้เร็วขึ้นคือคือมันเป็นสมาธิได้รวดเร็วขึ้นแต่ก็มีเวลาปฏิบัติน้อยลงนะค่ะอ่าก็อย่างว่านะชีวิตของผู้คลองเลยก็อย่างเนี้ยมันยังต้องมีภานะอะไรต่างๆ่างั้นก็ต้องพอใจกับเวลาที่เรามีก็แล้วกันทำได้เท่าไหร่กท่านี้ไปก่อนค่ะพระอาจารย์โยมก็จะปฏิบัติให้ได้ดีที่สุดแต่ก็ยังคงปฏิบัติทุกวันอะ แต่ไม่ยอมแพ้ถ้าอยากจะได้เวลาเพิ่มก็ต้องลดขนาททำงานให้น้อยลงนะครับค่ะค่ะยองก็อยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อกี้ฟังแล้วเรื่องถูกหวยนี่ยอก็อยังความ อ, อยากอยู่ยงังมีความอยากอยู่จะได้ยังมาปฏิบัติทรรมกับพี่ตอนนี้ปฏิบัติทําไม่ต้องใช้เงินหรอก จะได้ไม่ต้องกังวลกับคนรอบๆคางนะคะก็ไหนไปอยู่วัดเลยไปบวชชีอะไรอยากบวชกันค่ะพระอาจารย์ยังไม่มีคาถามแล้วค่ะกราบนมัสการรอาคร่ะขอบคุณแข็งาคุณแงอยู่ที่ไหนกราบนมัสการพระอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพครับผมมีคาถามหอมีคาถามเกี่ยวกับ เรื่องขันท่านะครับรูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับเวลาเราจะพิจารณานะตามกฎไตรลักษณ์นะครับ hmm. ตัวที่ผมมีความสงสัยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเสังขารนะครับความคิดนะครับเหมือนบางทีมีความรู้สึกคือเหมือนเขาพุดขึ้นมาเองอ่ะแล้วแล้วแล้วสิ่งที่รับครูก็คือเหมือนบางทีมันเป็นทั้ง กุศลและก็อกุศลแต่เราก็ไม่ได้อยากให้มันนึกให้มันมาออกมาแต่เขาก็มากังเขาเองอ่ะพออย่างเนี้ยก็คือให้พิจารณาตามหลักไตรลักษณ์เลยใช่ไหมครับใช่เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไงเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้คิดจากกุศลอย่างเดียวไม่ไดครับต้องต้องต้องคอยบังคับเขาด้วยไหมครับว่าบังคับได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวด้วยสติใช้าใช้พุทโธพุทโธเวลามันคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันได้ ครับผมแล้วก็พิจารณาตามหลักไปรักไปด้วยใช่ไหมครับว่ในที่สุดแล้วมันมันก็สั่งมันไม่ได้มันต้องคิดอยู่นนะั่นในเวลาเราสามารถสั่งให้มันคิดไปในซ้อนให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ครับผมครับไม่มีคำถามโอเคงั้นก็ไปที่คนการรักสี J ่สิบเจหกบวกอยู่ที่ไหนอยู่ยิบยาค่ะเสื้กอก<ม>อนหนค่ะไม่ได้มาอสองปีค่ะ อ่ามีอะไรมากวันนี้พอฟังเพราะว่าติดเรื่องงานสองอาทิตย์เลยค่ะคือเข้ากะค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามใช่ไหมวันนี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์โอเคไปที่คุณชันนิดาต่อชันนิดาอยู่ที่ไหนสวัสนมัสการ์ค่ะพระอาจารย์อยู่นครสวรรค์ค่ะอ่าครั้งแรกหรือครเนิอ๋อเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะแต่เราจะกลับพระอาจารย์แล้วค่ะอมีคําถามไหมมีค่ะ อยากจะถามพระอาจารย์ค่ะเวลาเวลานั่งสมาธิอ่ะค่ะเวลาเหมือนขั้นแรกเลยอะค่ะเรากําหนดพุทโธใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเหมือนเออหนูกําหนดพุทธโทแล้วให้ดูลมหายใจแต่ว่าจิตมันมันเหมือนไปจับอยู่ตรงข้างหน้าค่ะแล้วเหมือนเหมือนหนูบังคับความคิดอะคะ่ะแล้วมันทําให้อึดอัดอะค่ะพระอาจารย์ยกงไม่ไม่ไม่ไม่มมก็อึดอัดอเพราะว่าใจเราไม่ชอบถูกบังคับไง ใจชอบคิดเรื่องเปื่อยพอเราบังคับให้มันคิดพุดทธัวพุทธมันก็เลยเกิดอาการอึดอัขึ้นมาก็ต้องทนอย่าไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปถือสาอย่าไปอย่าไปยอมมันปล่อยมันอืดอัดไปเดือนต่อไปมันก็จะค่ะคอยๆยอมรับกับการควบคุมของเราเองแล้วมันก็จะหายอึดอัดหนูหนูเคยบังคับมันจนการลมหายใจอะค่ะพระอาจารย<อ>์อย่างการการไม่ได้ลมหายใจผ่านมันเป็นไปตามปกติ ค่ะแล้<ช>แลพุโทโธพุโทโธไปแต่เย็ยนดีกวคนยังเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าเบื้องต้นนี้ไม่ต้องดูลมเลยจะดีกว่ะท่องพุโทโธไปคําเดียวจะดีค่ะหรือถ้าท่องพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วตููเคยนั่งมันมีสภาวะหนึ่งค่ะที่หนูกําหนดแล้วมันแบบ เ, เกิดแสงสว่างในจิตใจค่ะแล้วมันมีความสุขมากแล้วทุกอย่างมัน แลอยูด่ดีดีทุกอย่างมันก็นิ่งอะค่ะอันนี้เขาเขาเรียกว่าสมาธิไหมอะค่ะก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่อเรามีพอดีมีมีสติพอที่จะยุดความคิดปรุงแต่งได้มันก็เน่งแล้วก็จะเกิดแสงอะไรขึ้นมาแต่ยังไม่ใช่ขอกงกตัญที่ยังไม่ถึงอุเบกขาเราต้องการให้ไปถึงอุเบกขาเราถ้าอย่างนี้เราได้สมาธิเราพิจารณาอสุภะเลยได้ไหมคะอาจารย์ มันเพื่อครั้งเดียวนะต้องพยายามฝึกสมาธิให้มันชํานาญก่อนค่ะได้อย่าไปอย่าไปพิจารณาตอนที่นั่งสมาธิน้ห้ออกจากสมาธิก่อนแล้วข่อมาพิจารณาสุภาษณ์ไดค่ะคือตอนนี้หนูงงไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามีน้องเขาก็บอกว่าให้อ่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ให้หนูท่องไปหนูก็จับจุดไม่ถูกเลยค่ะตอนนี้ คืออยู่ที่ว่าเราจะป็นจะต้องต้องพิจารณาสุภาพหรือเปลาเอาสุภาพให้มีว่าสำหรับคนที่เซ็ต จ, จัดคนที่ชอบมีอาการาอารมณ์อยู่เรื่อยๆถ้าพิจารณาดูอาการสารเสพตมันก็จะทําให้ความความอยากในการอารมณ์ลดน้อยถอยหลบไปได้ถ้าเรายัไม่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ยังไม่ต้องพิจารณาสุภาพก็ได้เราพิจารณาเรื่องร่างกายเราดีกว่าเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนะครับ ตัวนี้ <Ha. S 1> ที่เป็นตัวที่สร้างปัญหากับเราอยู่ขนานี้คือกลัวเป็นโควิดกันนะว่า <Ha. S 1> ตัวตายกัน <Ha. S 1> ต้องพิจารณาร่างกายมันเป็นยังไงมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหรอหจะมีโควิดไม่มีโควิดมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมเ <Ha. S 1> ิ่งที่เราต้องทำ ก, ก็คือยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางร่างกายให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับปวลาที่ร่างกาย เป็นเป็นโรกเป็นไทยอะไรขึ้นมาในเวลาจะตายแล้วก็จะไม่ทุกเพราะเราไม่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้<า>เอาเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเอาเรื่องกับสุภาพน<า>อกจากว่าถ้าเรามีเรื่องปัญหาการอารมณ์กินไม่ได้นอนไม่หลับอย่าง น, นะนันะครับท่พิจารณาอาการสามสิบสองอสุภาพว่านัางกายไม่สวยไม่งามอือค่ะ คือตอนนี้หนูก็ให้ท่องพุทโทอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ต้องดูลมจดไม่ต้องดูลมก็ได้หรือจะดูลมดูลมอย่างเดียวก็ได้ยาวสองอย่างมันยุ่งยากนะครับาวค่ะค่ะไม่ไม่มีอะไรแล้วค่ะอาารย์ขอบคุณค่ะโอเคคนคนโอเล่ต่อโอเล่มีอะไรไหมอยากเรายอมไม่มีใช่ไหมครับผมทำเฉยๆนะโอเค เป็นมาเลย์มาลย์จากุง เ, เทพหรือตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้กลับมาอยู่ที่คอนโดนะคะ่ะแยกแยกกันกับพ่อของลูกค่ะเขาเป็นโควิดนะคะหลวงพ่ อ, อแล้ ว, แ ล, วแล้วทีเนี้ยหนูหนูมันก็มีความเสี่ยงอะ่ะหลวงพ่อหนูก็ไปตรวจแต่ทีเนี้ยเขาเขายังไม่แจ้งผลนะคะหลวงพ่ อ, อนี่แต่ว่าหนูก็ยังนั่งทํางานอยู่อ่ะคะ่ะหลวงพ่องานก็ยังเยอะอยู่ก็ คิดอีกทีถ้าจะเป็นมันก็ก็เป็นไปอ่ะหลวงพ่อถ้าไม่ได้ก็ต้องเป็นใช่ไหมใ้่ใช่ค่ะหลวงพ่อคือแม่กับลูกหนูค่ะก็เอาไปตรวจแล้วเขาไม่มีเชื้อค่ะแต่ว่าห น, หนูหนูต้องรอผลประมาณพรุ่งนี้ค่ะอ่ก็รอไปถึงเวลาก็รู้เองเป็นไม่เป็นเป็นก็เป็นค่ะก็ก็ยังยังนั่งทำงานอยู่คือไม่ได้เหมือนประมาณว่า อ่ะจะเป็นก็คือเหมือนปงค่ะหลวงพ่อเป็นก็เป็นอะไรเงี้ยค่ะอะง้ยอ่มันไม่เป็นคอแบงมันเราเป็นอย่างอื่นนะเป็นงบ้างเป็นความดันบ้างเป็นเบาหวานบ้างค่ะจะช้าจะเร็วหนูก็ต้องคิดอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็ทุกช่วยไหมคะหลวงพ่อใช่แล้วทีนี้หนูมีคําถามนิดนึงค่ะเออตรงตรงมักมักมักแปดนะคะหลวงพ่อ อ, อสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็อยู่ในนี้แต่ทีนี้ไอ้ตรงความเห็นนะคะหลวงพ่อความเห็นคือปัญญาสมาธิกับปัญญาเห็นน่าเห็นตายรักนี่เรียกวสมาธิิตสมาสังขปะก็คือความคิดคิดไปในทางที่ที่เป็นกุศลอยากคิดไปในทางที่เป็นกิเลสให้คิดให้คิดทำบุญได้คิดลา บ, บามาให้คิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนีเยกว่าสัมความ ทำมาสังคโปรแบบที่ถูกต้องความคิดกับควาเห็นมันไปด้วยกันอ๋อคิดก็เห็นแล้วก็ทําพูดพูดแล้วก็เพียนก็คิดเป็นตามที่เราเห็นถ้าเราเห็นมันเป็นตายรักเราก็จะคิดว่าเราเราก็จะคิดอยู่เรื่อยเรื่อยเางกเป็นตายลรักก็คืออย่างอย่างสวุเทสหนูอย่างเงี้ยถ้าคือ คิดอยู่ในใจว่าอ้าวมันจะเป็นโลกก็เป็นใช่ไหมพ่ อ, อ น, นี้ก็เป็นตายลักคิดว่ามันไม่เทียมร่างกงงงายมันไม่เทียมเกิดแล้วต้องเจ็ต้องเจ็บต้องตายค่าห่ออันนี้ก็เรียว่ามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังคโปปมีความเห็นหน้าร่างกายไม่เทียมก็คิดว่าคิดอยู่ในนี้ว่าไม่เทียมกันเวลาที่ไปคิดจะประยาดให้มันเทียมถ้าคิดปราอยาดให้มันเที่ยมมันแสดงว่าเป็นกีเลส มันไม่ตอบกับคามจริงค่ะนะค่หลวงพ่อหนูก็จะพยายามแต่หนูก็ยังปฏิบัติดูนะคะหลวงพ่ อ, อ, อก็ต้องตั้งสมาธิ น, นะสมาธิเป็นพรานของจิตนะค่ะใช้ปัญญาอย่างเดียวเดี๋ยมันหมดกําลังได้ต้องไปชัดใหม่ชัดกําลั ง, งชัดรูเบคาหนูเสาเนี้ยจริงๆแล้วหนูจะไปจะไปวิเวกค่ะหลวงพ่ อ, อ, พอทีเนี้ยพอเป็น เป็นแบบเนี้ยมันก็เลยเขาต้องตัดตัวเขาไม่ให้ไปใกล้คนอื่นนะคะหลวงพ่อแล<ร>้วหนูวิเวกที่บ้านน่ยนะหนูเลยต้องมาอยู่ที่คอนโดคนเดียวก็เลยต้องก็เิยก็เหมือนวิเวกนะตอนแรกจะไปที่วัดนะคะหลวงพ่อวัอดได้ก็เป็น<ๆ>วัดนัเนี่ยวัดเนี่ยคอนโดก็เป็นวัดแล้วถ้าอยู่คนเดียวก็เป็นวัดได้นะค่ะหลวงพ่อค่ะทํางานที่บ้านไปแล้วก็ปฏิบัติไปใช่ไ้ย ใช่ค่ะหลวงพ่อโอเคค่ะวันนี้หนูมีคําถามเท่านี้ค่ะหลวงพ่อสาธุขอบพระคุณสาธุค่ ะ, ค, ะคุณการจะนี่ปิดกล้องไม่ทราบว่าได้ยินเสียงไหมคุณการจะนี่ามาแล้วต้องการถามว่าเปิดไมได้ไม่เปิดกล้องมาได้ไม่ว่ากันไม่เปิดเสียงก็แล้วกันให้ได้ยินเสียงก็แล้วกันอันมิวไมโครโฟนนะ ไม่มีคำตอบจากสวัสดนนี้ได้ได้ยินเราไหมฮะเมื่อกี้็นขยับเนเป็นภาพขยับอยู่มันก็หายไปเยตามมาทีหนัง่าละกันนะตามไปที่คุณประยนก่อนอะไรไม่เสียเวลามันปรโยนอยู่ที่ไหน 5, เ, เสียไม่มาคุณปรโยนมีปัญหาตอนที่คุณเข้ามาแร้วแบบนะครับ เงินไปที่คนดีวีจคุณประโยชน์พยายามนี่ยเด็ดคับคุณประโยชน์เสียงไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวาจะต้องออกเขาก็ได้ค่ะว่ามใช่มีปัญหามไหมคุณประโยชน์หายไปนะ เดียนบบที่คุณยูที่มาครับอาจารย์รออรครั บ, บว่ามาว่ามามีคำถามอะไรบ้างครับการเดินข อ, อขอขอบคุณพระอาจารย์ครับที่ทำให้มีให้มีฉันพระในการฝึกจิตนะครั บ, ค, รบคำถามผมกลัวลืมผมจดไว้ทีแรกนี่ผมนั่งสมาธิเนี่ยกำหนด ทีแรกๆเลยกดกำหนดพุดโทโธตามลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโททีนี้รู้สึกว่ามันยาวไปพุโทโธพุทธโช่วงระหว่างที่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็จะมีวักแป๊กบ้างผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพุโทโธอย่างเดียวไม่ไม่ตามลมแล้วทีนี้ลมกลับมาตามคำว่าพุทธโธทให้หายใจนี่เหมือนมันจะเหมือนจะถี่ขึ้นเหมือนเหมือนเร็วขึ้นครับอาจารย์ อย่าไปสนใจลมเลยถ้าเราใช้พุทโธ ม, มันลมมันจะถี่จะไม่ถี่เรื่องของมันให้สนใจอยู่กับพุทโธคําเดียวครับผมแต่บางทีลมมันลมมาตามเองเนาะก็ช่างมันไปไม่ต้องไปสนใจให้เราสนใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วเราสามารถพุทโธเลยวก็วได้พุทโธชาก็ได้นำความพอใจแล้วอีกคําถามเลยครับเพราะว่าสงสัยว่า จิตหรือว่าหรือว่าจิตวิญญาณของของคนเราเนี้ยมันอ่าสิงสถิตอยู่ตรงตรงจุดไหนครับใจสมองหรือว่าอ๋อไม่ไม่อยู่ในร่างกายนี่เลยมันมันไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดไม่มีอะไรอมันเป็นความว่างเหมือนกับเป็นความว่างแล้วมันไม่ต้องมีที่อยู่นะเนื่องนั่ไม่ต้องมีที่มันแต่มันสามารถที่จะอมา ก็ะติดกับร่างกายทางตาหูจมุกเน้นกายได้มารับข้อมูลทางตาหูจมุกเน้นกายและสามารถสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆได้ดเนี่คือเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนี้นครับตอนทีแรกก็แต่ก่อนนะคิดว่าจิตเนี่ยสถิตยอยู่ที่ตรงหัวใจก็พอคนเราเปลี่ยนถ่ายหัวใจได้ก็ไม่ไม่ใช่ ไเ่ียนหรอกจิตไม่มีในร่างกายไม่มีจิตนะ<ม>ไม่ต้องไปกังวลว่าอยู่ที่ไหนปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหรือไม่อยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ว่าเราทําให้มันไม่ทุกข์ได้หรือเปล่าเนี่ยครับหมดคําถามแล้วครับโอเคอ่านี่ไปที่คนดูวีดีตอนวันนี้จิต อ, อยู่ที่ไหน ยังไม่เปิดอะไรใหม่ต้องเปิดต้องกดอันนี้สำคัญได้ยินไหมคะพระอาจารย์คะได้ยินแล้วได้ยินค่ะกลับในมาสการค่ะพระอาจารย์ขาอยู่ออสเตรเลียซิดนีย์ค่ะพระอาจารย์อ่ายินดีต้อนรับเป็มาครั้งแรกนะไม่ค่ะพระอาจารย์เคยมาแล้วคะ่ะมากับสามีตอนนั้นคะ่ะอ่ามีคำ<ล>ถามอะไรไหมเออเป็นเหมือนกราบขอคำแนะนําเมตตาจากพระอาจารย์ว่าอืมช่วงเนี้โยมมีมโนกรรมคะ่ะพระอาจารย์ขาแบบ เวลาสวดมนต์เนี้ยค่ะปกติโยมก็จะจับภาพพระพุทธธรรมประสงค์ใช่ไหมคะตอนนี้โยมสวดคาถาหลวงปู่ดูอยู่โยมก็จะชอบจับภาพท่านแล้วก็จะทำให้จิต ด, ดีขึ้นแต่ว่าช่วงเนี้ยเวลาลืมโดยเฉพาะที่เวลาลืมตาค่ะมันจะขึ้นเป็นคําหยาค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ถ้าหลับตาไม่เป็นไรค่ะโยมกข็ขอขมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าทําไมมาถึงขึ้นมาช่วงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ทําให้จิตตกมากเลยค่ะ ก็อย่าไปสนใจมันเท่าว่ามันเป็นวิบากเป็นเป็นอนัตตามันอาจจะเป็นผลที่เกิดจากวิบากที่เราไปคิดไม่ดีใน่ดีมันยังฝังอยู่ในใจก็รับรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนมันยิ่งไปเปลี่ยนมันยิ่งเครียดเนี่ยยิ่งไปบังคับยิ่งไปห้ามมันยิ่งยิ่งเครียดเนี่ยเราเนี่รับว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้ากันมันจะมาก็ปล่อยมันมา อย่างนี้จะมีกรรมไหมคะอาจารย์ไม่มีไม่มีกรรมอะไรถ้าเราไม่ไปทําตามถ้าเราไม่พูดไปทางวาจาด้วยทางการกระทําด้วยนี้ไม่มีปัญหาถ้าเราไม่สติอย่ไปทําตามมันก็แล้วมันที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราเคยอัดฝังไว้อยู่ในใจเรามันก็ถึงเวลามันก็โผล่ขึ้นมาะพรจถ้าเรารู้นไม่ดีเราก็ไม่เข้าไปยุ่งเหมัอนกันนี่ค่ะแต่โยมก็จะเออ ขอขมาตลอดเลยค่ะก็ขึ้นตึกถ้ขอขอมาแล้วสบายใจโอเคถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีเจตานาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนมันขึ้นมายอมก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราน ะ, ะเพราะว่าสําหรับตัวเราคือพระพุพพทธธรรมประสองเราไม่มีข้อสงสัยแล้วค่ะเพราะจะเรานับถึงจากจากใจเราจริงๆแล้วค่ะก็อือแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกทําไมมันขึ้นกับกับเราอีกแบบเนี้ค่ะเอะะมันจะขึ้นมาก็ให้ใหมันขึ้นไปเมื่อเราห้ามมันไม่ได้ มันมองว่าเป็นเหมือนดินฟ้าก่ะที่เราห้ามไม่ได้ครับพนจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไปค่ะขอบคุณค่ะแล้วถ้าเรามีโอกาสทําได้ก็ใช้พุทโธพุทโธก็จะหยุดมันได้เป็นพักๆไปขอบคพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะพระเจ้าค่ะอย่าไปอยากให้มันไม่มาออยิ่งอยากมันยิ่งเครียดยิ่งทุกข์มันยิ่งไม่สบายใจออืห้ามันไม่ได้มันเป็นอนัตตา แล้วเราจะทําอะไรให้เราชนะมันไม่ได้เลยอะค่ะพระเจ้าเดี๋ยวถึเวลามันก็หมดไปเองเป็นอนิจจ์ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หมดไปเองถ้าเราไปยุ่งมันก็มือนทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันมันก็ยิงยิ่งต่อยาวไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดทะเลาะกับมันนั่นเดี๋ยวมันก็มันก็หายไปค่ะโอเคค่ะพระเจ้าขอบคุณค่ะเพรว่าถ้ามันมันไม่หายก็อย่าไปเดือดร้อนกับมันแล้วก็ปล่อยมันอยู่ไปอ่า อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่มาแล้วมันจะทําให้เราเครียดไม่สบายใจออแล้วว่ามันเป็นเป็นเรื่องสุดวิสัยไม่ใช่อยู่ในวิสัยของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้คิดอย่างนี้มัน<อ>เป็นเรื่องของความคิดที่มันจะคิดเองขอบคุณค่ะคุณเชอร์ขอบคุณค่ะโอเคมีท่านี้เหรอมีเมื่อขออีกคําถามได้ไ่มคะคือเพิ่มมีเมื่อวานค่ะพระจังค่ะเ อ, อช่วงที่ โยมนั่งสมาธิอยู่ค่ะนั่งไปสักพักหนึ่งวัดเมื่อวานนับวัณ3ามชั่วโมงค่ะแต่ว่ามันจะมีแบบชั่วโมงสุดท้ายค่ะรู้สึกว่าตัวมันจะชอ็อตแบบเหมือนไฟฟ้าชอ็อตนี่ค่ะแต่โยมก็พยายามเอ่อตั้งหรือรู้อยู่ว่าโอเคอาการเหมือนมันเกิดขึ้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะมีแสงมีเหมือนคล้ายๆแสงภาพขึ้นมาเป็นสีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงค่ะโยมก็อตั้งอยู่รู้อยู่ช่างมันดับไปพยายามมีสติ แล้วคราวนี้ก็จะมีเสียงระเบิดมาที่หูแบบดังมากเลยค่ะพระอาจารย์แต่โยมก็เลยจิตแบบหลุดออกมาอย่างค่ะก็เลยหลุดจากสมาธิมา อ, มอย่างนี้แปลว่าเราสมาธิเรายังไม่แน่นใช่ไหมคะพระอาจารย์เออสติเราตอนนั้นไม่ดีอะไราาออกมาถ้าเราอยากจะให้มันอยู่ต่อไปแล้วก็พุโทโธต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับภาพที่ปรากฏขึ้นมาโอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะต้องมึกให้ดีแต่ไม<อ>่ไม่มีปัญหาอะไรออกมาก็ได้ ออกมากลับเข้าไปใหม่ก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นอนัตตาก็แล้วมันไม่ต้องความคิดมันก็เป็นอนัตตานะเดี๋ยวเราเราไม่น่าที่ศักแต่ว่ารู้เท่านั้นรู้ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปบไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปอยากไปจัดการกับมันแต่อย่างไรนะแล้วใจเราจะไม่ถูกกับมัน ค, ค่ะโอเคนะ เมื่อข่าวก่อนสายปีแล้วพาสามีไปกราบพระอาจารย์ที่วัดนะคะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขายังแบบดื่มเหล้าอยู่บ้าง น, นิดหน่อยแต่ตั้งแต่กลับมาที่กราบพระอาจารย์เขาก็ถือศีลห้ามาตลอดเลยค่ะพระอาจารย์คั ะ, ะจนหกปีแล้วค่ ะ, ะเขาก็ตั้งมั่นปฏิบัติตนนี้ไปกลายหัวโยมแล้วอ่าดีเรียว่าเราเป็ น, น, นสามาราบุญเลยครับว่าแล้วกันค่ะ ตอนนี้แข่งกันแบบเขาสวดมนต์ฉันต้องสวดมนต์กลายเป็นแบบว่าต้องเอาชนะกันเออดีแข่งกันทําให้เป็นลายไม่ <c oughs> ไมใช่แ <c oughs> <c oughs> ข่งกันตลอดเ <c oughs> ออดี <c oughs> รารไปถึงนี่พานดูว่าใครจะไปถึงนี่พานก่อนกันใช่ค่ะเพราะเขานั่งเราต้องนั่งเขาสวดเราต้องสวดรู้สึกไม่ได้ออไม่ไ ด, <c oughs> ได้เดี๋ยวไม่โดนขาดทนเดี๋ยวตามเขไม่ทันใช่ค่ะกลัวมันเป็นกิเลสไหมครับแบบนี้อาจารย์เป็นอันี้ก็เรยเป็นทางธรรมเป็นฉันทาฉันทาวิริยะ มีเป็นที่บาศีขอบค่พระเจ้าค่ะความยินดีในธรรมนี่ถือว่าเป็นเป็นธรรมย่อเป็นกิเลสถ้ายินดีในลามก็่สรเสริญสุขถึงจะเป็นกิเลสขอบคุณค่ะพระเจ้าค่ะที่แม่ท่าไปที่คนอาทิตย์ต่อคนลาทิตสีอยู่ที่ไหนสการณ์ไทยชสมพรค่ะอาจารย์ชุมมีคาถามไหมไมีค่ะ อ่าเชิญถามได้เลยจะจะให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการเจ้าท่าสิบแปดอ่ะอะไรนะท่าสิบแปดท่าสิบแปดเรารู้เพียงแต่ท่าหกเท่านั้นเองอ๋อเราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นให้รู้ร่างกายนี่ร่างกายนี้มีท่ามีท่าทั้งหกเ่ยเคยมีดินน้าลมฝ่ายเป็นส่วนของร่างกายแล้วมีท่ารู้เคยจิตมามาเกาะติดร่างกายแล้วก็มีท่าน อากาศอากาศจะท่าก็เกิดความว่างเป็นที่ตั้งของร่างกายอันนั้นแหละร่างกายนี่เดี๋ยวมันก็ท่ามันก็จะแยกออกจากกันตอนนี้มันเป็นตมขนเล่นฟันปัญญาการสามส่บสองเวจากันหนึ่งมันก็จะแยกตัวน้ําก็ออกไปดก็คื อ, อก็คือแบบว่ายมก็จะก็ะพิจารณานะแบบว่าเหมืนอนจิตมันจะถนัดอ่าไปทางอ่าสามสิบสองนะคะ แล้ทีนี้ก็พิจารณาไปโยมก็อ่าก็ก็ฟังอาศัยฟังทำอะไรแบบเนี้แล้วก็พิจารณาอนุโลมปฏิโลมเองนะคะแล้วก็ทีนี้ก็มันก็พิจารณาทีนี้ก็มันเหมือนจิตอ่ะมันมันมันไม่พออาจารย์พระอาจารย์คือมันอยากจะรู้แบบตอนแรกก็คือปฏิบัติเองแล้วทีนี้จิตมันไม่มันไม่มันไม่เกิดปัญญาไงแล้วทีนี้ก็จะทํำยังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยยกจิตขึ้นลองพิจารณาเรื่องธาต เรื่องธาตุเรื่องขันด้วยค่ะอาการสามสิบสองะไรเงี้ยบางทีก็ดูลมหายใจแ ล, แล้วแต่จะเอามาใช้ในเหตุการณ์แต่ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถูกไหมคะถ้าพิจารณาถ้ามันปล่อยวางได้ก็ถูกแล้วทีนี้แบบ ว, ว่าอเออก็ไล่ยมจะไล่ไปเรื่อยๆผมอะไรเงี้ยก็ไล่ขึ้นไล่ลงทีนี้มันก็เอ๊ะมัน ทีนี้มันก็เหมือนกับจิตมันก็จะไปแบบไปแยกธาตุเงี้ยเห็นเลือดอย่างเช่นเลือดอย่างค่ะโยงก็จะแยกเป็นแบบว่ามีธาตุน้ําดินลมไฟเนี่ยถ้ามันออกไปแล้วมันก็จะเป็นอย่งนี้อย่างนี้อะไรเอนกันพายจาง<ค>เอาวางร่างกายกพิพาจารณ า, าแล้ทีนี้พอพิอจารณาไปแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรมันก็มันก็ย้อนเข้ามาดูจิตแบบว่ามันมันยังไม่ใช่อย่างเงี้ยพายจาง อ๋อมันก็เลยยังไม่ปล่อยวางมันก็เลยไม่ใช่ไม่ปล่อยวายงและต้องปล่อยวางมันไม่ใช่ตัวเราอือตัวคำว่าตัวเรานี่เป็นความหลงเราไปยึดไปติดมันมันเป็นเราควาจริงเราเป็นตัวรู้ธาตุรู้ค่ะมันจะเป็นธาตุรู้แต่มันไม่ปล่อยใช่ไหมว อ, อาธาตุรู้ต้องปล่อยท่านุดินน้ํำลมไฟต้องปล่อยใช่ไหมคะไม่ต้องไปวิตกกังวลกับท่านท่านุดินน้ํำลมไฟ มันถ้ามันจะแตกมันจะดับก็้งแตมันแตกมันดับไปมันต้องแตกดับสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เลยถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะมันจะมันจะถึงที่สุดได้มันจะมันจะปล่อยแล้วมันจะเบาจะน่องจะเย็นจะสบายพิจารณาให้ปล่อยอย่าไปเห็นว่าเป็นตัวเราอย่าไปเห็นว่าเราเป็นเป็นชื่อคนนี้คนนั้นนั่นเป็นสมมติเท่าน ความจริงมันกือเป็นเพียงดินหน้ามุมไฟ ม, มารวมตัวกันมันเป็นอาคาร3 3> <2 S 3> ิั้นทสองเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆไปเดี๋ยวมันจะแจ้งเองอมันจะแจ้งตอนที่เราทุกกับมันแล้วเราปล่อยมันได้อ๋อนัาไเปหลอกมัยึดไปติดกันตัวเราอวาจริงมันก็เป็นแค่ดินหน้ามุมไฟนพอเห็นว่ามันเป็นดินหน้ามุมไฟแล้ก็หายทุกไม่กังวลว่ามันจะติดโควิดเราไม่ติดมันจะตายแล้วไม่ตายไม่กังวล บางทีมันมีเวทนาเกิดขึ้นโยมก็ถามมันว่าก็เราก็ดูแล้วก็มันก็ไม่แข่งขาอะไรบอพวกนี้ไม่ใช่แต่จิตของเรานี่มันไปยึดใช่ไหมพระอาจารย์เวทนามันไม่ใช่นั่งกายแต่มันเป็นอาการที่ที่มีร่างกายเป็นทําให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะแตกตรงนี้ได้ยังไงคะพระอาจารย์ก็พิจารณาว่ามันมันเป็นอนัตตาเนี่มันมันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินน้ำลมใสเหมือนดินฝ้าอากาศ มันเกิดดำบหมืนดำเหมือนฝนตกแดดออกไม่้ปสั่งมันไม่ได้ไปสั่งให้มันหายไม่ได้เวลามันเกิดก็ต้องทนอย่างเดียวใช่ไหมคะอยู่กับมันไปไม่ต้องทนอยู่กับมันไปเฉยๆอยู่เฉยๆไปมันจะอยู่ก็อยู่มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปมันไม่ไปก็ให้มันอยู่ไปตามเรื่องมันอย่าไปยุ่งกับเขาท่านเอง ใจนะลองปฏิบัติไปดูน ะ, อะ้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางนะ่าจะรู้สึกเบาโล่งเย็งสบายอเอาแค่นี้ก่อนนะโอเคท่านยินไปที่คุณญสิตก่อนนะคุณญสิตนมัสการคระประจานมีคําถามไหม มีคำถามครับอาจารย์ว่ามันคือว่าอ่าอ่าอย่างอย่างเราปฏิบัติปฏิบัติอยู่นะครับพระอาจารย์แล้วเรากลัวว่าอย่างเราเราไม่สําเร็จไม่สําเร็จเป็นพระอริยะอะไรสักขั้นเลยในใ น, ในชาติเนี้ครับแล้วเราจะมีแบบว่าอ่าอะไรการันตีให้เราเราแบบคําคําอธิษฐานหรืออะไรที่แบบว่าให้เราแบบชาติต่อไปเนี่ยขอให้เราแบบปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปนะคือให้ อย่าให้ตกต่ำมากกว่านี้นะครับอะไรบาบเนี้ยครับมันมันมีอะไรที่พอพอจะจะสารต่อในในในในในจุดที่เราทาอยู่ตรงเนี้ยครับได้ได้บ้างไหมครับอาจารย์ก็มีทางเดียวก็คือการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัตไิไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยต่อไปเราไปเกิดชาติหน้าเราก็จะปฏิบัติต่อได้ก็ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราได้สักขั้นอย่างพระโสดาบันเนี่ยออก็ก็จะ ไ, ได้แตบว่าเกาะบันไดไปแล้วอย่างเงี้ย แต่กลัวว่าถ้าไม่ได้นะครับแล้วเราจะจะจะจ ะ, จ ะ, จะมีจิตใจที่จะสารต่อตรงนี้ไปได้เกิดจากที่เราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนี่มันก็จะเป็นนิสัยติดที่กับเราไปครับผมพอชาติหน้าพอถ้าเกิดว่าก็พอมีที่ไหนไปปฏิบัติได้เราก็จะไปปฏิบัติทันทีครับผมแล้วแล้วอย่างอย่างอย่างอย่าง อย่างกายะะสะสะกายะทิถิอะไรนะคัสักกายยะทิถีอะไรเนี่ยคือดั่งร่างกายเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยคือเหมือนทฤษฎีเนี่ยรู้รู้ว่าเอ้ยร่างกายเนี่ยเป็นธาตุสี่นะดินน้ําลมไฟอะไรไหมนะครับอาจารย์แต่ว่าด้วย ป, ปัญญาเนี่ยไม่ไม่เห็นไม่รู้คือถ้าถ้าวันหนึ่งเราจะเห็นจะรู้เนี่ยมันมันต้องรู้ได้ยังไงครับพระอาจารย์คือแบบเราพิจารณาดูไอดูร่างกายเวลาตายไปนี่มันกลายเป็นอะไร่ะใช่ไหม ถ้าร่างกายเราที่ไม่เฉยๆสิ่งที่แรกที่มันหายจากร่างกายคืออะไรก็คือลมใช่ไมลมไม่เข้าไม่แต่ลมออกเป็นทุกเดืนออกมานนี้ก็เป็นท่าตุลมแล้วถ้าเราไม่เอาไปเผาเราที่ไม่เฉยๆให้มันเน่าออนี้เดี๋ยวท่านน้ําก็ไหลออกมาน้าเลือดน้ำเหนืออะไรที่มีในร่างกายก็จะไหลออกมาจะเป็าานธาตในที่ส่วนมันจะแห้งก่อนในส่วนจะแห้งก่อบมันก็จะผุพางกายเป็นดินไป นี่ยเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันทำมาจากดินน้ำลมไสตัวเราค้นหาในร่างกายนี้ไม่มีเราไปสมมติไปคิดว่ามันเป็นเหล่านนี่นะความจริงมันเป็นเพลงดินน้ํำลมไฟต้องพิจารณาให้ถึงถึงขั้นที่มันกระจายหายไปร่างกายตายไปมันถ้าไม่เอาไปเผาไม่ไปทำไม่ปล่อยไม่ที้ไม่เดี๋ยวมันก็จะ มันก็จะแยกของมันไปเองน้ำก็จะออกไปทาลงลมไม่ออกไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งที่เหลือก็เป็นตินไปกระจายเลยคือคือด้วยตัวผมเองเนี่ยผมจะจะพยายามบอกตัวเองอยู่อยู่ตลอดตลอดว่าต้องตายนะชีวิตคนเราไม่มีอะไรนะเหมือนเหมือนเราไปไปเห็นคนแก่ไปเห็นพยายามสอนว่าเฮ้ยเนี่ย เขาอยู่ไปเพื่อรอความตายเองไม่ว่าเขาหรือเราเราก็รอเพื่อเพื่อความตายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบา ร, รมีเพื่อสร้างสารต่อตรงนี้ครับอาจารย์มันมันมันถูกไหมครับอาจารย์คิดได้นะก็ทําไปถ้าที่เราทําได้การปฏิบรรัติทำนี่มันก็เป็นการสร้างบารมีไปเรื่อยๆดีกว่าเหมือนจะเป็นการสร้างบ้านถ้าสร้างบ้านวันนี้ไม่เสร็จก็พรุ่งนี้ก็ไปสร้างต่อ ถ้าสร้างบ้านสร้างนิพพานในภพนี้ไม่เสร็จชา้ิหน้าเราก็ไปสร้างต่อถ้าเราทําไม่หยุดมันก็จะมันก็จะปิดเป็ น, นสายไปไม่ต้องกังวลขอให้ทําก็นแล้วกันครับพระอาจารย์นะโอเคนะครับพระอาจารย์ขอบขพระคุณครับพระอาจารย์คุณธนวัตรเชิญคุณธนวัตรอยู่ทไหนครับไม่ไม่มีคําถามครับพระอาจารย์ ผมเพิ่ง เ, เข้าม า, าจา<ะ>กนครราชสีมาครับปัดช่องครับโอเคงั้นขอไปท่านต่อไปนะเพราะว่าเวลามันจะจะหมดละคุณคุณนภัสใช่ไหมคุณนภัสได้ถามให้ยังเปิดไมค์ก่อนคุณนภัสนภัส ก, การครับอาจารย์ครับมีคำถามว่า บวชในพรรษากรื อ, อนอกพรรษานี่ต่างกันไหมครับไม่ต่างอการบวชเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมที่ปัญหาคือว่าส่วนใหญ่ทางวัด น, นี้จะมีการสอนในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นเองอืมถ้าทําการเรียนเองก็ได้เราบวชตอนไหนก็ได้แล้ว เ, เอาหนังสือมาอ่านเองก็ได้แต่ต้องเรียนอย่งนี้้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรครับ ขอบคุณครับบาจาโอเคครับอย่าคุณคันชิตต่อขันชิตอยู่ที่ไหนคอยมาอีกครันได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินอยู่อยู่ใต้วันครับมใต้วันบ้านอะไรมีคําถามอะไรไหมก็มีครับมีปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เกิดที่ ที่ที่เป็นอุบัติเหตุเจ็บขาครับเป็นใสเ่เหล็กไว้ที่นี้มันเกิดเวทนาครับนั่งสมาธิไปนานๆแล้วมันเกิดเวทนาไม่ยังไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปครับเพราะว่าถ้าเรานั่งนานไปก็จะไปทํางานไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องหยุดไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาทางร่างกายที่เราทาอะไรไม่ได้ก็ต้องอยอมรับกับสภาพไปว่าเราทําได้เท่านี้ เราก็ต้องรักษาร่างกายด้วยไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็ทําให้ร่างกายพังแล้วทําอะไรไม่ได้ต่อไปครับทํานที่เราทําได้แล้วกันครับนะะใจนะ บ, บ้านอยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้ถามไม่อยากเดินไปบ้านอยู่บ้านอยู่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยเไปที่พวกปุบผาปุบาปุพาผพ า, ผพ า, ผพา ยังไงพ่อไม่ยังพูดปะมุกไหมพอมแล้วค่ะกลับบ้านมากลับพราองกับฟั่งมั่งกันอ่าเรื่องไรกาเวลาจะหมดนะสบายดีทุกคนนะส บ, สบายดีค่ะตั้งใจต้องเสียกันเชียังน้ำพ่อแม่นะ อ่ามีใครมีคําถามอะไรไหมตอนนี้ย้ายมาชัน้นยังไงม่มีคําถามอะไรใช่ไหมไมีมีา ม, ม, มากกวมากาตัวกลาโอเ ค, อเคดีใจที่ได้พบปะได้เห็นหน้าตากันทุกคนนะจนทุกคนแล้วับกาปลอดภัยลาชูค่ะหนขอไปที่ท่านต่อไปเลยนะค่ะเรียวเรียวจากอภิชาเชิญเรียวยนะ กับคุณแม่วันนี้เขาแจ้งมานั้วนะว่าได้อเงินเข้ามาให้นะ้าธุสาธุกลับการมาการเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกที่วันต์มันเกิดมันเกิดเดีวครับมันเกิดเวครับวันที่วเดยสครับวันที่ยี่สิบห้าวันอาทิตย์วัดพ่อบรรษาเจ้าค่ะหลวงพ่อขับพุณหลวงตาขอบหลวงตาขอบให้หลวงตาอวยพรให้ด้วยหลวงตาไม่ดี ก็คอยเดียวมีแ <niño> ต <sharing> ่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดคอยสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการเถิดสาธุขอให้มีเจ้าคู่มีปัญญามีต่างตังทำให้ฉลาดให้มีปัญญาเล่นเก่งๆจบปัญญาต้องเติมเลยนะสาธุสาธุเจ้าค่ะจับขอบขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่มีคำถามใช่ไหมไม่มีเจ้าค่าหลวงพ่อเจ้าค่ะฟังหลวง คือฟังหลวงพ่อแล้วพอมีคําถามขึ้นมาแล้วมีคนถามถามแทนดีแต่้องทมเจ้าสาวบางทีพอมีคนตอบก็มาแล้วก่อนหลวงพ่อจะจะตอบตอบมาก่อนหลวงพ่อเจ้าค่ะไปหลวงพ่อมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะยาสาเจ้าจ่ายาสาเพื่อเจ้าไปก่อนนะเดี๋ยวไปที่คุณกาญจนีต่อ ขอประคุณหลงทอล่อจ้ามีการชนีได้ยินไหมเปิดไมค์เปิดอยู่ที่ไหนตัดไปแล้วได้ยินค่ะตนนัดไปแล้วพระอาจารย์ค่ะเอะมีคำถามอะไรไหมป้ามีค่ะเมื่อก่อนนะคะหนูเคยไม่สบายเลยนอนเลยไม่ค่ะหนูตอนนี้อยู่อยู่วัดค่ะปฏิบัติธรรมอยู่วัดค่ะอะ อยู่ที่จังหวัดสุลินค่ะสุริ น, นทร์เนอะการถามคืออะไรอเมื่อก่อนหนูเคยมีจิตที่หนูเคยถามผูาจาร์นานและค่าหลายปีแล้วที่ว่าหนูมีจิตที่ปลุกกระปกแล้วจิตนั้นเป็นเปลี่ยนเป็นจิตสมาธิจะเป็นจิตว่างขณะที่หนูตอนนั้นหนูยังทํางานอยู่นะผูา้จาร์บอกว่าหนูสติน้อยแล้วต่อมาหนู ก็คือว่ามันเกิดขึ้นเองเหมือนหนูอยู่ดีๆแล้วเหมือนเหมือนเข้าผวังหรือเปล่าหรืไม่เป็นค่ะอาจารย์เหมือนมันรูปเข้าไปเลยแต่หนูรู้ว่าหนูรูบเข้าไปหนูอยากคำถามมีคําถามอะไรหนูอยากถามหนูอยากถามผ้าจารย์ว่ามันเกิดได้ยังไงคราวรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เข้าใจค่ะอ๋อเป็นเรื่องของจิตเนี่ยบางทีมันอยากจะวูบมันก็วูบขึ้นมา ใครรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจค่ะค่ะค่ะหนูถ้ามันงูเรามันเด้งมันสวบก็ดีค่ะค่ะค่ะค่ะค่มันก็งูค่ะอ่าแล้วต่อไปก็ใช้พุทโธพุทโธไปแล้วมันก็งูเลยค่ะค่ะค่ะค่ะหนูไม่ได้ถามพระอาจารย์ตั้งหลายปีค่ะก็หนูกลับไปอยู่บ้านคือเมื่อก่อนหนูอยู่พัทยาหนูก็จะไปปฏิบัติตามที่ที่วัดยา อันนี้มีชนิดใช่ไหมค่ะค่ะค่ะโอเคนะจะไปที่ต้นต่อไปคือสตาร์เตอร์อีกครั้งหนึ่ะอาจารย์อันนี้เสียงมาอย่างพูดเดยวสิไม่มา่ไม่มามันไม่มาเลยที่หูฟังลองถอด้องเสียบใหม่ได้ไหมหรือไม่ต้องใช้หูฟังแต่ไม่ใช่เสียงของเครื่องอยู่นะถอดถอดสายออกเลยออกจากเครื่องเลย แล้วกดเปิดใหม่ใหม่อ่าเราพูดอยู่นี่ไม่ใหมใช้ภาษาบ้านเรไม่เป็นเราจะพูดยังไงต้องขอไปด้วยนะจดสารเตอร์ก็อาศัยฟังไปก่อนขเราเท่นี้นะเพราะมันไม่มีคุยกันไม่ได้ ไ, ไปดี่ยดพถอนพรมจอดมันถอนพรม ตอาฟพอมอยู่ที่ไหนนามสการค่ะลายอยู่ที่ไหนค่ะอยู่แถวกราฟอมค่ะโอเคมีคำถามไหมค่ะอยากทราบว่าเอ่อตามตปกติแล้วค่ะถ้าคนปฏิบัติธรรมก็คือจะฝันเห็นถึงสิ่งอนาคตว่าเราจะไปเจออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามาเจอณนะจุดตรงนั้นแล้วค่ะแล้วเรา แล้วพอเรารู้แล้วเราจะเราจะปฏิบัติธรรมเออมืนช่วงเช้าเราจะยังสติเรายังไหวอยู่เพราะว่าช่วงดึกหรือว่าตอนเช้าเราจะมีฟังธรรมสวดมนตใช่ไหมคะช่วงเช้าก็ยังไหวแต่ว่าตอนบา่บายเขาจะแบบฟังเพลงกันงนะคะก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าความคิดหรือว่าจิตอะคะ่ะมันหลุดออกมันจะพยายามหลุดไหลไปตาม เพลงที่เขาเปิดแล้วก็แล้วก็เออมันจะไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกเหมือนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีแก้ก็คือช่วงแรกๆ ก, ก็ฝังทำฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆอะค่ะแต่ว่าเหมือนช่วงหลังพอเขารู้ว่าเออหนูเปิด ยูทูบฟังธรรมะหรือว่าฟังสดมนเขาก็จะห้ามเปิดเียค่ะก็ก็เลยใช้วิธีว่าดูภาพภาพภาพาร์ทเื่อนใหมแทนนะคะค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคือรู้สึกรู้สึกว่าหววงจิตที่เคยปฏิบัติทามาะคะ่ะว่าว่ามันต่างกับตอนที่ช่วงบ่ายๆแล้วก็กลับมาก็คือจะนั่งสมาธิได้ไม่ไม่ค่อยได้เพราะว่า พอเราเข้าไปใกล้กับคนประเภทนัน้นก็จะเหมือนว่าอิทธิพลมันจะดูแรงกว่าธรรมดามทุกอย่างมันจะดูคอนฟิวไปหมดนะคะก็เลยอยากจะขอคำแนะนําว่าช่วงไปลายๆนี้ตาพอทำํำยังไงได้บ้างไหมคะก็ <c oughs> เราเอาอะไรอุดหูไว้ได้มั้ยเอาหูฟังเครื่องหูฟังอุดูไว้เพื่อที่จะได้ไม่ ไ, ไ, มได้ยินเสียงที่มานรบกวนใจนะครา เพราะว่ามันตรงนั้นเขาก็จะเปิดเป็นแต่และห้องก็จะเป็นส่วนตัวของเขาแล้วก็มันก็จะลอดออกจห้องแล้วเขาก็ห้ามปิดประตูตอนนั้นก็ก็ทําอย่างอื่นแทนก็แล้วกันถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้เราก็ทําอย่างอื่นแทนผ่านบ้านถือบ้านก็ออได้ไปก่อนก็ได้ใช่มจลยจลเะตะไปก็คือสัมผัส เม่ช่เมื่อนั่งไม่ได้เมื่อเมื่อเสียงรดบ้อบไม่เอื้อึ่มเลยก็ต้องก็ต้องรอให้มันเบียดไปก่อนมันจะหัวก่อนแล้วถึงไปนั่งต่อมันจะมีจุดที่ว่าเราจะไม่รับรู้อะไรได้ไหมคะที่ว่าได้ต้องต้องมีสติที่ ท, ที่ที่มีกําลังมากสามารถกําหนดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธหรือยู่บนมนมโดยที่ไม่สนใจเสียงแวดล้อมได้ เหมือนกับช่วงกับช่วงกลับมานี่ก็คืออัดสวดมนต์ฟังธรรมไปก่อ น, นค่ะไ ด, ได้ถ้าทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนอันไหนทำไม่ได้ก็รอไว้ก่อนแต่ว่าพยายามเหมือนพยายามนั่งสมาธิให้ได้มากที่สุดให้อยู่กับตรมหายใจให้อยู่กับกายเราให้ได้มากที่สุดใช่ไได้อยู่ได้เท่าไหร่ยิ่งดีได้ควบคุมความวาคิดว่าอย่าให้คิด เราก็เหมือนช่วงกลางวันนี้ก็คือเหมือนพยายามอดอาหารคือจะไม่ไปกินตามเขาเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพก็ดีมันจะได้ทําให้เราไม่ง่วงนอนไม่ค่ะแต่ก็ไม่มีข้อนะคะมีท่นี้ใช่ไหมแล้เมื่อกี้ถามว่า ม, มีห้องมาจากที่ไหนหนึ่งไปแนะมาจากกรทมค่ะกรทมนะโอเคนะะ ต้องรู้จักเลือกเวลาเลือกสถานที่แล้นถ้าตอนนี้ไม่เหมาะก็เอาเปลี่ยนสถานที่ดูถ้าเวลานี้ไม่เหมาะก็เปลี่ยนเวลาดูนะต้องปรับปรับเปลี่ยนตามตามกับตามกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโอเคน ะ, ะคุณสาตาร์เอยังยึดกรรมมาใหม่หรือเปาเนี้ยเนอะยังเหมือนเดิมเราเดิ น, น, นได้พูดได้ไหย บันไดดูที่อันมิ้วอผพูดดูเลยไม่มาเลยเสียงไม่มาเลยนังขอไป้วยนะว่าปัญหาคำถามผู้ที่เข้ามาหมดแล้วนะน้องไปที่เฟ e บุ๊กดีดีกว่านะอ่าคนร้านเฟบุ๊กมีทั้งหมดสิบแปดคำถามจากทางเฟ o บุ๊กยูทูบแล้วก็ยูทูบของแชนเนลด็อกเตอร์วีเจ้าค่ะโอเคว่ามาเลยเดี๋ยวประมาณสิบเจ็ดนาที คำถามนั้นละทีค่ะำถามแรกจากคุณปราณีกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตกราบเรียนถามเกี่ยวกับความฝันค่ะว่าการที่ฝันว่านั่งรถยนต์ที่วิ่งบนสะพานลอยที่ที่ไม่มีขอบกั้นทางต่อมาคิดว่าน่ากลัวอันตรายวันต่อมาก็ฝันซ้ําเรื่องเดิมแต่คราวนี้รถตกสะพานที่สูงมากๆจริงระหว่างนั้นคิดว่าตายแน่ จึงนึกภาวนาคำว่าพุทโธจนตื่นขึ้นมาในขณะพุทโธเหมือนว่าความตายจะหายไปหากเกิดเรื่องนี้แบบนี้จริงๆการตายขณะภาวนาจะมีผลต่อจิตของโยมอย่างไรและโยมควรทำอย่างไรต่อเจ้าคะโยวมยว่าโยมว่าจะทาตามที่โยมสอนนี่พ อ, อเกิดตการจะใกล้ตา ย, ายองพระพุทโธพุทโธไปแล้พุทโธจิตสงบจิตเข้าไปดี คำถามต่อไปจากคุณกวีนาเวลาสอนให้ผูกจิตไว้กับคําบริกรรมพุทโธหมายถึงให้ท่องพุทโธแบบท่องไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าลมเข้าหรือออกหรือหมายถึงให้ผูกคําว่าพุทโธไว้กับลมหายใจเข้าออกเจ้าคะก็ได้สองวิธีจะผูกกับลมไม่ได้ไม่ผูกกับลมก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเราชอบแบบไหนแล้วก็อแบบนั้น พูดโทอย่างเดียวก็ได้พูดโท่บวกกับลงก็ได้คาถามต่อไปจากคุณรวยทรัพย์รวยโชคการนั่งสมาธิสามารถป้องกันโลกโควิด -19 ได้ไหมคะไม่ได้หรอกพายยังต้องไปฉีดวัคซีนกันเลยแต่การนั่งสมาธิป้องกันใจไม่ให้ทุกข์กับโควิดได้ถ้ามีสมาธิเวลาเกิดโควิ 19, ดร่างกายเป็นก็ใจยังไม่ทุกข์กับ กับคววาาามเ็บไข้้ดป่่ยยงกคำถามต่อไปจากคุณกา น, นิกากราบนรมาสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากจะกราบรบกวนถามคําถามเจ้าค่ะมันคือสิ่งที่ล้องใจมาตลอดทําไมคนที่เขาทําไม่ดีถึงได้ดีเสมอเสมอทำไมคนที่ทําแต่สิ่งที่ดีๆกลับเจอสิ่งที่แย่ๆคนที่พูดโกหกมีแต่คนเขาเชื่อเขาเขา้าข้างเจ้าค่ะ ก็มันเป็นเรื่องของต่างวารรคยไงบุญกับบาปความดีความเชื่อทำวันนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะแสดงผลขึ้นมาวันนี้ส่วนผลที่ปรากฏในวันนี้มันอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการทํทนนาดีทําชั่วในในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับการปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกต้นไม้วันนี้เราไม่ได้หวังให้มันออกดอกผลวันนี้ส่วนต้นไม้ที่ออกดอกผลวันนี้มันเราไปปลูกมาเมื่อเมื่อหลายปีก่อน เราก็เลยออกด อ, อกอผลขึ้นมาเเราต้องต้องต้องพิจารณาว่าผลดีผลชั่วที่เกิดในวันนี้มันเป็นมันเกิดจากเหตุที่เราทําไว้ในอดีตส่วนเหตุที่เราทําไว้ในปัจจุบันนี้มันยังไม่มีโอกาสได้แสดงผลเราจะได้ไม่สับสนเฮ้ยทาดีแทบตายแล้วมันไม่ได้ผลดีเลยก็เพราะว่าเรากําลังรับผลที่เราทําความไม่ดีไว้ในอดีตมันมันส่งผลในตอนนี้เนั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณปูเป้กราบพระอาจารย์ครับปกติจะปฏิบัติสมถกรรมฐานและจะรู้ได้อย่างไรว่าเราพร้อมที่จะฝึกวิปัสสนากรรมฐานครับพระอาจารย์เวิปัสสนานี่เราฝึกได้ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเท่านั้นเองยังเว้นเวลาที่เราอยู่ในสมาธิที่เราไม่ไม่ไม่ฝึกวิปัสสนาพอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราคิดได้ก็คิดไปทางพิจารณาร่างกายว่าไม่เทียงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเรา แล้วก็ปล่อยวางให้ได้ท่านั้นเอก็เป็นวิปัสนาขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณมนตาวทำอย่างไรดีเจ้าคะเวลานั่งสมาธิแล้วใจไม่ค่อยนิ่งคะ่ะก็ต้องใช้สติให้มากขึ้นฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่งสมาธิพยายามฝึก ส, สติตั้งแต่เลืมตาขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาก็พูดโถพูดโธพูดโธค่อยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดแล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งได้ คำถามต่อไปจากคุณนัทพัฒนขอถามคำถามเจ้าค่ะพอท่องพุทโธมันทราบเหมือนหัวจะแตกเจ้าค่ะและโทสะแรงขึ้นควรทำอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ปล่อยมันไปให้อยู่กับพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับอาการเนื่อๆก็ติดกับพุทโธไปแล้วเดี๋ยวอาการนื่ๆมันก็จะหายไปเองไม่ต้องไปทำอะไรคาถามต่อไปจากคุณล้านเจ๊เล็กตลาดลงเรือ โยมไม่ค่อยได้ศึกษาข้อธรรมมากแต่โยมเวลานั่งสมาธิกายจะหายไปเหมือนจิตกับกายอยู่คนละส่วนแม้นเกิดเวทนาจิตจะแค่รู้ว่าเจ็บปวดเท่านั้นแต่จิตไม่สนใจจิตมักฟุก้งคิดถึงอนาคตโยมจะดึงเข้าพุทโธนานระยะหนึ่งจิตก็จะวูบเข้าสู่ห้วงอวกาศกว้างๆไม่มีขอบสิ้นสุดวูบเข้าออกแต่แบบนี้เจ้าคะ่ะ แล้วโยมจะต้องทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ทําบ่อยๆให้มันอยู่ในอาวากาศบ่อยๆเข้าข้างในบ่อยๆ อ, ออกข้างนอกเท่าที่จําเป็นที่จะเออกเวลาออกมาก็ใช้ปัญญาสมัคใจว่าทุกอย่างที่อยู่ข้างนอก น, นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเหาอย่ า, ยาไปอยากได้เดี๋ยวไปอยากมีอย่าไปยืดอย่ากไปติดเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จะต้องมีวันหมดไปคําถามต่อไปจากคุณโฟกัสในสิ่งที่ต้องการ หลวงพ่อมีวิธียังทำอย่างไรครับให้อยู่กับโซเชียลมีเดียได้อย่างไม่หลงกับโลกมายาครับผมติดโซเชียลครับกออ็ต้องก็ต้องบอกตัวเองว่ามันเป็นมายาเนี่ยมันเป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของจริงไม่ต้องไปสนใจมันจะดีกว่าอย่าไปอย่าไปเชื่ออย่าไปนี่ดีตามาที่เราได้ยินได้ยินได้เห็น เาาามม่ น, น, มนมายคำถามต่อไปจากคุณจิ๊บกราบขออนุญาตถามค่ะความอยากแบบใดที่ถือว่าอยากแบบไม่ติดกิเลส ห, หรือเป็นอกุศลเจ้าคะก็อยากทําบุญทำทานอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนีนะ่เป็นความอยากที่ฆากิเลสทําลายกิเลสคําถามต่อไปจากคุณพระธนิษ์ขอเรียนถามเรื่องการดูอารมณ์ค่ะ การยอมรับความเป็นจริงแบบเป็นกลางเราต้องผ่านการปล่อยอารมณ์ไปตามสภาวะที่มากระทบและเราจะต้องผ่านการเพ่งหรือการบังคับจิตหรือความคิดไหมคะเราถึงจะเข้าใจความเป็นกลางค่ะเราก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิให้ได้แล้วจิตก็จะเป็นกลางขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วต่อไปเวลาจิตสัมผันรับรู้อะจิตก็จะเป็นกลางจะเฉยเฉยไม่นับไม่ชังไม่กลัวไม่ห คำถามต่อไปจากคุณชนิดาพระอาจารย์คะตอนนี้หนูกำลกำหนดลมพุทโธและกำหนดลมไว้ตรงหน้าหนูนั่งกำหนดแบบนี้ถูกไหมคะได้มากทีเดียตอนนี้หนูกำหนดลมพุทโธและกำหนดลมไว้ตรงหน้าหนูนั่งกำหนดถูกไหมคะไม่ถูกลก้วกำหนดลมต้องกำหนดที่ปลายจมูก ตรงเเดดมมข้าออมา้าที่สสดดััผไคำถามต่อไปจากคุณพิพัฒหากเราพิจรารณาไตรลักษณ์โดยไม่ได้พยายามรักษาศีลทําทานหรือทําสมาธิจะทําได้ไหมครับถ้าได้จะให้ผลอย่างไรครับคือมันพิจารณาได้แต่มันได้มากได้น้อยได้นานหรือไม่และมีกําลังที่จะปล่อยวางได้หรือไม่ คล่ายๆก็พิจารณาได้ตอนนี้เราก็พิจารณาว่าเป็นตายรักได้แต่เราปล่อยวางมันได้หรือเปล่าถามต่อไปจากคุณปูเป้กาพระจานทร์ครับถ้าต้องไปงานเลี้ยงและจิตวายบ้างเล็กๆในน้อ ย, อยจะผิดศีลไหมครับและมีผลต่อการฝึกสมาธิไหมครับก็ผิดนะเพราะว่าถ้าเป็นศีลนี่มันไม่ประโยชน์เดียวก็ผิด อาจจะมีผลกการทําสมาธิหรือไม่ถ้ามันไม่ทําให้เราเมืนเมาขาดสติมันก็ไม่มีผลนะต่อการการทําสมาธิของเราคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสุวรรณกราบขอคําแนะนําการใช้ธรรมะคู่กับการใช้ชีวิตประจําวันเพื่ออยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันครับก็ธรรมะสอนว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรเท่งแท้แน่นอน มีเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงเราก็ต้องยอมรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของของโลกไปอย่าไปยึดไปติดว่าจะต้องเป็นเศรษฐกิจดีมีแต่ความเจริญอย่างเดียวมันมีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อมโลกธรรมแปดนี้มันเป็นของที่มีเจริญมีเสื่อมคู่กันสี่คู่คือราบมีการเจริญมีการเสื่อมยศมีการเจริญมีการเสื่อม สละเสร์นก็มีนินทามาเป็นคู่สุขก็มีทุกมาเป็นคู่ยิชงพิจารณาว่าในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะต้องเจอทั้งทั้งทั้งแปดอย่างนี้เรียกว่าโลกกระทำแบบเราต้องทำใจยอมรับกับมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมีสองคำถามจากคุณเดอะมัลติเวอร์ซค่ะกราบนมัสการครับพระอาจารย์ขอโอกาสครับเมตตาเป็นเจตสิกหรือไม่ครับ เมตตาก็เป็นความเมตตาความปรารถนาดีเราไม่รู้ว่าเป็นเจตสิกหรือไม่เป็นไม่ไม่สำคัญจะต้องรู้ว่ามันเป็นเจตสิกหรือไ ม, ไ ม, ไม่ให้รู้ว่าเราเรามีความเมตตาหรือไม่เรามีความปรารถนาดีกับทุกคนได้หรือไม่อันนี้ควจะรู้อย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ได้เราก็ต้องพยายามทําให้ได้อย่าไปคิดล้ายกับใครให้คิดแต่มีแต่ความหวังดีปรารถนาดี อยากให้เขามีแต่ความสุขอยากให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นเปบนเมตตาไม่ต้องไปสนใจว่ามันจเจตัดสิทธ์หรือเป็นอะไรมันไม่มันไม่สำคัญสำคัญจะให้รู้ว่าเราเราเราเราทำให้เรามีเมตตาได้หรือไม่คาถามที่สองสภาวะใจจะให้เป็นอะไรก็ได้ดังนั้นมีอะไรที่เป็นจริงบ้างครับในทางฝั่งสมมุติ ก็จริงชั่วคราวแล้วตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอีกสิบปมีมันก็เปลี่ยนไปแก่ลงไปเรื่อยๆทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็มีดับมีเจอแล้วแล้วก็เสื่อมคือโลกของชุมชนเป็นอย่างนี้คำถามต่อไปจากคุณศรัทธาหลวงพ่อคะเราจะระงับความโกรธคนที่เราไม่ชอบได้อย่างไรคะ เวลาโกรธแล้วใจเดือดปุดเลยค่ะก็ต้องท่องพุทโธพุทโธเวลาโกรธก็พุทโธพุทโธไปแลส่วนอินทรีย์สมุทัยหรือส่วนบทแผนเมตตาก็ได้สัตย์สัตตาเอเวลาหุนตกเอาปยาปชาหุนตกอันกข้าหุนตกไปอย่าไปคิดถึงคนที่เรากําลังโกรธนพราความโกรธมันก็จะหายไปได้เชื่อครับ มีคำถามเข้ามาใหม่อีกประมาณห้าคำถามเจ้าค่ะอ่าได้ค่ะนาทีม า, มาคำถามต่อไปจากคุณแม่ชีนประพัดขออนุญาตกลับน้มัการเรียนถามพระอาจารย์ว่าธรรมะข้อใดที่ตั้งแต่ท่านพระอาจารย์บวชแล้วปฏิบัติจนทาให้บรรลุธรรมนะคะก็ศีล ส, สมาธิปัญญาตั้งมือั้งสางคำถามต่อไปจากคุณนาลาแซม ฝากทีมแอดมินกราบถามพระอาจารย์ค่ะเวลา ย, ยมนั่งสมาธิบริกรรมพุทธโธหายใจเข้าเป็นตัวหนังสือคำว่าพุทธและหายใจออกเป็นคำว่าโธอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าทำให้ใจเราสงบก็ใช้ได้คำถามต่อไปจากคุณโจกราบนมัสการพระอาจารย์ครับมีความสงสัยว่าจริงแล้วคนเราเกิดเพื่ออะไรครับ เกิดเพื่อตอบสนองปัญหาความอยากความอยากเป็นผู้พาให้เรามาเกิดเพื่อเราจะได้ตอบสนองความอยากต่างๆได้คําถามต่อไปจากคุณชนะดากิเลสอย่างละเอียดนั้นเราจะเห็นได้อย่างไรขอตัวอย่างค่ะเราก็ต้องผ่านกิเลสอย่างยากก่อนกิเลสที่แบ่งไป็นสองระดับชั่งยน์เรื่องต่ำนี่ก็เป็นกิเลสอย่างยาก แล้วก็เรือย่างละเอียดก็สํายอ่อนโยมบนมีอย่างละห้าสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาธีลาชัตปารมากามรมาลาคะปฏิฆะในกิเลสส่วนอยากที่อยู่เกี่ยวข้องกับร่างกายส่วนกิเลสชนละเอียดนี้เป็นกิเลสที่อยู่ในใจคืออะรูปราคะอรูปราคะ มานะทิฏฐินัก็อวิชชาอันนี้เป็นกิเลสอย่างไน่งหมดแล้วนนยังคถามสุดท้ายเจ้าค่ะจากคุณชนะดาหากเราสงสารจนร้องไห้ช่วยเขาไม่ได้นั้นจะระ ง, งับอารมณ์นี้ด้วยทำข้อใดดีเจ้าค่ะก็ต้องมีอุเบกขาต้องพิจารณาว่าสัตว์ตั้งร้ายมีกรรมเป็นของของตนแต่ทำการามอั น, ไนดไว้ดีหรือเชื่อก็จะอเป็นผู้รับผลของกรรมนะั้น ช่วยเขาไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมหมดแล้วใช่ไหมวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะเกิดจะสิบเอ็ดโมงนะพอสมควรก็อขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด